อาารย์บอลท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายาทาทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่เราจะมาพบปะกันเพื่อสนทนาถามตอบคาถามต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติทำที่พระเจ้าได้สสอนให้ปฏิบัติคือทานศีลภาวนาเราจะเริ่มต้นจบุคลแรกที่เข้ามาก่อนคือคุณปุนยนุ คคุณคุณณนชลูกเข้ามากราบในมส ก, การพระอาจารย์ค่ะค่ะลูกไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์สาธุยินไปที่ท่านต่อไปค่ะคุณหมอพิเชษขอโทรหมอกราบมหการพระอาจารย์ครับมีอะไรหมอมีอะไรไหม อ๋อไม่ไม่มีคําถามครับเพียงแต่มามากรับพระอาจารย์ว่ารเช้าโยมได้ฟังธรรมเทศนาพระอาจารย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทครับทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเกระบวนการการเรียนว่าใจเกิดได้ดีมากยิ่งขึ้นกับพระอาจารย์ดีมากก็ต้องแก้วิชาด้วยด้วยปัญญาการวิชาเห็นนอก ว่าเป็นสุขเป็นสุขขังนิจจังสุ ข, ขังอัตตาภายในนอกนี้คิดว่าทุกอย่างในโล่านี้เป็นยึดจังสุขขังอัตต า, า, ต า, มม า, มาตก็เลยยึดยึดติดแล้วก็เลยต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอยู่นี่เห็นว่าต้องเห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาก็ทําให้โยมได้มีความเข้าใจ ต้นเหตุของการเกิดทุกข์ครับว่าเป็นการทําตามความอยากด้วยอวิชชาครับอาจารย์ก็ทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับนี่บ้างยังก็ขอไปที่ท่านตอบไปเลยนะเสมอครับอาจารย์คุณสาธารจากจีน่าอยู่อำเภออะไรคุณสาธกรณอยอำเภออะไรอาจารย์ อ, อวันเนี้พระเอิญมีคนรู้จักอะค่ะเขาสอบถามทีนี้ลูกไม่แน่ใจเพราะว่า <c oughs> ที่ลูกฟังฟังจากพระอาจารย์นะคะลูกก็เลยบอกเขาแต่ว่าลูกกลัวว่าลูกอ่ะไปบอกเขาผิดลูกก็เลยจะถามกับพระอาจารย์พรเอิญก็ถามว่าอย่างกับว่างานเกี่ยวกับผู้พิพากษาอย่างนี้นะคะ่ะพระอาจารย์เขาจะต้องมีการนั่งสมาธิก่อนเขาก็เขาก็ถามลูกว่าถ้าสมมติว่า เขานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะทําให้การการการที่เขาอะ่ะเหมือนว่าตัดสินเนี่ยถูกต้องใช่ไหมลูกในความคิดที่ฟังจากพระอาจารย์นะคะบอกว่าไม่ไม่น่าใช่เพราะว่าท่านั่งอะ่ะเพื่อให้แบบเหมือนใจเราอะ่ะมันอยู่ในภาวะที่ว่าอยู่ในไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือไม่มีสภาวะอะไรอะคะ่ะให้เหมือนใจเราเป็นกลางแล้วทีเนี้ยพอเราฟังอะไรอะคะ่ะ มันก็เหมือนน้ากิ้งกวนไม่บวกคือรับฟังพอเวลาเขาพูดอย่านี้ยใช่ไหมคะพระอาจารย์และให้เราถึงจะใช้ประมวลความรู้เราคือปัญญาเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ใจที่เป็นกลางมันก็จะไม่มีอารมณ์ที่จะไปรักหรือชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทําให้พิจารณาความเป็น จ, จริง ได้ตามความเป็นจริงถ้าเกิดใจเกิดมีมั่มีมีรักมีชังหรือมีกลัวนี่ก็อาจจะไม่กล้าตัดสินไปในทางที่ถูกต้องก็ได้เช mm hmm. ่นถ้าเรากลัวผู้ผู้ต้องหาความเป็นคนมีอิทธิพลอย่างนี้อือเราก็อาจจะไม่มองเห็นว่าเข้าทําผิดก็ได้ เราเรากลัวถ้าเราไปว่าเขาทำผิดเนี๋ยวเราอาจจะถูกเขาเล่นงานในภายหลัง <c oughs> แต่ถ้าใจเราไม่มีความกลัวไม่กลัวใครเท่นั้น <c oughs> ยามนับมุ่กรรมถ้าถึงเวลาจะโดนก็พร้อมที่จะโดนแต่ความจริงเป็นไงก็ต้องว่ากันไปตามตาเป็นจริงไม่มองหน้าใครว่าได้อินหน้าผม Mm hmm. ถ้าคนใจมันกลางก็จะเป็นอย่างนั้นเอ้ายึดหลักความเป็นจริงเป็นเป็นเป็นหลักในการตัดสินใจในยึดหลักในว่าคนนี้เป็นใครมีอาํานาจบานใหญ่อย่างไรหรือไม่ในทุกวันนี้เนี่ยมันมีข่าวการอยู่เรื่อยว่าทำมาทำงานแล้วก็บิดเบือนคดีกันไปร mm hmm. าทั่วที่ต้องหาเรื่เป็น ผู้มีทิ่ย์พลทางใดทางหนึ่งที่อยากจะมาประทบต่อการดงวงชีวิตของผู้ทำงานก็ได้ตำรวจอาจจะถูกโยกย้ายงนนี้ได้ขึ้นตาแหน่งอาจจะถูกโยกย้ายหรือถูกการข้ง<ม>ก็ไม่อยากที่จะไปเสี่ยงกับวิบากกรรมเหล่านี้ก็จะเบ็ดเงินตามความจริงได้ แล้วก็มีพี่อีกคนนึงค่ะที่สนิท ก, กันอย่างเงี้ยค่ะที่ทำงานเก่ากันนะคะเขาก็มาคุยกับลูกและทีนี้พอเสร็จแล้วคือการที่เราเราเราแบบฝึกแล้วก็ฟังธรรมะเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามอ่ะมันทำให้เรานิ่งขึ้นแล้วก็เราพูดเราอะไรเรามีเหตุมีผลขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้อง ถ้ามีสติมากเท่าไหร่อารมณ์มันก็จะน้อยลงไปเท่านั้นอืมเพราะว่าทุกคนคือปกติอะลูกก็ไม่ไม่ไม่ได้พูดคุยคนเยอะเท่าไหร่อ่ะคะ่ะลูกจะมีคนที่แบบคือมีพ่อมีแม่แล้วมีพี่สนิกอีกคนหนึ่งอะที่คุยอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็จะว่าลูกอะเหมือนนิ่งขึ้นแต่ลูกก็บอกว่าคือ ไม่รู้แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ยากพวธกธรรมะคือถ้าถ้าฟังแล้วฝึกตามมันก็ไม่ได้เรื่องที่แบบคือที่เราเคยได้ได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนอ่ะมันไม่ใช่เลยที่เราเข้ามานะลูกก็คิดว่าอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาฟังอนะ่ะมันก็ได้อะไรที่มันแบบที่เราไม่ไม่เคยอะ่ะมันเหมือนอย่นั้นเขาบอกเออเครียดมาสองวันพอมาคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่เครียดเออถ้าอย่างเงี้ยลูกบอกให้เข้ามาฟังดีพระอาจารย์เด็ดกกว่าลูกอีก เพรอาจารย์ให้ให้ความให้ให้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยลูกลูกคิดว่าแบบแล้วก็มาฟังในที่แบบในเพื่อนๆนแล้วก็ได้ฟังคําแนะนําลูกว่ามันมันมันได้อะไรเยอะลูกก็เลยบอกให้ให้ลองเข้ามาแต่บางคนก็ว่าสืบเสือ่นอกก่อนอ่าก็ได้ทางทางไว้นอกถ้าไม่มีคําถามก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามาฝังข้างในห้องอ่าค่ะอาจารย์กันงั้นแค่เนี้ยค่ะอาจารย์ค่ะถึง อะท่านต่อไปสองพี่น้จนอนจมะท์แอจทีใครเป็นจามะับใครเป็นจามะทยกใหม่ขึ้นด้พี่ชายใช่ไหมพี่น้องใจ <c oughs> ใครเป็นพี่กยกมหมขึ้นพี่จมะท์เป็นพี่ ม, พมีคําถามไหมวันนีม้มีส่งการมดบ้างหรือเปล่าวันนี้จะมาส่งกันวันที่พระอาจารย์ได้มอบหม่ยน็ต อาทิตที่แล้วครับก็คือ be happy for what you great for what you get be g r e a t f o r what you have ก็คือการพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วก็ไม่ขออะไรพ่อแม่ครับก็คือไม่ขอพ่อแม่อะไรเลยครับแล้วก็พ่อแม่ก็ให้จริงๆด้วยครับถึงเวลาเขาให้เราเองเราไม่ต้องไปของก้วดีไหมเพราะถ้าขอแล้วมันไม่พอก็จะนะพอได้นี้แล้วก็อยากจะได้นั่นต่อก็เลยว่าความโลภ ถ้าขอที่แสดงว่าออกมาจากความโลกพอได้คือก็หยากจะได้สองได้ได้ของเล่นอันนี้แล้วก็อยากจะได้ของเล่นอันนั้นนี่กอ็อยากจะพาไปเที่ยวอะไรขอไปเรื่อยๆขอเท่าไหร่ก็ไม่อีกมไม่พอดังนันอยากไปขอดีกว่าถ้าจําถ้าขอก็ขอจําเป็นเย็นเช่นไม่ได้ข้าวกินอย่างเงี้ยเราอขอข้าวกิน เราดีพ่อแม่ลืมทำกับข้าวทำอาหาได้เรากินพ่อถึงเวลากินข้าวแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเลยอย่างนี้เป็นของจําเป็นก็ควนจะขอได้ถ้าไม่ขอได้ไม่ยินเก็งไงย้ำอดชั่งมือสองมือดูไม่ตายอย่ะอันนี้มันจะทําให้เข้าสงสารลราต่อมากเป็นเรืที่เราอดทนที่เราไม่ไปรบกวนเขาขุนช่าสอนให้เรา ปัจจัยบางบ้างน้อยสั่โดดน้อยก็คือเอาไม่น้อยเอาเท่าที่จําเป็นมันต้องมีว่างเวลาเรามีแค่ปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีมีอาหารรับประทานนามัยาหารับประทานหรือเปล่ามีใช่ไหมมีเสื้อผ้าหรือเปล่ามีที่ว่าศัยหป่ามีครับมีครับเวลาไม่สบายมียากินหรือเปล่า มีครับอ่าก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรไปมากแบบ น, นี้สิ่งอื่นมีไปก็ไม่มีทําให้เรามีความสุขกลับจะทําให้เรามีความโลภมีความทุกข์มากขึ้นพอเวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้เราก็จะเสียใจไม่จะโกรธพอกดหน้านได้นะถ้าไม่อยากจะโกรธพ่อโกดธแ้่อย่าไปขออะไรอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้อะไร เข้าใจนะเข้าใจครับ <Okay. S 1> มีอะไรจะถามไหมวันนี้ผมมีคําถามครับถามว่ามาก็คือตอนที่เรานั่งสมาธินะครับแล้วก็เราท่องพุทโธในใจนครับเราใช้ความคิดท่องพุทโธในใจไหมครับใช่เราใช้คิดในใจแทนที่จะคิดถึงเกมคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราคิดตัดพุดโทโธพุโทโธ เราคิดตัดพุโทโธแล้วทำให้เราไม่มีความอยากเกิดขึ้นถ้าเราไปคิดถึงเพื่อนคิดถึงแกคิดถึงของแน่นแล้วก็อยากจะได้พออยากแล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องดิ้นนองไปหาสิ่งที่เราอยากงั้น <Okay. S 1> ใช้พุทโธนี้หยุดความคิดต่างๆหยุดความอยากต่างๆหยุดความโลภหยุดความโกรธได้ถ้าเวลาหนูโกรธ ใครก็ให้ทำพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจเดียวเดียวเดี๋ยวก็หายเกลือเดี๋ยวก็ลืมเวลาเสียใจก็เหมือนกันเวลาไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเวลากลัวอะไรก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายกลพุทโธนี่ดีมากเป็นเหมือนเป็นเหมือนยายาหม่องนี่ยยาหมองนี่เคยใช้ไหมยาหมอง ยาห่องนี้ใช้ได้เวลาตกอดกัดก็ทาได้เวลามีแผลก็ทาได้เป็นยาสามัญที่จะช่วยรักษาร่างกายพุทโธก็เป็นยาสามัญที่จะรักษาใจของเราให้สบายไม่ให้รุนหวายไม่ให้เสียใจไม่ให้ทูกขใจไม่ให้กังวลใจครับเราพยายามทำนะเรานั่งสมาธิด่อนนอนนั่งได้ไหม ไปใช่ครับให้น่าตื่ขึ้นมาแล้วนั่งนั่งป่อยที่จะลุกไปทําอะไรเส่็ขก้นมาแล้วลกขนมานั่งสมาธิก่อ <S 2> <S 2> นแล้วตอนนั้นจะสดชื่นแบบมากตื่นขึ้นมาแล้วทำสดชื่นแบบมากถ้าไม่ไม่สวยไม่นั่งสมาธิเดี๋ยวเกิดขึ้นมาอาจจะเกิดอารมณ์หมดหิตนำขาดโมโหได้นะ มีอะไรอยากจะถามอีกไหมอข อ, อาการบ้านอีกครับอ๋อก็ทำการบ้านเก่บทำทุกวันคะอา่อาสิาา่งที่ให้ทำนี่ต้องทำไปตลอดชีวิตเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับถ้ามีคำถามเลยมิอยากจะ อ, อยากจะทำอะไรก็ก็ลองลองถามมาว่า หนูอยากจะได้อะไรอยากให้ทำอะไรเราหนอง่า ห, หนูเราไม่อ่านมงคลสามสิบแปดข้อได้ไหมในการบ้านมงคลแปลว่าสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขพระเจาสอนวิธีทําให้เรามีความสุขสามสิบแปดข้อนิดหเช่ง<ม>ข้อหนึ่งไม่ก็คนตายคือคนตายก็คือคนโง่อคนไม่ดี ให้คนบัณฑิตคือคนดีคนชนะพอถ้าเราครบกับคนไม่ดีเขาจะชวนเราไปทํำในสิ่งที่เขาชอบทําพืสิ่งที่ไม่ดีชวนเราไปเล่นเกมชวนเราไปหนีโรงเรียนไม่ให้เข้าโงเรียนไม่ไม่ให้เรียนหนังสืออย่างนี้ไม่ว่าไปคนไม่ดีถ้าเข้ากับคนดีก็คือคนที่ชอบเรียนหนังสือเมืนที่ชอบทําอะไร ให้เกิดประโยชน์ไม่เสียเวลาชอบเีนหนังสือชอบอหาความรู้ไม่ชอบเป็นเกมไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบแม่นายคุณต้องรู้จักควบคนคนเราในโลกนี้มีทั้งดีและทั้งไม่ดีเราไปคบคนไม่ดีเขาว่าชวนพาให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราครบคนดี้าวาก็จะพาเราไปทำในสิ่งที่ดี เราไปค้นหามงคลสามสิบแปดอยู่ในอินเทอร์เนต็ตก็ได้ถ้าอ่านเราไม่เข้าใจก็ถามถามแมนน่มาถามเราก็ได้อาธิบายให้ทำดีเ้วก็ทำได้เมื่อมงคลสามสิบแปดได้ครับถ้าเกิดไปดูกันว่าคืออะไรบ้างครั บ, รบเราไปอ่านดูนะครับ ทุกคนนี่เด็กที่เข้ามาแล้วมีไปตากานบ้านให้ไปอ่านมงคลสามสิแปดกันนะครับอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครอบต่อไปพอเช่ปอเช่หน้าโมแมกนต้องไปอ่านมุคลสามสิบปดกันนะคุณาอาจารย์วันนี้ก็จะขอกับบ้านนี่ก็ให้เราในวันนี้ไปไปศึกษามุคลสามสิบแปดขอกันครอบ ถ้าทีละข้อฝกันได้ทีละข้อสองข้ออ่านดูแล้วเข้าใจไม่ไม่เข้าใจลองถามพ่อถามแม่ดูหรือถ้าอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจก็เราไปดู translation ภาษาอังกฤษก็ได้นำเสิร์ชคำภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ม้นก็ทับศัพท์มังคลาสุกดะ มงคลก็คือมังกาลาสุตตะมังกาลาสะสุตตะ S U T T A ไม่เป็นภาษาอังกฤษมีคำถามแลปตาพ อ, อช่อเรื่องที่อาจารย์บอกว่าถ้า ถ้ามีคนที่เป็นเพื่อนที่คนไม่ดีแล้วเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราให้ไม่ยุ่งกับเขาอะค่ะใช่เคยพยายามทําแบบนั้นแล้วแต่มันก็วกกลับมาเหมือนเดิมเขาหาเราเพิ่เราไปหาเขาเพราะว่าปกติแล้วเราก็ไม่ได้อยากเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบคนไม่ดีไปเหมือนแบบไม่ยุ่งกับเขาอะไรเงี้แบบนั้น่ะ ก็พยายามอย่าไปเนี <facult silk> <mus nah> ่ยไปคุย <im> ก <podob> <t om> ับเขาอย่าไปทํากิจกรรมอะไรกับเขาเลยพยายามเขาชวนก็บอกไม่ว่างเราไปทำอะไรไปเรปฏิเสธคือแต่ไม่ให้ลรำเกียรเขาเถือเข้าเป็นเมตเป็นเพื่อนก็พยายามไม่ทํำแต่ถ้าเขาทากิจกรรมดีก็ถากมเขาได้ดูกิจกรรมที่เขาชวนเราไปทำแล้วก็ชวนเราไปทําการบ้านไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็ ถ้าเป็นกิจกรรมที่มีคุณมีประโยชน์แล้วก็ทําได้คือคนเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีทุกอย่างบางทีก็อาจาจะมีส่วนที่ดีกนได้หมายระวังถ้าถ้าเจอคนที่มีส่วนที่ไม่ดีแล้วชอบชวนเราไปทํำในสิ่งที่ไม่ดี ช, ว น, นชวนเรานีลองเรียนชวนาไม่ให้ทํากันบ้านมามเล่นเกมดีกว่าไม่ให้หนังสืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ก็คนที่จะ อย่ไปร่วมทำำวํำกับเขาบอกต้องขอไปทานำการว่ายของเราดีกว่าไม่ต้องไปเสียดายคนอย่างนี้ไม่เป็นเพื่อนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เสียหายอเข้ามาเป็นเพื่อนกัแบบจะทําให้เราเสียหายได้พระพุทธจ้าบอกว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่ดีครบได้กใ็ให้อยู่คนเดียวดีกว่ับม่ต้องเป็นไับคร ดูหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมเนื้อทําะไรสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นี่แหละช่วยพ่อแม่ทางานบ้านก็ได้ถ้าพ่อแม่มันที่มีอะไรให้ผมทำต้องไหมเก็บขยะกวาดบ้านถูบ้ า, านล้างถ้วยล้างชามงานวันนี้ทําแล้วเราจะได้ความรู้จักเราจะได้ความรู้จักการทาํางานเราจะเห็นว่าการทํางานนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์พรจะทําให้ บ้านช่างสะอาดอย่างน้อยก็ทําความสะอาดท้องเราเองได้ไหมอยาให้พ่อให้แม่มาทําได้หลือนี่ยให้คนใช้เขามาทําได้หลือให้คนอื่นทํำก็จะเราว่าจะการเป็นคนพิการไปเหมือนคนพิการทําแล้วไม่เป็นเจ็บปวดห้อ ง, องเองก็ไม่ได้รักษาความสะอาดห้องเองก็ไม่เป็นอ้าทาเองมันของที่เราใช้ของเราเอง ตัดซักผายก็ได้อย่างที่สมัยนี้ซักผ้ า, าก็ง่ายมีเครื่องซักเองมีเครื่องซักผ้าที่เราใส่ตู้นั้นเองในเครื่องหรือว่าเสร็จสมัยก่อนนี้ต้องซักมือเองเอ ง, อ ง, อ ง, งาหัดทาอะไรเองพระเจ้าว่าอัตตาหิอัตนโนนาถุมันเป็นที่เพื่อนของตอนถ้าเราเพึ่งคนอื่นีจยเกิดต้องไม่เราเพึ่อนมันจะทำอยา ถ้าเกิมันดีขึ้นดีพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่เราทําเองมไม่ได้นั่นถ้าทำเองทํากับข้าวเองทำขงข้าวเองสมัยนี้งข้าวก็ง่ายมาโมงมาเมา่าต้มน้ําเทน้ําเดือดเทก็เป็มาเมา่ากินได้สมัยก่อนต้องหุงข้าวต้องรู้จักจุดไฟจุดเตาสมัยก่อนไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาไร้ไฟ เราใช้ฐานสมัยก่อนคนนี้เก่งกว่าคนสหัยนี้คนสมัยนี้เป็นการเป็นเหมือนเป็นเครื่องมืจับไปปดปุ่มปุ๊บก็อยากมาทางานได้มีเที่ยวในเข้าไหมเข้าไปเข้าค่ายเขาบอว่าเป็แคมปิงตงอืมตอนแรกจะมีแคมปห้าวันครับแต่ว่า มันถูกแคนนเซน์ไปเพราะมีโควิดนนั่นแหละที่เราไปแคมเมื่อให้ไปกลับไปอยู่แบบสมัยโบราณยู่ั บ, บธรรมชาติอยู่กับไม่มีเสิ่งอะไรเราต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราถังหาฟืนหาอะไรมาจุดไฟมาหุงข้าวมาต้มน้ามาทำอะไรนะกระจายนะ ตักพึ่งตอนเองต่อไปนโมมันขยันมาใส่บาตรแต่ไม่มีเวลาคุยกันทักทายกันไม่ได้พระอาจารย์ครับก็วันศุกร์ที่แล้วพาทั้งครอบครัวเลยครับพาหมาไปด้วยครับไปใส่บาตรพระอาจารย์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้หลามากเลยนะครับที่ช่วยให้ข้อมูลครับเพราะว่าทั้งบ้านพอกลับมาอิ่มบุญกันหมดเลยครับพระอาจารย์ดีใจกันมากเลยครับ วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านพระอาจารย์ครับแล้วก็มีคําถามมาสอบถามพระอาจารย์ครับก็การบ้านแรกที่พระอาจารย์ให้มาครับก็คือพยายามที่จะรู้สึกตัวตลอดเวลานอกเหนือจากเวลาที่นั่งสมาธิเดินจงกลมแล้วก็เฝึกสติในรูปแบบนะครับพระอาจารย์ก็ผมก็ได้ลองไปทํำดูบ้างครับพระอาจารย์แล้วก็ค้นพบว่า ตัวเองเนี่ยสามารถทําได้ดีเลยเวลาที่อยู่คนเดียวในที่ที่เงียบสงบครับอาจารย์แต่ว่าถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีคนพุกพลานะครับอาจารย์จะไม่สามารถทําได้ดีเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าการจะทําใจสงบนี้ต้องมีสถานที่ที่เงียบสงบกาเป็นสถานที่ที่มีเสียงมีเสียงอระตุ้นครึกคลูกีคนเพ่นผลานไป มันพุ่พาดมันก็จะทำให้มาลบ ก, กวนสมาธินะกวนสติลบบกวนคอนเซนทรชันเาแล้วเราพยายามทำไม่ได้ครับแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ก็คือตอนนั้นนะครับ ที่พูดกันเรื่องการนอนพื้นนะครับอาจารย์ครับก็ผมก็ได้เปลี่ยนมานอนพื้นแล้วครับเพราะว่ามีอยู่สองสามวันที่ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดผมไม่สบายครับอาจารย์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้ มานอนบนเตียงนะคะพระอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าทุกครั้งนะครับที่ผมนอนบนเตียงค่ะพระอาจารย์พอตื่นขึ้นมามันจะฟุตโธไม่ออกครับต่างจากนอนที่พื้นค่ะพระอาจารย์เมื่อไหรที่ผมนอนที่พื้นมันจะสามารถนึกถึงฟุตโธได้เวลาตื่นค่ะก็ดีถ้าอยากจะได้ฟุตโธรต้องนอนกับพื้นพระอาจารย์พอจะนอนบนเตียงนอนสบายฟุตโธไม่ออกมันจะนอนที่เกียร์ค่ะพระอาจารย์ แล้วกการบ้านเรื่องความกระตันยู่ต่ อ, อผู้ใหญ่ในผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับอาจารย์ก็พอทาตามที่พอาจารย์บอกครับเลิกเลิกที่จะเถียงพ่อแม่ครับแล้วก็พ่อแม่สั่งอะไรมาเราก็จะปฏิบัติตามครับก็พ้นพบว่าตัวเองกัทงบทั้งครอบครัวเลยครับมีความสุขสงบกันมากขึ้นไม่ทะเลาะ ก, กันเลยครับอาจารย์ไม่เป็นสงครามแล้วนะ <c oughs> อย่าเถียงกันนะ ไม่ว่าแต่แม่แต่แม้แต่ไม่แม่แต่ไม่ใช่พ่อแม่ก็อยากเถียงเพื่อนผมก็อย่ากไปเถียงนะครับถ้ามันจะเพือะไรก็ปล่อยผมไปเห็นกันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอาจารย์พยาาเวลาถ้าก็ไม่เห็นตรงกับเราแล้วก็ไม่ทำพยายามที่จะไปไปเถียงกับว่าเขามีความเห็นอย่างนี้ก็เรื่องของเเรามีความเห็นอย่างนี้ก็เรื่องของเราไม่ต้องเอามาไม่ต้เอามาเถียงกัน ถ้ามีมีคําพูดของนั่งป่าว่าการที่เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนี้ก็คือเราต้องสวนส่วนต่าประสานส่วนเหมือนกันนะสมหวนส่วนต่างก็คือถ้าเรามีความเห็นไม่เหมือนกันไม่อย่าเอามาพูดกันพูดกันแล้วก็ทะเลาะกันเถียงกันเอาเื่อที่เราเห็นเหมือนกันเอามาพูดกันมีความเห็นต่างกันเวลาพูดก็จะไม่ขัดกันถ้ามีความเห็นต่างกัน เวลาพูดมันก็จะถี่นต่ของชั้นถูกของคนผิดพูดไปไถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าอย่าไปพูดให้เสียเวลาเพราะแต่ละคนเขาก็จะยึดในความถูกของเขาเราก็จะยึดในความถูกของเราไม่แต่ประโยชน์ อ, อะที่เราจะไปเอาแพ้ชนะมันอยากการถีถ่นิดเดียวดีไม่ดียจะทำให้ทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันขึ้นมาก็ค่ะอาจารย์แล้วก็คงสงสยัยอะค่ะอาจารย์คือ ผมกําลังคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอยู่เรื่องพระที่พระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ผมรู้จักคับพระอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนต่างศาสนาคนหนึ่งครับที่พอได้ยินแล้วก็ลบหลู่พระองค์นั้นนะครับผมก็เลยสงสัยว่ า, าคือรู้ว่าเขามีความผิดแล้วก็มีบาปที่ลบหลู่แบบนั้น ก็คือเขาพูดไม่ดีอะครับผาจย์แต่ว่าส่วนตัวสงสัยว่าแล้วเราผิดไหมครับที่พูดเราจนทําให้เขาได้ยินแล้วพอเขาได้ยินเขาก็เลยสามารถไปทําได้ครับหรือว่าเราไม่ได้มีบาปตรงนี้ครับอาจาย์ก็ที่เราพูดกับใครยังไงพูดกับเขาเลยนั่นไงไม่ได้พูดกับเขาครับพูดกับเพื่อนคนอื่นแล้วเาขาได้ยินครับอาจารย์ก็ก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพูดให้เขาได้ยิน แต่เขาไม่เชื่อเขาจะรับผของนถ้าเป็นเรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาเราก็เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการกระทําของเขาเพราะว่าการกระทําของเขานี่มันจะมีผลเกิดขึ้นกับตัวเขาเองไม่ได้มาเกิดขึ้นกับเราใครทํากรรมันไรไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพระเจ้าแต่เขาทําดีเขาก็จะได้รับผลดีเขาทําไม่ดีเขาจะรับได้รับผลไม่ดี ันไม่เกี่ยวกับรรอใครจะทำอะไรไม่เกี่ยวอะไรเห็นแต่ว่าเราอยากไปสอนอย่าไสอนให้เขาพูดหรือทาในสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วให้พูดจะบอกเขา่าให้ทแในสิ่งที่ดีให้ให้หน้าตะทำในสิ่งที่ไม่ดี ได้ครับอาจารย์แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ที่ปฏิบัติหลายองค์นะครับแล้วท่านก็บอกว่าให้เรากลับมาดูที่ใจนะครับผมก็เกิดความสงสัยครับอาจารย์ว่าใจคืออะไรครับอาจารย์ใจคือความรู้สึกหรืออารมณ์หรืออะไรครับอาจารย์ทั้งหมดจใจของเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้สร้างอารมณ์สร้างอะไรต่างๆขึ้นมา เราคอยดูว่าตอนนี้ใจเรากำลังนึกคิดเรื่องอะไรถ้าถ้านึกคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราต้องดึงกลับมาหาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอาจารย์เรามสมมติว่าเราโกรธอย่างนี้ถือเป็นใจเราไหมครับใาเราโกรธไม่ใช่น้ำใจเราโกรธเวลาเราโลภปัใจเราก็โลภเวลาอยากได้นู่นอยากได้นี้ปัจจเราเวลาอยาจะเถียงกับคนนั้นคนนี้ก็ใจ ทจทุกอย่างที่เราทํานี้ทำด้วยใจนะครับก่อนที่เราจะมาพูดได้ทําะไรได้ใจต้องเป็นคนสั่งก่อนครับอาจารย์แล้วเราคอยดูคนสัง่งเราจะดูเอาคนสั่งบอกว่าอยากจะได้ของของเขาขอ เ, ขาาเลยไปขโมยดีไหมเงินก้อนหนึ่ง เ, เราให้ดูใจใจน้าคิดกับคิดว่าจะเอาของเขาดีไหมของมันไม่ดีของอยากได้มานานแล้วคนดีจังหวะเขาเถอะวางไว้ เราลองเป็นของเราดูห ม, มนี่ก็คือใจใจเป็นนายกายเั็นบาปเข้าใจไหมเข้าใจาค่ะก่อนที่ร่างกายจะทำอะไรได้ก่อนที่จะพูดจะเคลื่อนไหวได้ต้องรอคําสั่งจากใจคือความคิดนั่นเองถ้าเราไม่มีสติแล้วเราจะมองไม่เห็นใจแถ้าเราฝึกพูดโทพูดโทไปเรื่อยๆตามไปแเราก็จะเชัดขึ้นชัดขึ้นค อาจารย์ครับแล้วก็เมื่อวันก่อนนะครับผมก็นั่งอยู่ในห้องนะครับแล้วได้ยินแม่สนทนาธรรมกับ เ, อ เ, อเพื่อนของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ปฏิบัติจริงจังเลยครับแล้วก็ เ, เพื่อนของคุณแม่คนนี้ก็ได้พูดมาบางอย่างก็คือบอกว่า เขาสามารถทําได้ดีมากในการพิจารณากระดูกอะค่ะฟ้าจารย์ผมก็พอแม่เขาคุยโทรศัพท์เสร็จผมก็เลยเดินไปถามคุณแม่ครับว่าการพิจารณากระดูกคืออะไรแล้วคุณแม่ก็บอกคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยบอกอา่าผมก็เลยบอกคุณแม่ว่างั้นเอย่ามาถามฟ้าจารย์ดีกว่าอยากให้ฟ้าจารย์ช่วยอธิบายครับว่าการพิจารณากระดูกคืออะไรครับการพิจารณากระดูกก็คือให้นำมองให้เห็นกระดูกที่มีอยู่ในน่านกายองคนทุกคนเราเห็นไหม เวลาเราเห็นคนเราเห็นกระดูกของเขาไหมไม่ น, นั่นนะการพิจนารณากระดูกนั่นเพื่อทุกต่อไปนี้เวลาเห็นร่างกายใครต้องเห็นกระดูกของเขาด้วยกระดูกอยู่ตงไหนเนีอยู่ข้างใต้คือหลังนี้ไม่นีหน่หน้าของหนูข้างใต้คือหนังหนูเป็นอะไรกระหลกสีสษะหรือเปล่าใช่ไหมนั่นก็คือกระดูกใช่ไหมกระโหลกสีสษะคือกระดูก ถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราเราเริ่มพิจารณาดีเรีย น, นพยายามเห็นเห็นให้เห็นตลอดทุกครั้งที่เราเห็นตัวเราเองลองหน้ากระจกลองเอาในกระจกก็ต้องเห็นกระโลกศีรษะเราเห็นถ่ายรูปดูรูปของเราก็ต้างมอกทรลุเข้าไปให้เห็นขอ้อกระดูกของเราใ <c oughs> นขณะที่เราทํำไรเ้เคลื่อนไหวกับร่างกายนี้นก็ ด, กดูว่าเราเห็นกระดูกของเรากำลังทําอะไรอยู่กับ เวลาเรากเรยกแขนขึ้นในยกมือขึ้นทำอะไรนี้แขนเรามีกระดูกไหมน้เรามีกระดูกมก็คือให้จินตนาการถึงภาพกระดูกหรอครับอ่าก็ต้องจินตนาการถ้ามันถ้าไม่ได้เห็นด้วยต า, ต า, าเปล่าก็ต้องนึกใช่ไหมต้องจินตนาการาแต่มันมีหรือเปล่ามันของจริงหรือไม่เป็นของไม่จริงอืมตอบยากเลย ถ้าถามว่ามีอยู่จริงไหมมีครับพระอาจารย์แต่ถ้ามองจิตตาเรงไม่เห็นใช่ไหมมองไม่ตามเห็นก็ลองมองด้วยปัญญาหน่ยปัญญาก็คือการนึกนึกภาพเนี่ยถ้ามองึไม่ออกก็ไปเปิดหนังสือดูหนังสืออนาโตมี่ดูไปหาเปดูหนังสืออนาโตมี่ไหมหนังสือในในกูจะสเกลเลตันค่ะทีนี้ก็ดูตั้งแต่หัวลงมาถึงเท้าเลย แล้วพยายามจำไว้ให้ได้ของเรท่าพุทโธท่านนี้ทําพุโทโธก็เปลี่ยนมาท่านกระดูกเทียนก็ได้ค่ะพระอาจารย์พอดีเลยครับพระอาจารย์ผมมีหนังเสือหนาะโตมีตั้งอยู่บนโต๊ ะ, ะบางแห่งก็มีมีกระดูกเทียมมาไปซื้อกระดูกเทียมมาตั้งไว้ในห้องก็ได้อ่าคุณพ่อคุณแม่จะยอมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกั น, นันาด้ล็กๆก็ได้ไม่เอาแบบใหญ่แบบตัวเล็กๆแบบที่ตั้งบนโต๊ะได้ก็ได้ เราพยายามมองแล้วท่านเล่านูเลยว่าใครบ้างไม่มีมีกระดุกนี้ไหมวันไหนมีกระดุมก็ไม่มีครับพระอาจารย์แล้วก็เหมือนพระอาจารย์รู้ใจเลยครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่แล้วแม็กซ์อะค่ะเพิ่งส่งหนังสือเรื่อง thirty e i t wisdom มาครับแล้วก็ผมก็ตกใจมากเลยตอนพระอาจารย์บอกว่าให้ไปอ่านมงคลสามแปดนะครับเพราะมัน e อันเดียวกันเลยครับอันเดียวกันยังไง อันนั้นเป็นการสรุปการทําทําความดีทั้งหมดในศาสนาพุ่อให้ทำสามสิบแปดอย่างนี้แต่ไม่ได้นำคำว่าให้ทำํำทุกอย่างทันทีนะมันเป็นเหมนขั้นบันไดเหนกับเหมือนเรียนหนังสือแล้วก็เอาขั้นที่หนึ่งก่คือครอบครัวก็จะให้ครอบครัวแต่ขั้นง่ายขึ้นไปสําคัญนเนี่นยาตามกันต่อไปขั้นสูงเหมือนเดิ น, นขึ้นบันไดขึ้นไป อยากชั้นช่าน้ такая, นล่าไปชั้นสูงสุดไปสู่พระนิพพานชั้นสูงสุดก็คือพนิพพานครับอาจารย์แล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วครับก็สงสัยอะครับอาจารย์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะแล้วส่วนตัวบางครั้งผมก็จะไปนั่งทํางานอยู่ในห้องพระครับอาจารย์แล้วก็สงสัยว่ามันถูกกาลเทศะไหมครับที่ไปนั่งทํางานในห้องพระหรือว่าควรไปทําห้องอื่นแทนครับ เอาแตาเป็นงานที่ที่ที่ต้องใช้คอนเซนทรชันเช่นทำการบ้านหรือนักเรียนี่ก็ทาได้ครือว่าถ้าจะไปทากิจกรรมที่ที่มันไม่โคนไม่หมองเช่นไปเล่นเกมใ น, นใอางพลาในกาจะไม่ดีถ้าเป็นเรื่อง education เป็นเรื่องการถับมหาความรู้เลยนี่ก็ ทำการบ้านแล้วพักก็ได้ไม่มีใครมารบกวนเราเขาเงียบอ่านหนังสือก็ได้อ่หังสือทำการบ้กกนานเข้าพักได้แต่อย่าไปเล่นเกมครั บ, รบเดี๋ยวเวลาที่เหลือในสัปดาห์นี้ผมจะน้องพิจารณากระดูกดูนะคะพระอาจารย์เอางเราถึงวันนี้ก็พิจารณาได้ตอนนี้ก็นาเริ่มได้ลแล้วต้องรอให้ได้ เดินออกไปจากห้องนอนนี่ดูแม่เป็นกระดูกไปครับไมเป็นกระดูกแม่ไม่เป็นกระดูกไี่เป็นกระดูกเราเราไป็ที่เวลาไอ้กายนี่ถึงกระดูกของทุกคนครับอาจารย์ต่อไปเราจะได้เราจะได้เห็นความจริงของร่างกายชัดขึ้นชัดขึ้นว่าร่าการมันไม่เพียงมีเพียงแต่ผมขนนั่นฟันหนังนั่นนะมีอาการอีกสามสิบยี่สิบกว่าอาการอยู่ภายใต้ผิวหนังอาการสาสิบสองกระดูกก็เป็นหนึ่งในอาการนั้น นอกจากกระดรกมีอะไรบ้างหมมีเอ็นมีกระดูกมีหัวใจมีปอดในตับมีลำไส้มีอะไรเยอะแยะไปหมดนร่งกายขงพกเราทุกคนทางการฐานที่สก็ได้ยังโควิดกายโงการของเราดแลทางปาทัตะเมื่มวนแตะพื้นท้าขึ้นมาเรื่มตัดแต่ปลายของลมไปมีน้งโป่อยู่เป็นที่สุดนอก อ๋ออันนี้เป็นบทสวดมนต์ใช่ไหมครับะอาจารย์ก็ค่ะครับวันี่สงครับแต่าจุดหนึ่งครับพะอาจารย์วันที่สอัันนี้ก็หมดคำถามแล้วคะ่พะพอาจารย์คราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะแม่สองแม่แม่จะยินแม่แม่แแมี้นายน้องแมลิปิ้งรอาจารย์พระอาจารย์สุชาติครับมลว่ามา อ่าวันนี้มีคําถามเยอะมากมาครับโอ้โหศึกษาหน <มา S 1> ่อยกันอ่าผมขอรู้นะครับว่ามันมีกรรมอะไรได้แพทย์เราอ่าทําสายเวทอะค่ะมันจะมีกรรมอะไรบ้างครับทำสายศาสตร์ <administrator S 1> นอใช่ไหมเขาเรีสายเวทกับสายศาสตร์เน่ยเป็นเรื่องแมจิตอะไรพวกนี้นะอือหือ มันย็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นเหมืนกนคำพิเกเนเ ห, น, เ น, เหนึ่งในนั้นนแล้วก็ผมค่อยแล้วผมอยากจะรู้ว่าครับว่าต้องทําบุญอะไรที่จะได้ไปดูสิทธิบุรีอ่ะครับสวรชัน้นที่สี่อ๋อสวรรค์ น, นี่มันมีหกชั้นนะใช่ครับแล้วก็จะไปนั้นก็ต้องทําบุญคือรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องเสียสละแบ่งปันเงินทอง Oh, okay. ส า, ายบาตรบ้างถวายให้คนนั้นถว า, าถยวัดบ้างถวายให้นมบุญาบาลให้นงเลี้ยงคือคือเอาเงินทองที่เรามีนะท่าทนทานี่จะไปซื้อเกมซื้อไปเที่ยวเราเาเงินนี้มามาทําบุญมาแบบให้คนอื่นเขาใช้ oh. <c oughs> แล้วผมมีคําถามอีกอ่ะครับว่าถ้าเออมันมีกรรมอะไรไหมครับถ้าเราดื่มสุราค่ะสุรานี่มันเป็นสิ่งที่จะไปโทษกับจิตใจกับร่างกายของเรา อจิต uh huh. ใจก็จะอาเดือดชราแล้วก็จะเบาจะไม่สามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทําของเราได้เราก็จะคุกเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีสให้คนเบาชราไหมไม่ไเป็นไรลังจะไม่สามารถที่จะทําตัวให้เป็นปกติได้นีอ uh ๋อ huh. oh. แล้วอันนี้อันนี้เป็นทอดกับจิตใจและร่างกายถ้ากินบ่อยๆข้ามันก็จะเป็นโรกทำให้ <c oughs> ทำใ ห, ให้ตับให้ตายนี่เสียหายได้เลยทำให้ตายได้เลยกว่าทั่วไปทำใหายุสั้นอายุสั้นอือแล้วผมอยากจะรู้ว่าครับว่าตอนที่มีคนเหมือนแบบคนทานอ่ะครับที่โรงเรียนอะครับเขาจะเหมือนแบบชอบชวนผมไปเหมือนนับ อะไรนะวิ่งเล่นอะครับเหมือนแบบเสียเวลาอะครับแล้วครับเมื่อแต่คุยกับผมอะครับผมทํายังไงดีอะครับก็บอกว่าคุณไปก็แล้วกันผมจะทํำอย่างผมจะไปเรียนทั้งเสียผมจะไปทำอะไรอ๋อโอเคครับนั้นอ่าผมผมมีเอคําถามสุดท้ายแล้วนะคะอ่าตอนผมนั่งสมาธิอะครับจิตใจของผมอะครับมันเหมือนแบบคิดมันคิดอะครับมันจะเหมือนแบบเอ่อ ที่ไปอย่างอื่นนะคะเหมือนตอนผมนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมแล้วผมพยายามจะเหมือนแบบดึกไม่นึกอะไรใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนดึกขึ้นมาเองอ่ ะ, ะไม่ได้เวลานั่งสมาธิต้องนึกถึงพุโทโธไว้ก่อนถ้าไม่พุโทโธเดี๋ยวมันจะไปนึกคิดนึกอื่นไปอ๋อโอเคครับขอกคุณมานะครัะพระอาจารย์สุดชาติโอเคมีท่านนี้เหละใช่ค่ะสวัสดีครับในคนนนะ่คนำนาคมคนดาวสิบแปดนั่แหลใครผมาแนะนำน่าสนใจมาก ดู้นะลุแม็กซ์อ่านเรื่อยๆ6คน38แล้วมีอะไรบ้าอะไรนะคะแม็กซ์อ่านนึก8 6คนได้อ่านไหมคะผม <ทำ S 1> ได้อะ้นะคะทําได้ไหมไทาได้พยายามอยู่ครับตอนนี้ผมพยายามจะเหมือนพูดดีๆมากๆครับไม่เหมือนอ่มพูดลายเสกคนอื่น <c oughs> แล้วก็พยายามเหมือนแบบไม่โกรธครับแล้วก็ไม่อยากพยายามแล้วก็พยายามไม่เบียดเบ คบคนทานโอเคดีเนี่ยมาเข้าห้องเล่มแล้วมาครบบันเด็จนะคนนีน้เาได้มีแต่คนที่มีความรู้ทั้งัอบคุณมานะคะพระอาจารย์จุชาติครับโอเคดีจา้าพยายามคิดดีพูดดีทําดีนะได้ครับต่อไปอาจารย์สายทิพย์อาจารย์สารครามได้การว่ามีมีเ ม, มีดรามา่าที่สารคราม ต้องมีดราม่าอยู่ค่ะพระอาจารย์เรื่องชุดคลุยหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะอมาไปหมดเนี่ยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกันนะใช่ค่ะบางเรื่องก็ไม่ไม่ไม่รู้มันคนจะดราม่าค่ะพระอาจารย์ก็มีอยู่หมายถึงว่าคนที่ต้องจะจะคิดลบค่ะพระอาจารย์บางเรื่องปล่อยได้ก็ก็ไม่ปล่อยแล้วก็เรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ เหมือนมีก็มีเหล่าว่างอะไรงเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็ไม่สนใจค่ะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปค่ะ mm hmm. ก็พยายามกลากิเลสตัวเองให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์เดิมค่ะที่แล้นี้เอาเตียงออกใช่ไหมคะแล้วก็นอนเหมือนที่เป็นท็อปอัพมันก็จะนุ่มนิดนึงค่ะ mm hmm. พระอาจารย์บอกน้องน้องน้โมแล้วก็โอเคงั้นเอาออกเอาก็เลยเอาออกค่ะแล้วลองใช้ผ้าบางๆปูนอน อยู่สองคืนค่ะพระอาจารย์เจ็บหลังก็เลยอ่ะมันคงจะมากไปก็เลยเอาเป็นพระห่มค่ะพระอาจารย์พระห่มพระห่มปูนอนก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้สบายเท่ากับตัวท็อปอัพค่ะพระอาจารย์ก็เลยโอเคตอนนี้ก็อ่าเรื่องนอนถ้าถ้าอยู่ที่คอนโดจะนอนประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ส่วนอาหารก็อาหารค้าอาหารหวานก็ถ้วยเดียวกันค่ะแต่ผลไม้อาจจะอยู่ข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ เดี๋ยวมันก็ไปนอนในท้องเดียวกันไม่ช่เนี่ยผลไม้มันอย่างเช่นว่าม่วงมันชิ้นใหญ่ๆมันไม่ได้ไม่ได้สับค่ะพระอาจารย์ก็เอาวางไว้ค่ะแล้วก็ศิลก็สิลหกเจ็ดแปดบนบนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่เราสะดวกด้วยค่ะแล้วก็สิลแปดบางทีไปสองสามวันแล้วก็บางวันหิวก็เลยอะวันนี้ขอขอสามรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยค่อยค่อยค่อยปรับไปค่ะ แล้วก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ทีนี้พอนั่งพื้นมันแข็งค่ะเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันทรมานจังเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จะนั่งก็คืออย่างฟังฟังธรรมมาจาก youtube แล้วก็ก็นั่งไปไปก่อนแล้วค่ะทีนี้ก็เลยปิดแล้วก็นั่งนั่งต่อตั้งใจว่าชั่วโมงสิบห้านาทีอ่ากดกดกดนาฬิกาไว้ค่ะแล้วทีนี้พอมันไปสักอาจจะสิบยี่สิบนาทีเริ่มเริ่มเริ่มปวดขาค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพื้นมันแข็ง นั่งพื้นแล้วก็ทนไปท้าที่สุดตอนแรกก็ตั้งสัจจะก็ท้ายที่สุดแบบไม่ไหว <c oughs> จริงๆค่ะพระอาจารย์ได้ประมาณห้าคิบ เ, <c oughs> เจ็ด ถ้านั่งทนมันถ้านั่ง ท, ทนงทมันก็นั่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่มันก็ได้แต่ความอดทนแต่ถ้านั่ ง, งด้วยสติพุโทพธโธุโธนี่เดี๋ยวจิตสงบแล้วจะจ ะ, จะเห็นความมาส จ, จาั์ของจิตเลยนะที่มันปล่อยวาค่ะ มา น, นั้นก็เลยไปไปไม่ถึงท่ะพระอาจาททรย์ตอนแรกก็พุดโธพุดโธไปพูดโทมาโอ้ยเจ็บถ้ามัน <laughs> ถ้ามันเบื่อพูดโธรไปลองสวดทิปปิโสไปหนูไม่มไดท้ที่ยาวขึ้นใช่ไหมครับอยาวขึ้นแล้วมันต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเลยพุดโธมันง่ายเกินไปก็อาจจะกลับเข้ามาใช้ทิปปิโสปะวาสัมมาสัมพุทโธแต่ยังไงก็คนที่จะหัดนั่งพื้นที่มัน อย่ไปนั่งนั่งสบายเพราะช่วงหนึ่งของความเจ็บมันจะทําให้เราต้องมีสติมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับกับมันได้แต่เราอยู่สบายมันก็ไม่ต้องใช้สติมากเอาความเจ็บนี่มาเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องสร้างสติขึ้นมาอย่างไค่ะเพราะว่าเดิมนี่มีแต่นั่งบนที่นอนค่ะก็ไม่ค่อยเจ็บนั่งได้นานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะกระเสือมบนที่นอนหรือนปะ ไม่ค่ะนั่งใต้คอนโซลมีเบาะไหมทำไมนั้นไีค่ะเดี๋ยวนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามฝึกให้ให้ให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกสติพอเอ็นไปฟังธรรมะของพระอาจารย์ค่ะเราก็ได้ยินที่พระอาจารย์ได้พูดคุยกับกับเดียวบางท่านพูดเรื่องของสติเรื่องเรื่องของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระให้แบบนอกจากศีลแล้วก็ยังมีความความงาม ของการปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะว่าไม่ต้องทําอะไรที่มันรีบทําอะไรอย่างเช่นล้างถ้วยล้างชามอะไรเงี้ยก็ไม่ควรที่จะมีเสียงก็เลยเอ้ยเราบางทีเราก็มีเหมือนเรารีบอยู่เนาะอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังก็เลยมีสติมากขึ้นค่ะอาจารย์ค่อยๆทํามันก็ดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ค่ะการทำอะไรไม่ให้มีเสียงนี่มันต้องใช้สติมากขึ้นต้องมีควระมัดระวังมากขึ้นค่ะก็เลย ได้เอามาทำค all ่ะพระอาจารย์ก็เดีพยายามปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปค่ะดีมากเข้าใกล้เข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะก่อนตอนเริ่มต้นเราไมยรู้เรื่องราวบลนี้เลยใ่ะหมหนี้รู้เรื่องมากขึ้นรู้รายละเอียดมากขึ้นค่ะค่อยค่อยๆเติ่อออกไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะดไม่มีไม่มีคาถามแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุค่ะ คุณยินดีจากอเมริกาเล ย, เยจากเซาแคลิฟอร์เนนะสวัสดีค่ะท่าอาจารย์แล้วก็เดวิดฝากฟาร์มคิดถึงมาท่านท่านอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็อบอกว่าให้บอกท่านอาจารย์มากขอให้พระอาจารย์สุขภาพาแข็งแรงค่ะหเหมือนเดิมเราบอกบอกเขาว่าเมนซี่บอกกูขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ ถ้าอาจารย์คะช่วงนี้เป็นช่วงสงการที่เป็นช่วงมีงานเทศกาลสงการนะคะเขาจะมีคําว่าชักบางสกุลลูกก็เลยอยากจะถามว่าเอคําว่าไอ้ชักบางสกุลกับเอการกวดน้ําธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงครับท่าอาจารย์คือคําว่าบางสกุลก็คือการถวายผ้าผ้าผ้าป่าผ้าป่ามันมีคําว่าผ้าป่านี่มันมาจากคําว่าป่าชาคือสมัยก่อนเนี่ยพระ เวลาจะหาผ้ามาทำจีวร น, นี่ยุคแรกๆไม่มีการถวายผ้าใช่นี่สมัยก่อนธรรมเนียมของเวลาคนตายนี่เขาไม่เผาไม่ฝังแบบเขอาผ้ามาห่อศพแล้วก็แ บ, บกไปที่ว้ในปา่าชาแ้วปล่ให้ศพมันเน่ามันเปื่อยมันแล้วพอลังจนากนั้นผ้ามันก็เลยมันก็เลยไม่มีใครใช้ถ้า ที่นักบวชเขาก็เลยไปเก็บผ้าเหล่านี้มาทําเป็นทีบบนผ้าอันนี้ก็เรียกว่าผ้าบางสกุลหรือผ้าป่าควาหมายก็คือก็อเลยเวลาเราทําบุญเกี่ยวกับคนตายเ้าก็เลยมักจะทําเรื่องผ้าป่านี้กันใ น, น, นนะเวลามีงานศพนี่จะมีการไปชักผ้าบางสกุลผ้าที่ขอศพ แต่สมัยนี้มันไม่มีห่อสพแล้วศพอยู่ในโรงเแลาวก็เอาผ้าจีวารสำเร็จตัดเย็เสร็จแล้วไปวางไว้บนฝาโงนงได้พาไปเป็นปรหยิบมาค่ะแล้วแล้วแล้วเขา เ, เขาบอกว่าให้แบบคือทางวัดอะค่ะเขาบอกว่าให้เขียนชื่อนามสกุลผู้ตายอะค่ะแล้วก็ใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษนะคะ ล, ลอันนั้นก็กเป็นเป็นเป็นอะไรนะ เ, เป็นเป็นเป็นการ เป็นการทําให้ม <aras> ันร uh, uh, uh, uh, ู้สึกว่ามันถังขึ้นนั่นเองนั่นเองมันก็คือการอุทิศบุญเหมือนที่เราทำใช่ใช่เห็นไหมใส่กระดาษนั่นดีดีมไม่ดีให้เอาไปเผาอีกทีได้ส่งให้สมการเขาบอกว่าคือปีนึงอะค่ะเขาจะมีแค่ทั้งเดียวค่ะคือช่วงสงการเนี้หนูก็หนูก็เลยเอ๊ะฟังแล้วมันมันแล้วมันคืออะไรมันต่างจากไอ้อุทิศเออไม่ไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าอ่า ในช่วงสงการนี้เป็นธรรมเนียมที่เราจะทดแทนบุคุณผู้ที่บิดามารดาผู้ย่าตายายของเราที่ลงรับไปแล้วด้วยการทําบุญผ้าบางสกุลอ๋อค่ะาอาจารย์ความจริงทําบุญอย่างนี้ก็ได้สรงฆทานก็ได้สายบายก็ได้เห็นว่านะเราก็ทำเป็นรูปแบบนี้เราก็เลยไปยึดไปติดรูปแบบนี้ว่าเวลาจะทําบุญให้คนตายต้องทำบ้าผ้าบางสกุลอย่างนี้อ๋อค่ะ ค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณบป็ยางสูงค่ะท่านอาจารย์อาจารย์เป็นไปได้ช่เมื่อกี้เห็นเล็นอนุกูลเข้ามาอนุกนลเรามาสักการค่ะเดินไปเดินมารอพระอาจารย์อยู่แถวนี้ยค่ะเช้าที่เมื่อช้าที่เมื่อวานเช้าเพื่อนเพื่อนสองเพื่อนอาจารย์มาสายไปกันสอคนคนนี้กันมาปฏิบัติธรรมรันเขา ไปทั้งคู่เหรอคะนะมาทั้งคู่อ๋อดีจังวันนั้นก็ถามกันว่าไปหรือเปล่าเ<ต>พราบอกยังไม่ได้วนนี้มาเมื่อเช้านี่หรือเม่านนี่จำไม่ได้ทุกวั น, วนมันเหมือนกันเลยจวันไม่ได้อนกันผมไปช่วงหลังสงกรานแล้วละคะ่ะวันนี้ไม่ได้คุณวนันนี้อาจจะเป็นเมื่อเช้านี้ก็ได้หรือเมื่อวานนี่ก็ได้ค่ะ ก็โนุโมทนากับเขาด้วยเพราะเขาก็ปฏิบัติกันอย่างสม่ําเสมออยู่แล้วนะคะ อ, ะอเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกจะไม่ได้ขึ้นแบบบนเข่าวนะค ะ, ะเขาบอกว่าอก็ปฏิบัติกันเอกที่บ้านอยู่แล้วทุกคนก็ทําเหมือนเดิมค่ะเพาวันนีถ้ถ้าที่บ้านเราสงบไม่มีอะไรรบกวนใจก็ปฏิบัติที่บ้านเราเดินไปเราก็ปฏิบัติของเราได้ สอบเมียบแล้วนะคะอยู่ที่บ้านค่ะค่ะไม่มีคำถามอะไรค่ะพระอาลร์เปิดโอกาสให้ท่านอื่นค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะแบบเออถ้ามีลูกหลานเหมือนเด็กๆทั้งสามทั้งห้าอะไรนั้นคะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาด้วยอ่เพราะว่าเออปอคิดได้เร็วมากอรย่างเี้นะคะอยากให จะน่าจะสอนลูกเราได้บ้างลูกหลานเรบ้างมันไม่มีให้สอน <laughs> <laughs> ไมไ่รู้เน้นแ ล, ลนะ้ลูกหนะลานเนี่ยทังลูกหลานทางจิตใจแต่ร่างกายอาจจะเป็นร่างกายอาจจะเป็นพ่อ <laughs> เป็นผู้เป็นตาเป็นเรแต่จิตใจยังอาจจะเป็นเด็กอยู่นะทำๆใช่สอนเราเอง <laughs> ถ้าไ ม, ามนรู้จักมงคลถามจิตใจถือว่ายังเป็นเด็กอยู่ <ผม S 1> <laughs> ถามคนข้างๆกัะเนี่ยคนข้างๆกันไปด้วยเรื่อยๆันเล็กคนน้อย อมัก็มาเจออย่างนั้นนหะมาเจอคนข้างๆก็ <c oughs> เรียนอยู่ครับ <c oughs> เรียนอยู่ <c oughs> วันดินลอยเด็กโร ง, <c oughs> งเรียนข <c oughs> นาดเ็อย่างนี้เขาดีดีทั <c oughs> งนั้นตอนศึกษ า, า, าวิทาศา์เราจะมีคำ น, นิเสธขงพรกเจาในฉลาดแหลมคมอบครอบทุกเรื่องทุกอย่างค่ะแบบ เรียนเรียนรู้อะไรเล็กแล้น้อยนะคะที่มันสึมทราบไปเรื่อยๆนะคะก็มันก็คุยกับผู้คนยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถจะอธิบายสิ่งที่เรารับทราบลงไปลึกๆเนี้งนะคะได้ดยกเว้นเราจะพูดคุยกับคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันจะคูยกันได้ไ ด, ได้รู้เรื่องเพราะเราจิตใจก็มองไม่เห็นด้วยตาเท่าอะไรในดลค่ะ เราคิดว่าจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็เป็นไปพูดเขาก็ก็อืมไม่เข้าใจอะนะคะเราเราก็งงง่ายไม่ถึงอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเายังแยกไม่ได้ยังว่าเราก็พยายามที่จะไม่ยึดไม่ติดเนีนะคะว่าอะไรเป็นของเราในแต่ตัวเราแล้วก็พยายามสุดให้มากที่สุดเพื่อเพื่อมันจะได้หลุดหลุดออกไปนะคะจากความห่วงทั้งหลายใช่ รมันเป็นความทุกขนะ์น<ช>ึ่คือ่วงแล้วมันทำให้ใจออกทุกข์บินไม่ได้นอไม่ไัโอเคนะขอบคุณกรรมนวมาสการ์าค่ ะ, ะคุณหมอสุธาเสน์อยากขอทวมทานดีมาสการ์ท่านผูน้าจารเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค้ามงคลสามสิแปดประการอันเน็ก การเห็นแปลความหมายได้อย่างไรเจ้าคะวันนี้เสียงของคุณน้องขาดขาดไปลองพูดใหม่นะในมงคลสามสิบแปดประการอ่าในข้อที่ว่าการเห็นส ม, มณะแปลความหมายได้อย่างไรเจ้าคะส ม, มณะก็คือผู้สงบนะส ม, มณะนั่นแปลว่ า, วา ผ, ผู้มีความสงบก็คือหมายถึงพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่เป็นส ม, มณะที่แท้จริงนีพระพุทธศาสนา เป็นผู้สงบระงับจากความโลภโกรธหลงนั่นเองถ้าได้เห็นก็คือได้พบปะได้พบปะแล้วก็มีโอกาสได้สนธนาการนึกฟังคําศั่งคาางําสอนทุกท่านเป็นมงคลถ้าเห็นยเฉยมันกมน็มันก็ไม่เห็นรูปภาพก็ไม่มันก็ไม่น่าประโยชน์อะไรที่เราเห็นรูปภาพถ่ายของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี้มันไม่ได้ประโยชน์เอามาเห็นไี่หมายถึงการได้ได้ยินได้ฟังทาจากท่าน ได้เห็นท่านแล้วก็ได้ได้สนทนาธรรมอแล้วมีคําถามอยากจะถามอะไรนี้หรือว่าอยากจะให้ท่านอยากจะฟังเวลาท่านแสดงธรรมก็ฟังไปถ้าอย่างเงี้ยเปิการเห็นที่ครบบริบูรณ์ถ้าเห็นเฉยๆเช่นไปสายบายกับภาพ้าระยะบุคคลใส่เสร็กลับบ้านก็ไม่ได้อะไรมากเพราะเหมือนกับสายบายกระเพ้าธรรมดาคนธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ไปได้ยินได้ฟังคําสั่งของสอของท่าน การเห็นน่าต้องได้ยินได้ฟังคําสั่งคำสอนท่านด้ยถึงจเห็นได้เห็นอย่างครบหมดเลยดีเข้าใจนะเจ้าค่ะบางคนบอกว่าไปทำบุญกับผ้าอันได้บอญเยอะก็กลัวกันไปใส่บาศักดิกลับบ้านไม่อยู่ฟังธรรมต่ออันนี้ก็เหมือนกับไปใส่กับผ้ารูปไหนก็ได้เหมือนกันได้แต่ทานแต่ไม่ได้ปัญญาการก็การเห็นธรรมนคือการเข้าถึงพระ อริยบุคคลแล้วก็มีสองระดับเลยการเห็นธรรมะเห็นเห็นพระอริยบุคคลภายนอกคือคนอื่นและที่ดีกว่านั้นก็คือเห็นพระอริยบุคคลภายในก็คือใจของเราที่กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นเห็นแล้วนี้ได้ยิ่งดีใหญ่เห็นว่าใจของเราตอนนี้เป็นโสตดาวรานะใจของเราเป็นสกิณาคาเป็นยานาคาแล้วเป็นอาราหันอันนี้นะยิ่งจะถือว่าเป็นมงคลยิ่ง แต่เบื้องต้นเราอาจจะต้องอาศัยการเห็นพระอริยบุคคลภายนอกก่อนพเพื่อทียจะได้เรียนรู้จักท่านว่าจะทำไงให้ใจของเราเป็นพระอริยบุคคลภายในขึ้นมาอีกทขอบคุณเจ้าค่ะน้องรับไปปฏิบัติเจ้าค่ะโอเคถึงเป็นจีจากแม่เว์ยงอเม s ิ l เ e r Spring งนะมณนสการค่ะอออยู่เกตส์เพิร์ทค่ะการก็ใกล้ๆกันค่ะค่ะคนไทยคนไทยอยู่เยอะหมคนไทยอยู่เยอะคนไทยแถวถ้าไทยลรแว่นี้ก็พอสมควรนะคะเพราะว่าถ้ามีงานวัดก็ก็จะมีคนไทยมาพอสมควรนะคะอย่างน้อยยมก็จะเจอกันบ่อยเวลาไปชอปปิ้งไปอะไรอยนมจะเจอคนไทยแถวบ้านยม เห็นบ้างถ้าเราถ้าเขาพูดภาษาไทยโยมก็จะได้ยินค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แถวบ้านแเวี้นนแลมคนจีนเยอะใช่ค่ะคนจีนเยอะมากค่ะคนจีนเยอะมากๆอย่างโรงเรียนโรงเรียนลูกของโยมนี่คืออคนจีนห้าสิบเปอร์เซ็นเลยอะค่ะโรงเรียนราฐธารนี่ย โรงเรียนรัฐบาลค่ะคือโรงเรียนรัฐบาลที่นี่ของที่ลูกชายยมไปเขาชื่อวูดวูดตันใช่ไหมคะ w o โอวูโใช่ไหมคะวูดตันใช่ค่ะแต่แต่เพราะคนจีนเยอะเขาก็เลยเรียกว่าวันทันวันทันก็เนเกียววันทันวันทันสกูใช่ค่ะก็ค่ะก็ก็ดีค่ะรู้สึกอบอุ่นเหมือนเสมือนคล้ายๆเมืองไทยเพราะว่าคนเอเชียเยอะค่ะก็เลย ก็เลยได้ของกินได้ผลประโยชน์จากเขาด้วยเพราะว่าเป็นของเอเชียเยอะเหมือนกันค่ะมันก็เลยพวกผู้แทนพวกนายกเมืองอะไรเขาเป็นอะไรคนคนเชื้อชาติเอเชียเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่ะยังเป็นฝรั่งอยู่เลยค่ะรจารย์สเออเดี๋ยอืมค่ะเป็นเป็นฝรั่งอยู่ค่ะพระจารย์คิดว่าสามารถเลื่อนชาเอเชียเข้าไปทำทาหน้าที่ได้บรยหา ก็จะ ม, มีมีบางตำแหน่งมีบางตำแหน่งค่ะที่ที่โยมเห็นก็คืออย่างตอนนี้เขาจะมีป้ายปักแบบให้เลือกแบบเออไม่ใช่เป็นนายกนะคะแต่เป็นแบบเหมือนคณะกรรมการบอร์ดบริหารการศึกษาขเคชัยชค่ ะ, คะรหรือว่าเออค่ะก็จะมีคนจีน มีแค่คนอินเดีย ม, มีมีหลายๆชาต์นะคะถ้าดูนามสกุลแล้วก็จะแบบแปลกๆก็คือไม่ไม่ใช่คนขาวอะคะอ่ะก็จะเริ่มเปิดรับมากขึ้นก็ดีหน่อย ะ, ค, ะาาค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็โยมก็จะมาอัปเดตว่าตอนนี้โยมยังไม่ได้กินชานมไข่มุกมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะอาจารย์ได้ไม่กินหนึ ง, นงอาทิตย์ได้มันมั น, น, น, น, นมก็ต้องไม่กินตลอดน่ะ พระจันทร์เดี๋ยวก่อนโยมโยมแบบพอเวลาผ่านหน้าขับรถแบบมันยั่วกิเลสมากเลยโยมไดเห็นเห็นหน้าเห็นป้ายร้านก็โอเคหน้าะระจานทร์ลอยมาเห็นป้ายร้านหนรันเหมือนเป็นยันเป็นยันทามไว้โยมคืออะไะกันทำไมไม่คิดว่าเรากำลังดื่มทำไมเราไม่คิดว่าเรากำลังดื่มปัสสาวะเนี่มันก็ออกมาใช่ไหมเออใช่น่าจะคิดแบบนี้นะคะเอางั้นขอบเป็นกันบ้านเอาไปคิดแบบนี้ดีกว่าค่ะ กินแล้วเดี๋ยวเขาเหมือนน้องๆไม่ใช่น้องๆแล้วเขาเขาเป็นรุ่นลูกๆยมแล้วลูกละหลานเขามงคลสามสิบแปดยมมงคลสามสิบเก้าอีคอินอะไรก็เหมือนแว่าเป็นปฏิกูณหนึ่งหมดเห็นอะไรเป็นปฏิกูณหนึ่งเนื้อต้องขำทายของที่เข้าไปทาง่ากที่ต้องบอกว่าทางคน โอ้อันนี้คือสุดลับของการผอมลดน้ำหนักเลยนั่นแหละทุกครั้งที่คิดถึงของที่เราจะเข้าเปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาสังก้นนะโอ้ยไม่กล้ากินเลยดีัหยดีไหมดีไหมอาหารเรียนควคู่กัสัญญาเนี่ยเราต้องแตได้วยการว่ากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแล้วก็ยังพอกินได้อยู่ค่ะ เจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็จะมาฟังทุกท่านที่คุยกับพระอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะที่เป็นล้มโพ ล, ล้มไส้แล้วก็เป็นพระอาจารย์กับลูกห ล, ก ล, กลานห ล, า น, ลานและญาติโยมทุกท่านค่ะญาติโยมเชอริมทานเยอะไหมเริมทานวันนั้นเขาชวนไปวัดอยู่ค่ะโยมไม่เจอเจอมา่อสอาทิตย์ที่แล้วค่ะโยมเอานังนนสือธรรมะ ข, ขอพระอาจารย์ไปให้คงจะเข้ามาทีหลังอาจจะเข้ามาค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็งาน ใช่ค่ะแปดแปโยมเข้าแต่เขาเขาฟังรู้วเวลาเธอจะเข้ามาใช้สายเข้ามาปายปลาใช่ค่ะใช่ค่ะโยมมาเข้ามาตั้งแต่แรกนะคะแต่บางทีโยมปิดหน้าจอมันก็เลยจะเหมือนกับระบบมันก็เลยจะให้โยมไปอยู่หลังสุดเองทาโทษว่าปิดหน้าจอประมาณน<ช>ี้มั้งคะ<ช>ค่ะแสดงว่าไม่ต้องการจะพูดไนถ้าไม่พูดเขาก็ปิดหน้าจอก็ก็ให้ไปท้ายแถ้าคนอยากจะพูดต้เปิดหน้าจอ โอเค่ะใช่ค่ะโดยงบไม่ไม่เสียค่ะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะไม่ทะเลท่ายค่ะจะเดี๋ยวพูดโธไปด้วยทางานไปด้วยเลยปีกันไม่ยุ่ไหมดเลยคะเชคุณหมอตอบคุณมอท่านสนะจากกทมตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเล้ยงอยู่ปานอยู่อยู่บ้านค่ะพระอาจารย์กำลังเคลียร์งานเดี๋ยวจะไปวัดถ้ำเต่าเดือนหน้าค่ะบุนีนะคะ ใช่ค่ะพระอาจารย์คะก็เดือนอาทิตย์อาทิตย์นึงที่ผ่านมาก็ก็คือดูดูใจแล้วก็พอมันเข้าคือแบบใช้ทำสัพเพ昙านตตาพระอาจารย์มันก็เลยทําให้เหมือนว่าใจมันใกล้เข้าม า, าใกล้ๆหน่อยเพราะอที่จริงแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ฝึกเอเริ่มดูใจน ะ, ะให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ทําเมสสะทำเมทำสัพเพธานตตาเนี่ยมันทําให้เราเริ่มเหมือนกับว่า ปล่อยเหมือนกับว่ามันเห็นว่าเออไม่มีตัวตนอะไรมันก็เลยไม่ลดความอยากได้ก็ตอนอาทิ mmm kind of okay pues to to два. ตย so ์ที่แล้วยังยังยังคุมเรื่องความโลคความโกรธความหลงยังไม่ยังไม่กระเพื่อมนะคะแต่ว่าพยายามดูให้มันละเอียดขึ้นค่ะอาจารย์ก็ก็รู้สึกดีค่ะยังคุมได้อยู่ค่ะอาจารย์นั่งสมาธิเดินมันเดินแล้วก็ไปอ่านห่วงโป๋ที่พระอาจารย์บอกนะคะก็อ่านในอ่านจบแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันสรุปประมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆเหมือนกับที่เหมือนกับว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเป็น สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะไหมคะพระอาจารย์คือทําทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือบรรยายเป็นว่าที่ท่านสอนนี่เหมือนกับว่ามันไม่มีตัวตนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เลยเอามาใช้ด้วยสรุปอย่างนี้ไม่ทราบถูกหรือเปล่าก็คือทำนี่หมายถึงสิ่งต่างๆไม่ใช่หมายถึงคําสอนคําสอนนี่ต้องยินใจหมายถึงใจหนึ่งอะไรเนี่ยค่ะใช่ไหมคะ คือสิ่งนัมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีการดับไปสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่ยึดแต่ถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนี่เราเราก็แล้วก็ชวอจะว่าจะไปไม่ยึดหรือไม่ยึดก็ไม่ยึดยดหรือไม่ยึดก็ไม่นาเพอมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเช่นความว่างอย่างนี้เพราะมันเป็นความว่างมากเลยก็คือไม่มีไม่มีตัวตัวไม่มีอะไรมันก็เลยมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่า เหมือนกับทําให้เราคุมเรื่องความความทําให้มันไม่อยากทําให้เราเขา้าเข้าใจตรงนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยเอามาใช้อย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์คือทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันไม่มีเราคือพเอาแต่สิเอาการห้ามนี่ก่อนแต่อยาไปกั <c oughs> งวลกันกรแรมากดูเสียงยินตอแล้วดูเวทนาสัญญาสังขารมีงานเนี่ยฮะหรือคนรอบข้างเราเสียงรอบข้างาบ้านเราอะไรเขาพูดเนี่อย รูปเสียงยินเล่าต่างนี่ไอ้ที่เราอยู่นึกไปกันนั้นไม่ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงมั้งเพราะถึงที่นั่นถ้ามันจะรู้เองเข้าใจก็ใช้ก็ก็ทอ่ทองบทสวดได้แล้วนะคะอ า, อายะตัตอธิจัปปริยายัสวดนะพระอาจารย์ก็ใช้อันนี้คุมอยู่ทุกวัน <c oughs> แล้วก็เสิร์ฟสาวาลีแล้วก็แปลได้ก็ทําให้เข้าใจขึ้นนะพระอาจารย์พังอาจจะเป็นการทำการานั่งอยู่ยังไม่ได้ไปเจอ <c oughs> เจอก็สอบถ้าเตรียมไว้ก่อนแล้ ว, ลวกัน มีจข้าสาจอสอบกจรู้เองค่ะเยอะๆก่อนพะอาจารย์ค่ะได้ค่ะค่ีเพระอาจารย์รสค่าดันนะครับจากวันน่าสุดขานกราบ น, น, าา น, บนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีท่านอาจารย์พูดถึงมงคลสามสิบแปดประการพอดีลูกเคยสงสัยเหมือนกันเจ้าค่ะบางบางอันอย่างเช่นพาหูสัต จันจากศิปัญจา ก, การศิลปาศาสตร์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบเขตของศิลปาศาสตร์นี่แค่ไหนครับมันไม่ใช่ทางศึกษาทางโลกใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ก็คือการศึกษาทางโลกนี้เป็นระดับของคาว่าอยู่ก็ต้องมีวิชาคามรู้ต่างๆอ๋อมันก็ถือเป็นมงค ล, งคลด้วยเหมือนกันใช่คนที่เรียนหนังสือจบปริญญานี่มันมันได้ได้ประโยชน์สูงมากกว่าคงที่ไม่เรียนไม่จบอ๋อ แล้วก็อีกข้อหนึ่งเจ้า่าพระอาจารย์ที่รู้สงสัยคืออัตตสาสัมมาปานิทีจ่ะนะคะพระอาจารย์ที่ อ, อยู่ในที่ที่เหมาะสมอันอันนี้ขอบเขตคือยังไงเจ้าคะเหมือนกับว่าอยู่เหมือนรู้กาลเทศะหรือยังไงหรือเปล่าเจ้าคะหรือยังไงเจ้าคะก็นั่นแหละครับก็จะเป็นอย่างนั้นคือให้เรารู้รู้ตัวเราว่าเราเราเราอยู่ในฐานะไหนที่ไหนหเวลาใด อใืในในในนมอยู่กับพ่อแม่แล้วก็เป็นเป็นลูกอย่างเงี้ยอยู่กับลูกแล้วก็เป็นแบบพ่อแม่อะไราเนี้ยเรต้องต้องรู้จักการวางบทบาทของเราให้ถูกต้ออยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยล้วก็มีบทบาทเนี่อ๋อเข้าใจแล้วจ้าปรับอาจัดไม่ใช่สมัยนี้ถือเสมอกันหมดพ่อแม่ พ, พี่น้องปุ้ยญาติยายเพื่อนฝูงเท่ากันหมดอย่างงี้ไม่ใช่ เขาเคยได้ยินเหมือนกันเจ้าค่ะว่าเด็กเขาจะบองว่าลูกเนี่ยพ่อแม่ทําให้เกิดมาพ่อแม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูอย่างนี้เจ้าค่ะกลายเป็นลูกผิดผิดเลยเจ้าค่ะอ๋อค่ะให้ให้รู้ฐานะตัวอรู้สภาวะฐานะตัวเองอ๋อเจ้าค่ะคืปฏิเสธคามสําคัญของพ่อแม่ผู้เน้นดูผู้ให้กับ กับก า, า, า, ารเป็นเขาอ้าเป็นเหมือนเป็นคนรับใช้เราที่ให้กําเนิดเขามาเพราะว่าเป็เกิดมีการมาลงแลอยากจะร่วมเพศกันแล้วเลยทําให้เ้าเกิดมาแล้วเลยต้องรับผิดชอบให้ดูเขาต่อคิดกับตารปฏิบัติไปหมดทั้งวันค่ะแต่แต่ลูกก็ชอบที่พระอาจารย์สอนเด็กๆว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงดูเราต่อก็ได้นะเอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยเจ้าค่ะเผื่อจะเอาไว้สอนลูกหลานด้วยเจ้าค่ะคือ ถ้าเขาเอาอะไรนะเอาอะไรยัดคุมหัวไว้ไม่ให้<ม>หายใจหรือว่าเอาไปทิ้งขยะ<ช>ลูกก็ไม่ได้สามารถเติบโตขึ้นมาได้อันนี้ทำให้ลึกซึ้งมากเลยเจ้าค่ะคระอถ้าม <ขอ S 1> <ร>ีเขาขึ้นมาเยอะแยะไม่หมดไม่ได้ค่ะแล้วก็ทิ้งทิ้งถงขยะจับขวหน้ำบางทีก็ทำแท้งอะไรอย่างเี้ยอ่าใช่เจ้าค่ะะอาจารย์ สำหรับคำถามมีเท่านี้เจ้าคะ่ะก็รายงานพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอนุบาลในส่วนของการเจริญสติคือพยายามมีสติในช่วงที่ทํางานบ้านให้มากที่สุดแต่ยังไม่ได้ตลอดเวลานะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เนี่ยมันให้มันเป็นสมบัติชัญนยากขึ้นมนะาให้ไดค่ะมั น, ม, นมันยากยากไหมมันมันความเผลอมันเป็นความเคยชินใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เลยหลุดไปตลอดเวลาแล้วก็ต้องดึงมันมาตลอดใช่เราชอบรอย ชอบเกีวกับกระแสะอารมณ์ความคิดต่างๆค่ะเพราะว่าตอนเดินจงกรมเนี่ยไม่เป็นไรตอนฟังธรรมไม่เป็นไรเจ้าค่ะอาจารย์ตอน<ช>ฟังธรรมก็มีเข้าเข้ารวังบ้างแต่ก็อ่าตั้งสติขึ้นมาได้แต่ตอนทํางานบ้านนี่มันหลุดไปง่ายมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์เอาน่า แ, แต่เตือนขึ้นมาเลยเตือตั้งแต่ริืมตาขึ้นมาเลยตั้งสติตั้งแต่ยังนอนอยง่บนเตรียมเอนเรื่องรู้สดูที่ร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังขยับกาลัง เยายาบทุยังกำลังยืม่กำลังเฝ้ามันเลยไม่พุทโธพุทโธไปไหนกันนะอยากขอให้มีเลยค่ ะ, คค ะ, คะก็ก็ตอนแรกพยายามจับอายาบทไม่ได้ก็เอาพุทโธมาช่วยอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ก็อพอพุทโธมีพุทโธมันก็ดีขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นเป็นมันเชื่อเส้นอคอยดึงใจไว้ค่ะก็ก็ก็ดีขึ้นก็ก็พยายามพยายามในในการเดินจงกรมก็พยายามใช้พุทโธให้มันจํา เหมือนกับสร้างความเคยชินนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ให้เขาดูขึ้นมาให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาเอาไปมจะการเป็นนิสัยขึ้นมาเจ้าค่ะคือเดินจงกรมถ้าตอนแรกเนี่ยลูกจะสวดวนยาวก่อนแล้วก็ค่อยมาพุทธสั้นๆยาวเป็นชั่วโมงอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพื่อเพื่อให้เผื่อแบบตอนช่วงทํางานบ้านจะได้ติดพุทธมาด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่เวลาเดินจงกรมนี่นะเหมือนกันเรารู้ว่าเราขึ้นแมททีแล้วเราต้องเราต้องตั้งการนะใช่ไหม แต่เวลาทางานอย่างอื่นเรายังไม่ถือว่าเราขึ้นเวทีใช่ไหมแล้วหมอเราแล้วเราหม อ, ว, อว่าตั้งแต่รลืมตาเรื่องงานนี้เราเริ่มขึ้นเวทีเลยเรา<อ>ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเจ้าค่ะไม่ใช่ทำมร อ, อเดินจงกรมก่อนเรือรอมานั่งสมาธิก่อนอยังมาตั้งสติอย่างมันก็ไม่ทันค่ะสะตินะไมัน่าบอกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราเราต้อง เริ่มสติแล้วก็นั่งเร่นท่าสูอเวทีนะขึ้นเวทีนะค่ะเวทีน้ำทกับกีเลสค่ะกับกีเลสว่าไหนใครใครจะแพ้ใครชนะถ้าแพ้แล้วก็กีเลสก็ชนะไปเจ้าค่ะข้าพเจ้าเข้าใจเจ้าค่ะวพระอาจารย์น้อมรับเจ้าค่ะวพระอาจารย์สําหรับวันนี้ลูกนี้เท่านี้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ แต่ล้วเราต้อ ง, ต, องตั้งความเข้าใจทำความเข้าใจมาแต่ทีนี้พอเราลืมตาขึ้นมานี่เราต้องปฏิบัติการปฏิบัติของเราเริ่มตั้งแต่เดินตาขึ้นมาแล้วก็จะหยุดปฏิบัติเมื่อเรานอนหลับไปทั้งแต่ตื่นจะหลับนี่ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะมันถึงจะทำได้แมเมื่อตอนนี้ยังไม่ปฏิบัติยังไมไ่นั่งโยกองยังไม่นั่สมาธิยังไม่เดินจักรกะ ก็ทะเลทลายคิดด้วยตัวเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปค่ะนั่นเราบอกว่าตั้งแต่ลืมตางขึ้นมานี้เป็นการปฏิบัติเป็นเหมือนกับการเดินจยกยกลเหมือนกับการนั่งสมาธิจะขาดพระอาจารต้องทำทาเข้าใจบอกตัวยอะไรอย่างนี้ค่ะน้อมรับเจ้าขาพระอาจารย์กับขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอมาคุณขมลขอบคุณจจาามาลิกา นวัตกรรมพระอาจรย์ค่ะอะไรยังไงค่ะก็วันนี้อยู่เทีใช่ไหมพวกพวกหนูอยู่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นใช่ค่ะก็วันนี้ก็คือเข้ามารับฟังคำถามแล้วก็ได้ข้อคิดหลายๆข้อคิดกลับไปค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างเรื่องมงคลชีวิตสามสิบแปดก็ฟัง ฟังเทศทุกวันนะคะก็ไปถึงว่าฟังบทสวดเนี้ย ก, ก็คงคิดว่าคงจะต้องเริ่มไปใส่ควแปลในหนังสือสวดบนเวลาเราสวดก็คือจะได้ระลึกแต่ละข้อไปด้วยค่ะพอดีตีมวันนี้เหมือนกับจะมีมงคลสามสิบแปดเยอะโดยส่วนตัวเราคืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ว่าอย่างข้ออนาคุลาจกรรมมันตานะคะที่ไม่คังค้ า, าไม่คังค้า ง, างามีงานต้องทำํำก็ทำอย่างเวลาซัดผ้าเราซัดผ้าไม่ใช่แล้วี่เก็บแล้วนี่ที่ไม่กอดที่ทำให้มันเสร็จงานอะไรที่เราต้องทํานี่ทำเสร็จคืออย่างในอย่างในชีวิตปัจจุบนันหรือว่าอย่างในอาชีพบางอาชีพเนี่ยคะ่ะ ที่มันก็คือจะต้องมีงานที่มันเป็นงานตามตัวอาชีพด้วยเนี่ยในบางทีมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโหลดงานมันมันเยอะแล้วมันเคลียร์ไม่ทันบางทีมันก็มีมันก็มีความดินพ่อหางหมูอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยเหมือนกับบทนี้มันก็คือจะขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะพยายามที่จะจัดการตรงนี้ให้ได้เยอะ ใล้รู้จักประมาณในการทำงานรู้จักกำลังของเรารู้จักเวลาของเราว่าเรามปให้เท่าไหร่ทำตามกนนําลังของเราอย่าล้มมากไปตายไปเก็ออกไปไม่ได้คองด้วยไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังออรับกรรมจากที่ทำเดิมมาก็พยายามเปลี่ยนไปแล้วก็ แล้วแล้วเราก็คือจะนึกถึงตรงนี้ให้มากขึ้นไม่ให้มันเกินกําลังตัวเองจนเกินไปนะคะ่ะนอกจากนั้นบางช่วงมันจําเป็นจะต้องทุ่มเทกับทุ่มไปเพื่อให้มันได้สิ่งที่เราต้องการแต่พอได้ถึงจุดนั้นแล้วเราก็ต้องพยาามปรับให้มันเข้ามาอยู่ในในความพอดีค่ะก็นอมรับไปไปปฏิบัติค่ะก็คือจะนำทําตรงนี้ ไปพร้อมๆไม่ทิ้งทางธรรมะด้วยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าได้ได้ไดมีการฝึกสติได้ได้ฟังธรรมะได้ฟังข้อคิดเชิงธรรมด้วยแล้วเนี่ยก็ก็มาช่วยเหมือนกับฟีดแบคมาเตือนสติตัวเองในหลายๆเรื่องด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องทำงานก็ต้องต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยที่มีเซสชั่นประมาณนี้ก็ <S <S <S <S ช่วยได้เยอะเลยค่ะ พยายามแบ่งเวลาหา้ ก, กับการปฏิบัติธรรมว่าต้องเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีความสำคัญมากกว่ากับการทำงานธุรากิจที่เรื่อยๆไปค่ะตอนนี้เริ่มเห็นแล้วจริ ง, รงๆครัขขบขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะค่ะก็ของผมที่ม<อ>ีปัญหาเรือ่อง depression ก็พยายามที่จะ ฝึกกำลังสติขึ้นมาแต่ว่าก็รู้ว่าสติตัวเองอ่อนนะครับแล้วก็ด้วยก็แต่ทำให้สังเกตเห็นได้ว่าด้วยสภาวะ depression ของผมเนี่ยมันทำให้บา ร, รมีเรื่องอธิษฐานกับสัจจะของผมเนี่ยมันอ่อนมากเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่ depression เข้ามาครอบงมก็คืออะไรที่ตั้งใจไว้มันก็ายไปหลวล้มเหลวไปยาไปอย่ไปตั้งมากกว่ากำลังของเราเลยนะ ครับก็ต้องขอพบพระคุณพระอาจารย์ครับที่มีเซสชั่นนี้ก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจการที่ได้มาฟังพระอาจารย์แล้วก็ได้เข้ามาในเซสชั่นนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับตั้งใจให้เป็นสเกจดูของตัวเองะครับแล้วก็ทุกอาทิตย์ที่เข้ามามันก็เหมือนกับเหมือนเหมือนใจที่สติถึงตัวสติของตัวเองอ่อนลงแต่ว่าก็ยังเหมือนอีกากอบภูเขาทองนะครับได้มาพึ่งบรารมี ครูบาอาจารย์เพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะฝึกสติต่อไปครับผมการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็เป็นการช่วยเสงิมสติขึ้นมาถ้าเราตั้งใจฟังถ้าเป็นธรรมที่น่าน่าสนใจเราก็จะตั้งใจฟั ง, งการฟังธรรมก็ต้องเลือกฟังจากคนที่ฟังแล้วเรามีความรู้สึกสนใจอยากจะฟังอยากจะติดตามเนี้มันก็จะทําให้เรามีความตั้งใจมีอธิษฐานมีสัจจา แล้วเวลาฟังก็จะมีสติคอยคอยจดจ่ออยู่กับการฟังอันนี้ก็เป็นการฝึกพัฒนาสติไปในตัวได้ปัญญาด้วยได้อธิษฐานได้สัจจะด้วยในวิริยะด้วยในความเพียรด้วยพยายามตั้งเป้าแต่ไม่ได้พยายามฟังทำให้มากๆดีก็่าไปดูละครไปฟังข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆทาให้เราเป็นบ้ากันข่าวหมาย สิ่งกาค่ ะ, คะก็กบขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากค่ะวันนี้ก็น่าจะมีคําถามเพียงเท่านี้ค่ะ ค, ค่ ะ, ค, ะคุณสภัฒนาจากบอวินเชนเบอรีมันการมาสายบายไม่ทันว่าเราอยู่ยไปไม่ได้ของเรียนมือแนละ้วท่าหนหะมอไปแล้โยมต้องมากราบขอขอามาพระอาจารย์แล้วค่ะเดี๋ยวไปทําให้พระอาจารย์อาบาัดด้วยนะคะพระอาจารย์ เดีคราวหน้าเดี๋ยวมาระมัดระวังมากกว่านี้ก็ก็มาพิจารณาตัวเองเหมือนกันค่ะวันนั้นว่าเป็นพระโยมไม่มีสติด้วยแหละพอพอความตกใจว่าเอ๊ะทําทไมวันนี้พระจันทร์มาเร็วกลับมาเร็วเจ้าค่ะพระจันทร์ช่วงนี้มันสว่างขึ้นมันมันสว่างเร็วนะต้องออกเวาอนอนนี่พาที่จ็ขึ้นเลย้าไม่ได้ปออกตามนาฬิกาพาออกตามตาต่วัน ว, วันวันลุ้งขึ้นว่าจะไปพอดีเป็นวันจันทร์ก็เลยเดี๋ยวไว้เอาไว้โอกาสหน้าก็ค่ะอาจารย์ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ฟังพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็ทําให้ได้เ อ, อเข้าใจมากขึ้นเจ้ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีโยมมานั่งมีมี ม, ม, มีสถานการณ์อยู่ครั้งหนึ่งเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกว่า เ, เราไม่พอใจการทํางานของของคนที่เราทํางานด้วย เสร็จแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับว่ามันมันคิดอยู่สักพักหนึ่งมันมันวางไม่ลงแต่พอมานึกถึงที่พระอาจารย์สอนว่าเหมือนกับเราไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือการไม่ไปคิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นๆอยู่ใช่ไหมครับค่ะพอาจารย์ได้เรื่องของเขาเงไม่ใช่เรื่องของเราโอเคเหมือนว่าเราไปไปไปคิดอยู่เราไปยขาเองเราไปยืมของเขาเองเขาก็จะไปยืมกับเราหน่นยเราไปยืมของเขาเอง อันนี้มันมันเป็นที่ความความปรุงแต่งของเรา<อ>ก็เลยทใยาให้เราทุก อ, อย่างก็ทำแบบที่เราต้องการเราก็ไม่ทำแบบที่เราต้องการแล้ว เ, เราก็ไม่พอใจอพอพอวางตรงนี้ได้เหมือนกับว่าตอนนิยมคือวางไม่ได้สักทีเดียวแต่เปลี่ยนเรื่องคิดก็เลยทำให้ตรงตรงนี้หายไปแล้วพอกลับมามองใหม่ว่าเราเราไม่คิดตรงนี้แล้ว แต่ว่าในในกรณีถ้าเป็นการใช้ปัญญานี่ต้องทํำยังไงเจ้าค่ะอาจารย์ก็ต้องทําว่าเขาเป็นธรรมชาติเ น, นี่ยเป็นเหมือนลมพัดเหมือนเหมือนแดดออกเหมือนฝ น, นตกเนี่ยเราไเราจะไปชอบไม่ชอบได้หเปล่าชอบไม่ชอบเขาก็ตกเนี่ยลมมันก็พัดไปเราก็ทําใจอยู่กับเขาไปนะเคุณคะอนัตตาสัตเตธรรมานตา ก็าจะทำยังไงก็เรื่องของเขาก็ปล่อยให้เขาทําไปให้ควาเป็นไปเหมือนลรด่านเนี่ยลมมันลมมันจะพัดก็เรื่องของลมแดดมันจะออกก็เรื่องของแดดใช่ไหมเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาเลยน้ำลมน้ำแดดน้ำฝนแต่เรื่องคนเรากลับไปวุ่นวายเขเพราะเราไม่ได้เห็นเขาว่าเป็นธรรมชาติน้ำลมน้ำแดดน้ำฝนมันเหมือนกันนะตกลงค่ะ ก็จะพยายามพิจารณาตรงนี้ให้มากขึ้นพอดีว่ามันเหมือนกับว่ามันอันนี้กสิเรายังน้อยโอเคนะมีอะไรหมอยคุณอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะมีายามศึกษาคาว่าหน้าตาให้มากๆหนัาตานี่คือสภาวะธรรมที่ปัสจากตัวตนต้นไา้ไบหย้า ฝนแดดลมน้ำํำดินไฟไม่มีตัวตนร่างกายนี้มันก็ประกอบขึ้นมาธาตุสี่ดนน้าลไมไฟก็ไม่มีตัวตนเราไปสมมูลขึ้นมาว่าเป็นนายกรนายขอขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งความหวงังหรือตั้งความต้องการจากเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ค่ะพราจารยขอพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะ คนเอกเชนจากเช่นงราการมาสการพระอาจารย์ครับผมก็วันนี้ก็เข้ามารายงานตัวครับพระอาจารย์แล้วก็สัปดาห์ก่อนพระอาจารย์ให้ผมทําเพิ่มไปนิอทําเพิ่มเวลาเข้าไปอีกก็ผมก็จะเพิ่มเวลาไปในช่วงเย็นนะครับพระอาจารย์เพราะช่วงก่อนมัอากาศ ม, ม, มันจะอยู่ทีสภาพอากาศด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่ามันร้อนมัน นั่งใไป่นานนะครับอาจาร ย, ย์มันจะนานไม่นานไม่เป็นไรทําไปก่อนนะครับนย่าให้มันมา ข, ขัดขัดความกายมาทาําือเราครับผมเอาช่วงอาจจะยากก็ทําไปดีเราไม่ทําอ่ำทําต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปครับผมพราช่วงช่วงเย็นเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะนั่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ตั้ ง, ต, งตั้งเวลานั่งใ้ยานุ่มประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอาจารย์ <Mr. S 2> ถ้าถ้ามันเลยชั่วโมงไปมันปวดก็นั่งอยู่กับความปวดไปครับจนให้มันครบชั่วโมงเนี้ยครับอาจารย์อครับแล้วก็ในช่วงตอนเช้าครับอาจารย์ทีนี้ในช่วงตอนเช้าคือมันจะเงียบแล้วก็เออมันมันไม่บุบหรอครับอาจารย์อยู่อยู่มันก็แบบมันก็แบบมันไม่คิดไม่อะไรเลยครับพระอาจารย์มันว่างเลยไงพระอาจารย์เนี่ยพระนั่งไปนิ่งๆมานานส่วนตัวเบ็ขาวเลยครับพอตอนเช้านั่ง นั่งผมตื่นทีสามกว่าทีสามสี่สิบห้าก็ไวไฟส่วนบนก็ประมาณตีสี่จนถึงหกโมงนะอาจารย์ก็นั่งอยู่ได้สองชั่วโมงก็อยู่ได้ครับดีนั่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ยังนั่งหลับเท่านั้นเองนะให้มันนั่งแล้วไม่หลับโอไม่หลับครับไม่หลับได้นอนครับรู้ตัวมันนั่งว่านิได้ยิงดีอ่นั่งว่านิ่งใครยังต่อเซ้กันอยู่ไหยังชู่วนั่งแล้วมันจิตสงบนิ่งได้ไม่ได้ นี่ก็ดีบางครั้งเราอาจจะนั่งเราต้องต่ตอสู้ความิดกระสุนไปสู้กันนะครับพอาะ อ, อดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะอยู่กับเวทนาก็ก็จะอยู่ได้นะครับเหมือนกับอาจจะคนคนอยู่กับมันได้นะครับอเพราะว่าบางบางทีถ้ามีแบบ ว, ว่าถ้าปวดอะไรพวกนี้ก็จะมานั่งพิจารณาส่วนใหญ่ก็ เดี๋ยวไม่ค่อยจะกินยาถ้าไม่เต็มที่ก็ไม่ไม่ทานนะครับอาจารย์อพยายามเดูแเองสอนใจด้านร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบาปก็ดูแลมันไปตามสภาพของมันครับผมบางครั้งผมก็แบบว่าพี่นาพี่นาในในในพิจารณาว่าเอ๊ะมันน่ากายมนก็แช่ของเราอย่างนี้อาจารย์มันก็เหมือนศพเหมือน ตายไก่ตายเป็ดตายมันก็ไม่รู้สึกอยู่แล้วแล้วทำไมเราไปรู้สึกกับมันทำไมอะไรประมาณนี้ครับเราลูกดูไงดูว่ามันเจ็บแต่ว่าความเจ็บนี่มันไม่ถ้าเราเรายอมรับมันมันจะไม่ทำให้ใจเราทรมานครับที่เราทรมานเพราะเราไม่ยอมรับมันอยากให้มันหายครับนั้นอย่าไปอยากให้มันหายนะให้ก็จะอยู่กับมันได้หมาเขามามันจะอยู่ก็อยู่เราเป็นเพื่อนกันนะ ยินดีต้อนรับอะไครับผมครับผมครับผมเออผมีคําถามอยู่อยนิดหนึ่งครับอาจารย์กับผมนี่ต้าพระอาจารย์ครับเออในออริยสัจ ส, สีพพ่ครับอาจารย์ทุกสมุทัยนิโรธมพรรคครับอาจารย์เออในการเกิดเนี้ยสมุทัยมันจะเกิกกพพเก ด, ดขึ้นมาก่อนทุกใช่ว่าครับอาจารย์มันเกิดควากขึ้นมาก่อนหรครับเ็ต้องมาก่ อ, อนผลน<ว>ใช่ไหมคครับผม มันเห็นก่อนแล้วก็จะทุกข์ก่อนใช่ไหมถ้ามันอยากมันจะทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อยากอยากจ ะ, กจะดื่มกาแฟเนี่ยเพราะวทุกข์ขึ้นเรา อ, อยู่เฉยเไม่ได้ครับครับครับผมหลังจากนั้นถ้าเกิดมันอยากมาเนี่ยเราก็มามาใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขไปในส่วนนั้นก็คือมรรคใช่ไหมฮะอะ่ใช่ครับถ้าถ้ามันหายไปถ้ามันก็คือห า, หายอยากนิดหน่อยนิดหน่อก็เกิดแค่ไหนอ๋อครับผมครับผม ตามตามที่จริงก็คือทุกส ม, มุทัยนิโรธมรตตามตามที่จริงนี้สมมู่ไทยมันเกิดก่อนทุกแล้วก็เราก็มาทมํามรตแล้วก็มันจะถึงนิโรนิโรหร<ศ>ือว่โรธะใช่ไหมค ร, <ศ>รับแล้วก็เราเราเรามาทำเหตุมาแก้ ข, ของความทุด้วยเหตุของเหตของนิโรก็คือการปฏิบัติธรรมนี่สิ่งสมาธิปัญญาครับ เพราะว่าตามตามที่ก็อาจจะเป็นบาลีว่านี่เป็นทุกสมุทัยนิโรธมากแต่ว่าในในทางจริงๆรอ่ะมันจะสมุทัยมาก่อนน ะ, ะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเรียงไปท่านเ่งแต่โ อ, อ้แล้วแต่เราจะเรียนงปันไปสำคัญมันสำคัญเราให้เข้าใจว่ามันเป็นอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรโอ้ครับผมครับผมตัวอย่างมีเหตุหรือที่เหตุท่าทุกมีเหตุทําให้มันเกิดเหตุที่ทําให้มันเกิดกเป็นสมุทัย ในการหาความอยากทั้งสามนี่เราหมายคือการสิ้นทุกหมดทุกนิรดบทุกทุกมันจะดับก็ต้องมีเหตุทำให้มันดับอก็ ค, คือการละละละสมุทยัยละความอยากจะลบความอยากได้ก็ต้องมีมากเป็นเครื่องครับใช้สติใช้ปัญญาค ร, <อ>ครับผมบกับผมพวุลพอาจารย์เขาไม่มีอะไรครับอาจารย์ครับ ค, ครับผมครับ คุณสมพอรเฉย่าคุณสมพอรอระทมนอยใช่ไหมอยากระยองครับระยองยองครับจำไม่ได้ที่จับผหดทุกทีอ๋อเพราะว่าหายไปสามสัปดาห์เราติดติดโควิดอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็หายแล้วนะในช่วงในช่วงที่ิตนิตการติดโควิดน่อเสียิตนะติดกันเยอะไม่อยากจะฮิตมันก็ต้องฮิตถ้เขาติดะครับ ในช่วงที่ติดโควิดสามอาทิตย์นี่ทุกเวทมันค่อนข้างจะมามากพอมันมามากปั๊บเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีผลมาตามมาสามอย่างก็คือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเนี่ยทำได้ยากขึ้นมากๆนัน่าแสดงว่าสมาธิของเราเนี่ยยังยังยังไม่พอนะอันที่สองก็ก็คือโควิดเนี่ย ถ้าถือว่าเป็นการทดสอบเพราะว่าจิตใจทางด้านธรรมะเนี่ยก็ถือว่าเราสอบไม่ผ่านสอบตกนะอันนี้ก็มาอยู่ที่ว่าแสดงว่าวิรยะของเรายัางยังไม่มากพอไม่มากพอที่จะสร้างสติเพื่อที่จะไปข่มเอาเอาเอ า, เ, อาเวทนานี่นะอันที่สามก็คือทำให้เรามานั่งคิดดูว่าเ อ, อายายุอย่างที่เราที่เหลือนี่ สิ่งที่ตั้งใจว่าอย่างน้อยจะต้องละสัญญาสามให้ได้เนี่ยอะไรมันจะมาก่อนกันมันก็ทำให้เราต้องต้องคิดว่าเราจะทำไงเพื่อที่จะให้มีความพยายามแล้วก็ให้มีสติเพื่อที่จะทำจิตให้มั่นคงแล้วก็เป็นกลางเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมได้มากขึ้นอันนี้กค็คือสิ่งที่คิดมาแต่พอคิดมาแล้วเนี่ยก็ยัง อยากจะมีคำถามคำถามหนึ่งท่านอาจารย์นะฮะเออถ้าเรามีรถแบบว่าเราจะลักสังโยชน์สามเนี่ยภายในชาตินี้เนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสีอะไรเงี้ยนะเพื่อเพื่อเพื่ อ, อ, อเป็นแนวทางในการเปิดบิครับก็ในหลักกสติเนี่ยตัวแรก สติต้องมาก่อนอแต่นี้ถ้าจะสร้างสติให้ได้สักร0อยเปอร์เซ็นี่คงยากแต่ว่าถ้าได้มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 5%, 10%, เปอร์ซนสิเอร์ซยี่สเปอร์เซ็แล้วอไปเรื่อยๆนะครับมั น, น, น, น จ, ะจะได้ใจมัจะได้อุบเบกขาจิตจะโน้มเป็นสมาธิขึ้นมาแล้ท่านนั้นตอไป้จะได้ใช้ปัญญาสอนใจว่านั่นกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นยินน้ำหยุ่รไฟก็จะปล่อยได้ เวลามันจะเจ็บก็เรื่องของมันอะไจะตายก็เรื่องงมไม่ใช่เราเพราะนั้นหลักก็คือต้องสติต้องเอาก่อนเลยใช่ไหมสติให้ได้สติแล้วนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเป็นสมาธิเป็น เ, เวทีขาแล้วออกจากสมาธิมาก็สอนจิตว่าไหววางร่างกายนะอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วไปยึดตป็ถึงว่ามันของเรามันจะทุกถ้าเราปล่อยเราจะไม่ทุก มันจะตายก็ต้องายอมให้มันตายมันจะเจ็บันต้องยอมให้เจ็บซึ่งซึ่งตรงนั้นทําได้ยากมากๆถ้าถ้ามีเวทนาเนี่ยเหมือนกับว่าเวทนานี่มันมันเป็นตัวหนึ่งที่เอาชนะมันยากมากเลยมาลองขาดอุเบกขาขาดาขาสตินตเนี่ยนอกสติการรุเบขาขึ้นมาได้ครับ ค, ครับจะน้อนมนําไปปฏิบัติครับครับ บนงทเนนีเน้นอยู่เรื่องเรื่มเรื่องสติว่าทำารื่นงหลับตื่นจนหลักไม่ทําไม่ได้เลยเมื่อตาขึ้นมาต้องาสติก่อนเลยกับอย่างที่ว่าสติคือรอยเท้าช้างรอยเท้าอั น, นอื่นอื่นๆก็ต้องก็ต้องตามเหอเพราะนั่นคือสติสติก็เป็นสติตอย่างทำอย่างอื่นก็เกิดไม่ได้ครับครับใช่คนเมาเล่าที่ทาอะไรได้ไม่มีสติแล้วคนบ้าทําอะไรได้ไม่ได้ปฏิบัติทําไม่ได้คนบ้าคนเมาคนตายไม่มีสติทั้งนั้น การปฏิบัติในยืนเดินนั่งนอนอะไรที่ต้องที่ต้องมีสตินี้แล้วก็ต้องพยายามที่ว่าเอาสติเข้าไปเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นมากขึ้นให้มีรู้สึกตัวมากขึ้นรู้สึกให้อยู่กับเหตุการณ์ต่างอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างนั่งกายให้อย่างต่อเนื่องทุกเยายามปฏิบัติการขึ้นไหจบซึ่งซึ่งต้องเอาพุโทโธมาตลอดใช่ไหมถ้าพุโทโธตลอดแต่เดินนินนนสัยเราชอบไปไปที่อื่นกันนั่งกายอย่างนี้แต่ ใจคิดถึงต่างจังหวัดนคิดถึงคนรุ่นคิดถึงคนงนี้ไปแล้วแต่ถ้าเราคิดแล้วเราเอาพุโทโธจากว่าเรารู้ว่าเราคิดแล้วก็มันจะหยุดลงไหมฮะจะหยุดความคิดจะหยุดไหมก็ออลองทําดูซิมาทำเพนะื่อทำอะก็คือก็คือมันมีคําพูดบางคําพูดที่ว่าเออถึงคิดแต่ว่าเราสติเรารับรู้มันก็เหมือนกับทาไปหยุดหยุดความคิดอันนี้ คือก็ไม่ต้องแน่ใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าคือมันหยุดแบบวินาทีเดียวแล้วมันก็กลับไปคิดต่อพอเราพอเราไม่พอไ ม, ไม่ไปรับรู้มันมันก็ไปคิดต่อครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องว่าพุทโธให้ให้แ น, น่นแน่นแน่นแน่นเลยแ น, น่นแน่นอะไมันก็จะมันก็จะไปคิดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าไม่รับพุทโธเราพยายามพักผายดูว่ามันคิดหรือเปล่าช่วงที่ไม่ดูมันก็คิดอยู่มันไปเรื่อย พอเร<ล>าไปดูทีมันก็หยุดชิดตั้งนึงพอเราไม่ดูม <l Zelda> <ét> ันมันก็คิดต่อคเข้าใจมไหมใช้ไม <més S 1> <tapi. S 2> hey ่ได <Yes, S 2> <like. S 1> ้แบบวิธีนี้ใช้ไม่ได้วิธีแบบให้ให้ให้ให้เนื้อให้รู้ว่าเราคิดหรือไม่คิดหรือไม่คิดนี่มันจะไม่รู้ส่วนใหญ่เห็นใช่ไหมเพราะมันมันไหลด้วยกับความคิดตลอดเวลาอย่างมันรู้สึกตัวให้มันให้มันรู้ว่าเรากำลังอยู่กับร่างกายหรือเปล่าหรือว่าเราไม่อยู่กับพุทโธหรือเปล่า ถ้าเราอยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายเราก็คิดไม่ได้พุทพุทโธนี่ก็คือตัวสติเลยใช่ไหมก็ตัวสร้างสติตัวสร้างสติที่เป็นที่เป็นอเลยร่างกายก็ร่างกายก็เป็นตัวสร้างสติเหมือนกันต้องดูร่างกายก็เป็นเป็นสร้างสติเหมือนกันถ้าเราคอยดูว่าร่างกายเราทำอะไรเราก็จะไปคิดโนองนั้นเรื่องนี้ไม่ได้สังเกตเวลาคุณทํางานบางอย่างที่ต้องใช้ใช้สติมากๆคุณไปคิดเรื่อเหมือนไม่ได้เลยใช่ไหม <ช>ได้ใช่ได้ใช่ยังยังเคยเคยดูธรรมะเรื่องหนึ่งของอาจารย์เนี่ยเพราะจิตนี่เข้าไปตรงนั้นจดจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ<ช>ก็รู้สึกว่า ม, มันมันมันมันก็มันเหมือนสร้างสติขึ้นมาด้วยด้วยเหมือนได้นะครับครับโอเควันนี้ขอพิมรสการครับมีหมดคําถามแล้วครับเชิญคุณแดนต่อจากอุดรธานี การรักษาการถ้าพะอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะเดือเช่นคยคนสมพรอาจารย์คนสมพรอยู่ที่ไหนถามว่ามาอยู่ที่ไหนคนสมพรอยู่เมืองกาญครับอาจารย์ครับผมเมืองกาญที่อยู่กท่อมเนี่ยใช่ไหมครับ <c ười> ผมตอนนี้หมดแล้วใช่รายแล้วใช่ ห, หายแล้วครับ อ, อา่ไอาไม่ยา อ่าสติกับอ่าตัวรู้นี่มันก็คนละคนละตัวกันใช่ไหมครับผมตัวสติเป็นตัวเดินตัวรู้เนี่ยถ้าไม่มีสติตัวรู้มันก็ลอยไปกับความคิดครับแล้วก็อ่าเวทนาของกายกับของของจิตนี่มันก็อยู่คนละสวนคนละกองกันนครับคนละเรื่องกันเวทนาทางกายก็มันเกิดจากการสัมผัส ข, ของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดมีมีเวทนาความรู้สึกเป็นมา เกความเวทนาทางใจก็เกิดจากความคิดของเราเนี่ยนะคิดไปทางทางกิเลสก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดไปทางทรรว่าเกิดความสงบขึ้นมาหายทุกข์ขึ้นก็ไม่มีคําถามแล้วก็ยังไม่มีนะหมดเลยไม่มีจะได้ไปที่ท่านต่อไปเพเดี๋ยวเวลาจะจะใหญ่จะหมดซะก่อนเดเลยไม่ได้ถาม ไบที่เป็นวิไลอรเชิดเป็หญิงอ๋อธรรมอุบุตบุญชนสายจค่ะพระอาจาร์เก่าหนวัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้โยมส่งข้อสอบเป็นข้อสอบแท้ๆเลยค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์จะพูดอยู่ในสุนทประจําค่ะคือที่โยมที่บอกพระอาจารย์ว่าเมษาค่ะโยมจะไปชะอําใช่ไหมคะโยมก็ขับรถไปชะอําก็ปกตินะคะพระอาจารย์แล้วพอโยมไปชะอําแล้วพอโยมไปถึงบ้านโยมก็ปกติโยมก็รู้สึกว่าเพลียๆโยมก็นอนพอโยมนอนตื่นขึ้นมาโยมก็จะมีความรู้สึกว่าโยมจี้ตรงตรงตรงปลายศีรษะ แล้วก็สักพักหนึ่งพยมหายใจโยมก็จะเจ็บหน้าอกซ้ายคือเจ็บทั้งหน้าอกเลยพราะฉานคือจะหายใจลาบากโยมก็เออช่างมันปล่อยแต่พอตกคืนนั้นโยมก็นอนพอโยมนอนแล้วโยมกลางดึกโยมก็ตื่นขึ้นมาแล้วโยมลุกไม่ได้พะอาจารย์เพราะว่าพยอมตัวแล้วมันจะเจ็บหน้าอกมากโยมก็ต้อง ขึ้นมาแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามหายหายใจแล้วโอเคสักพักดีขึ้นแล้วก็ยอมยมก็ใช้แบบว่าพิงพิงเอง็นเอ็นตัวนอนนะคะพระอาจารย์แล้วพอตื่นเช้ามายมก็ยังรู้สึกว่าเอะมันก็มันหายใจลำบากยอมยมพี่ว่าเอ้สายยมคงแบบว่ายอ่อเหมือนกับว่ายกของแบบที่ตลาดแล้วก็มันย่อหน้าอกใช่ไหมคะพระอาจารย์ยมก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหัวโรงพยาบาลกรุงเทพที่ที่หัวหินนะคะพโยมไปถึงเขาก็ซักประวัติแล้วเขาก็โยมก็บอกว่าโยมเจ็บทางทางนี้เป็นอาการเป็นอย่างเนี้ยตอนแรกเขาจะส่งไปอีกแผนกหนึ่งแล้วยมก็เลยอกว่าเออยมขอพบหมอแผนกประสาทแล้วกันค่ะเขาก็ส่งยมไปพบหมอแผนกประสาทคุณคุณบอกว่าแผนกประสาทเาก็จับนู่นจับนี่แล้วเขาบอกอ๋อ เดี๋ยวผมขอฉีดฉีดยาเสร็จแล้วผมขอเอกซเรย์ปอดแล้วก็ขอทำคลื่นคลื่นหัวใจไฟฟ้าค่ะยมก็โอเคยมก็ยก็ปกติยมก็คือก็ตามหมอสั่งทุกอย่างเสร็จ แ, แล้วพอผลออกม า, าคุณหมอบอกว่าคลื่นหัวใจปกตินะครับ แต่ว่าปอดมันไม่ปกติมันเหมือนกับมันมีก้อนอยู่ที่ที่ปอดใช่ไหเจ้าคะโยมโยมก็อ๋อเหรอคะโอเคค่ะแล้วโยมแล้วแล้วโยมก็ถามว่าแล้ปอดนี่มันคือก้อนนี่มันเป็นอะไรคะมันเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นอะไรแล้วาทางคุณหมอบอกว่าก็ไม่สามารถตอบได้ยกเว้นแต่ต้องทำท TC ีสแกนโยมโยมก็โอเคได้คะ่ะทางคุณหมอเขาเลยนัดอีกวันหนึ่งให้เจอคุณหมอปอดโดยตรงแล้วก็นัดนัดทำทีซีสแกนนะคะพระอาจารย์แล้วพอผลทีซีออกมาเรียบร้อยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่า เออคุณหมอดูแล้วคุณหมอพี่ว่ามันน่าจะเป็นก้อนก้อนเนื้อก็คือหนึ่งก็เลยถามไปถามมาสรุปแล้วคุณหมอคุณหมอเขาก็พูดมาบอกว่าโอเคคือง่ายๆก็คือว่าถ้าข่าวดีคือเป็นวัณโรคถ้าข่าวร้ายคือเป็นมะเร็งเพราะว่าเพราะว่าก้อนก้อนเนื้อนั้นนะคะมันโตประมาณสามสามเซนมันถ้ากับเป็นเป็นมะเร็งระยะสองแต่อืมตอนนั้นอพอที่คุณหมอพูดมาค่ะเดี๋ยวนึกถึงพระจารย์เลยเนาะ แบบว่านี่คือข้อสอบคือข้อสอบใหญ่ที่พระอาจารย์เคดพูดประจำเลยแต่โยมไม่มีความรู้สึกว่ากลัวตกใจเสียใจหรืออะไรเนยพระอาจารย์ย่มเฉยปกติเลยค่ะแต่โยมมีความคิดแค่ว่าโอ้ถ้าเป็นมะเร็งถ้ารักษาโรงพยาบาลสมิตเวส ต, ต้องหมดเป็นล้านแน่เลยกับกับ กับอีกข้อคิดหนึ่งที่โยมคิดคืออูถ้าถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วเราจะมีแรงภาวนาไหมแล้วก็ในระหว่างที่เราทําแล้วเราแล้วแบบระหว่างที่เราผ่านเวลามาทําไมเราทานตุ้มเตี้ยมทําไมเราไม่แบบทุ่มเททําไมเราไม่เพียรภาวนาให้มากกว่านี้เพราะโยมทําแค่ทากนกศิณแต่แบบภาวนาโยมยังเอออะอออะยังแบบว่าทํำบงังไปหยุดหยุดบ้างอันนี้เป็นข้อสอบที่แบบ ทำให้เราได้ได้รู้เลยค่ะพระอาจารย์ว่าเนี่ยถ้ามันเกิดข้อสบอบเี่เราจริงว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเราเป็นมะเร็งระยะสองจริงแต่ว่าดีที่เรารู้รู้ทานแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นมะเร็งจริ ง, รงๆการรักษามันต้องประมาณประมาณปีหนึ่งเนี่ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวไปคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะเราถ้าเราทําทุกอย่างเนี่ยเราเราเร า, เราจะมีแรงไหมเราจะมีกําลังในการภาวนาทำสมาธิไหมไนะคะพระอาจารย์คือความรู้สึกมีแค่สองความรู้สึกนี้จริงคือว่าโอ้เงิน ต้องใช้เงินน่าจะเยอะประมาณเป็นเป็นหลายล้านกับอีกอันนึงคือการภาวนาของเราว่าเราจะทําได้ไหมแต่เชื่อไหมพระอาจารย์คือตลอดระยะเวลาที่ 1-2 เดือนที่ผ่านมาค่ะโยมจะตื่นมาประมาณตีสามกว่าตีสี่แล้วก็ในความรู้สึกของโยมอะ่ะโยมก็ก็จะคิดว่าตื่นมาตอนนี้ทําไมเราไม่ไ ป, ไปนั่งสมาธิทําไมเลยทําไมเราไม่ไปไปสวดมนต์ทำสมาธิว่าตอนเช้าเนี่ยดีนะถึงถึงก็ยังเอิญระเหอยอยู่ แล้วก็ใจอยากคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมาบอกพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะตั้งสัจจค่ะพระอาจารย์ว่าตอนเช้าโยมจะไปสวทมนทําวัดแล้วก็นั่งสมาธิช่วงเช้าคิดคิดอย่างเงี้ยพระอาจารย์คิดมาส อ, สองเดือนได้สุดท้ายอะ่ะข้อสอบมามาหาโยมเลยว่าอ่ะตั้งเข้ามาเลยบอกอ่ะเห็นไหมมันจะตึต้งตึงต้งตึงต้งตหมดเลยค่ะพระอาจารย์มันเป็นมันเป็นข้อสอบที่แบบคือโยมรู้เลยว่าอ่ะข้อสอบอันนี้โยมผ่านละในการที่เราถ้าเรารู้ว่า ถ้าถ้าเราต้องเป็นโลกร้ายถ้าเราจะต้องตายถ้าเราจะอะไรเราจะเสียใจเราตกใจเราจะสติแตกไหมโยมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยพระอาจารย์คือโยมเฉยๆโยมแค่เสียใจแค่ว่า บ่อยเวลาที่ผ่านไปอ่ะพระอาจารย์คือแบบโม่แต่คานคานคานต้มเตี้ยมทําไมเราไม่ทําจริงใจทําไมเราไม่ทําแบบว่าให้มันเต็มที่อะไรอย่างี้ค่ะพระอาจารย์จะแล้วทางคุณหมอก็เลยบอกว่าก็ให้มามาสืบต่อที่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพอ่ะค่ะแล้วเมื่อเมื่อวานนิยมก็ไปที่สมิตเวสเขาก็เลยเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบนึงแต่ว่าในระหว่างที่ก่อนที่จะมากรุงเทพอพระอาจารย์คุณหมอเขาจะให้ยาค่าค่ า, ค, าค่าเชื้อมาสองสองตัวเพราะว่า ค่าเลือดของโยมมาอักเสบสูงเพราะจริงๆค่าเลือดแต่การอักเสบของเลือดนะคะจะต้องต่ําต่ํากว่าห้าแต่ค่าอักเสบของโยมมาคือหกสิบห้าคุณหมอเขาก็เลยให้ยาแก้อักเสบมาแต่พอโยมโยมทานแล้วเนี่ยโอเคเอคุณหมอคุณหมอปอดเที่ยวเอ็กซเรย์นะคะบอกว่าเหมือนกับก้อนเนี่ยมันมันจางลงคุณหมอเขาก็เลยบอกอ่านอย่างนั้นก็ให้ทานยา น, นี้ต่อไปแล้วก็วันที่ที่แปดเนี่ยค่ะให้หญิงมาทําอันเดอร์ซาวอีกรอบหนึ่ง อันนี้ครับพระอาจารย์เป็นข้อสอบที่พระอาจารย์พูดอยู่ประจําเลยค่ะโยมมาที่ถึงพระอาจารย์ตลอดเลยว่าโยมสอบผ่านตรงจุดนี้ค่ะพระอาจารย์คดีเลยผ่านง่นาสบายยัไม่รู้สึกจริงๆคับพระอาจารย์หรือว่าแต่โยมก็คิดว่าถ้าหมอเขาป้องมา ว, ว่าคุณเป็นมะเร็งเงี้ยโยมก็ไม่รู้สึกนะพระอาจารย์โยมก็ก็ปล่อยไปแต่ ว, ว่าความรู้สึกของโยมที่บอกแค่พระอาจารย์คือว่าเสียเวลาที่ทําไมเราไม่ภาวนาแบบจริงจรงจังๆเนี้ยค่ะพระอาจารย์ ท่านคุณไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องภาวนาก็ได้การภาวนาเราก็ทําให้ใจคุณไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้โยมลุกขึ้นมาปฏิบัติแล้วค่ะพระาอาจารย์ตีสี่โยมนนั้เมื่อเช้าอตอนตอนนี้โยมทําตอนเช้าแล้วค่ะตีสี่โยมขึ้นมานั่งภาวนาสมาธิแล้วโยมก็มีความรู้ว่าสงบดีมากแล้วก็ได้ผลค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอตอนเช้าเป็นอะไรที่มันมันจะไม่มีเสียงวุ่นวายข้างล่างเลยแล้วก็โยมก็พบกับเวทนาที่เกิดคือเจ็บเจ็บ เจ็บเข่ามากแต่แต่ครั้งนี้โยมโยมไม่ผ่านแต่ว่าทุกครั้งอะโยมโยมจะผ่านไปคือความเจ็บปวดจะจะหายอะค่ะพระอาจารย์แต่ครั้งนี้คืออ๋อโยมก็โอเคก็เปลี่ยนจากเออโยมทําสลับกี่ประมาณชั่วโมงครึ่งสลับกับเดินจงกรมค่ะพระอาจารย์อดีก็ทำได้ตอนนี้โยมตั้งใจพยายามตั้งใจใ้เรานิ่งเฉยให้สงบเฉยเฉยจริงค่ะพระอาจารย์ปรเดี๋ยวช่วงนั้นได้คุยกับคุณคุณเหมียว คุณคุณแเหมี่ยวก็คุยกันตลอดคุณเหมียวเขาก็ถามโยมว่าตกใจไหมผิงโยมบอกไม่มีความรู้สึกเลยโอเคเลยค่ะพระอาจารย์พยายามรักษาใจให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยกๆกับทุกทุกเหตุการณ์ค่ะอันนี้เป็นบทเรียนเลยพระอาจารย์ว่าถ้าคนเรามวาแต่ปล่อยเวลาพระอาจารย์ปล่อยปล่อยปล่อยเวลาไม่ทําจริงจังกับพระอาจารย์สุดท้ายแล้วถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเหลือแค่นี้หรืออะไรแค่นี้ค่ะพระอาจารย์มันจะเสียดายมากเลยค่ะตอนนี้โยม ตังศักดิ์ลคะค่ะตอนนี้โยมบอกกัพระอาจารย์แล้วด้วยคะ่ะโยมต้องทาจริงๆจังๆละคะ่ะพระาอาจารย์ยังไปเสียดายเสียดายก็ไปขับทุนอย่างอ่าใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่บอกว่าได้เท่าไหร่ก็ทานั้นสันโดไม่จ้าป่ะคะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ติดตามต่อไปค่ะอ่ถ้าเป็นเป็นกรรมขอเราที่จะต้องตายอายุน้อยๆก็แค่ น, นั้นก็พอใจกับใช่ค่ะกับปัญหนาน้าาของเราใช่ค่ะต้อาใช้เราอยู่กี่ปีก็อยู่ไปต้อ เอาอยู่จนดแกท่ากัาอยู่ไปค่ะค่ะเดี๋ยวไม่รู้สึกเดี๋ยวก็คิดว่าเยมสอบผ่านเดี๋ยวคิดถึงพระอาจารย์ตลอดเลยว่าอ๋อนี่คือข้อสอบที่พระอาจารย์พูดเสมอซึ่งเราสอบผ่านตรงนี้ก็แก่เจ็บตายเนี้ยเรื่องธรรมดาใองธรรมดา <c oughs> พลาดจากกันเดี๋ยวอาจจะคนนั้นอาจจะจ่ายเราไปก่อนเราอาจจะจ่ายไปไมันก็ต้องมีการพ่นานพลาดจากกันใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะค่ะกล่าวในวัฒนธรรพระอาจารย์ค่ะ ตอนนี้โยมได้กล่าพระอาจารย์ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะค่ะค่ะนัสศกษาพระอาจารย์ค่ะยังเป็นวีโวต่อวีโว่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าโยมได้ยินไหมอ่านไม่ได้มีที่ไหนพูดได้เลย มาตรการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ในรวที่ว่าเจ้าค่ ะ, ะก็ตอนนี้ก็กําลังเจริญสติในเรื่องของการขจัดความพุ่งพุ่งซ่านในขณะที่ว่านั่งสมาธิเจ้าค่ะอ่าแล้วไงสมมติแม่ก็ ก, ก็ก็ส่วนใหญ่จะพุ่งซ่านค่ะพระอาจารย์ก็คือเป็นลักษณะ ข, ของที่ว่าคือเปนลักษณะของความกลัวมากกว่าพระอาจารย์มันยังกลัวกลัวอ่าก็ต้องใช้พุโทโธให้ให้ถี่ขึ้ น, นยังไง หรือใชอยากจะให้หาใยกลัวด้วยปัญญาแั้วก็บอกนะว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยมือนได้วันหนึ่งก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาเพราะมันก็ยากนะแต่แบบบางทีพระอาจารย์ค่ะก็คือบางทีนั้นมันมันมันวิ่งมันเองก็คือหมายถึงว่าพอพอเรารู้สึกกลัวปักพอกลัวปุ๊บเราทุกอย่างเหมือนที่เราตั้งใจเอาไี้มันก็จะชะงัก แต่แล้วก็พูดโทก็ยังพูดโธรอยู่ค่ะพี่อาจารย์กใช่ใช้พุดโธทานไหครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรานั่งแล้วเราก็มาเดินต่อแล้วก็เราไปแผ่เมตตาอันนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพี่อาจารย์ได้ได้บางทีไม่ต้องแผ่เมตตาเพราะไม่มีใครแผ่นะแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอกันเจอคนเจอสัมเจอิย์ถ้าอยู่คนเดียวแผ่อไปมันแผ่ไม่มีผู้รับก็คือแค่ แค่นั่งสมาธิแล้วก็เราก็มาเดินเดินแล้วก็เราก็จะบำเพ็ญใตายพิจารณาความตายเลยค่ะนั่งพิจารณาความตายแล้วก็พิจารณาคําตายในกว่านางกายของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปไม่ต้องไปแผ่เมตาให้กับใครแผ่ตอนเจอกันเช่นตอนนี้ยเข้ามาในห้องนิยมว่าแผ่เมตตาได้ไว้ตะคนในความสุขหน้า สาธุเจ้าค่ะมีท่านนี้นะเจ้าค่ะโอเคคุณบุญเมต่อคุณบุญเมย์จะปัิยายกอ่าวัตกรรมครับวันนี้ไม่มีอะไรครับผมขมารคอนเบรสดาเบรสไรอก่าวนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะเข้ามากราบนัน okay. คุณนนะทนัททว์เชิญจากกุงเทพอทม กับนรส卡尔พระอาจารย์ครับวันนี้ผมมีสองคำถามครับอ๋พอดีวันก่อนเหมือนตอนที่เดินอจงกรมแล้วก็รู้สึกไปไความรู้สึกสติมันเหมือนเป็นช่องเล็กๆนะฮะแล้วถ้าจิตมันแนบแต่สติเนี่ยมันก็จะทําให้ไอความคิดวความสัญญาอะไรเข้ามาไม่ได้ก็เลยแต่ว่าก็เลยพยายามจะไปจ่อไอจงความรู้ให้สติมันแนบตรงนั้นแต่ว่าครั้นี้ เลยสังเกตว่าตอนที่อยู่ในในบนเขาเนี่ยมันก็มันยานไม่ค่อยรบกวนอยู่่ละเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมีป่า ก, กับเขาแต่ว่าไอ้ที่รบกวนเยอะๆก็คงเป็นสังขารกับตัวสัญญาสัญญาก็มันก็ค่อยซึ่งไฟทรับแล้วบางทีก็ลงไปก็เลยก็เลยแบ่งอ่าเหมือนกับเราเดินเดินข้ามทางจงกรมฮะมันก็เดินข้ามแม่น้ําข้ามภูเขาแล้วเหมือนจะเราก็ตั้งใจว่าให้มันสติมันแน่ใจตรงช่องตรงนั้นไม่ให้มันหลุดอนะ่ะ แล้วก็แล้วก็พอได้อย่างนี้แล้วก็ค่อยกลับอะไรเงี้ยครับไปไปมาไปมาให้มันให้มันต่อเนื่องให้มากที่สุดนะแล้วก็ดูเป็นช่วงฮะว่าว่าช่วงนี้เราเราเราไม่ขาดจาก้ตัวนี้ไปนะเราเราไม่หลุดไปที่สองขาไม่หลุดไปตามสัญญาทําอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือแม่มันขึ้นทําในทีก็ถูกต้องให้มันอยู่กับกับการกัารัวยัยู่บนร่างกายที่ทอยไป เราจะจะารู้ผลก็ตอนที่นั่งสมาธิว่ามันถูกไม่ถูกถ้าถ้ามันถูกมันจิตก็จะนงง่ายสงบง่ายนี่แหละครับการเดินจงกรมก็เลยแบ่งเป็นปช่ว ง, เ, วงเพรา ะ, ะว่ารู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราเดินแล้วแล้วเราไม่ไม่กําหนดให้เป็นช่วงบางทีมันก็บางทีเผลอไปแล้วก็จะแต่ว่าก็เลยเหมือนกับมีจุดตั้งต้นทางเดินต้นทางเดินจงกรมพอข้ามไปถึงตรงนี้อาะเรายังไม่คิดต่อแล้วก็เดินกลับมาก็พยายาม ดูว่าไม่ไม่หลงไปกับสัญญาไม่หลงไปความกับสังขารครับอันนี้ก็เป็นอุบายใช้ได้คนของอุบายแต่คนของการปฏิบัติซึ่งหาจจะแตกต่ากันไปอนี้ยพอสำคัญก็คือขอให้เรามีสติคือไม่ให้คิดและให้รู้เฉยๆนั่นเองไม่ไปเผลอรอจะคิดยาวไปเป็นเรื่องเป็นยาวไปครับเราบบางทีพรไม่ไม่ตง ถ้ามันอะไรไม่ค่อยยิ่งเน่จุดใจที่เหมือนกับเอ่อเสือสัญญาเนี่ยบางทีมาซึมซับมาสัญญาฉับที่สนี้พอดีไม่เท่าไรเงียบเงียใช่ครับใช่ครับสัญญานี่มันละเอียดกว่าสังขารใช่ครับสังขารยังยังตั้งแต่สัญญาเนี่ยมันก็เพิ่มอยสังขารมันก็เพื่มแล้วอีกทีก็สัญญาเนี่ยก็เพิ่มเมันมันเยอะออกมาครับใช่ครับต้องมีสติต้อมีสติก็จะรู้ทันว่าไปแล้วไปแล้ ไปถึงก็ดีแล้วไปถึงน uh ุ่งถึงนุ่งแล้วไปถึงนุ่งนั่งนุงให้ที่มาครับครับต้องหยุดมาคาถามที่สองครับพอดีตอนเมื่อเช้านั่งสมาธิครับก็ตอนช่วงที่กำลังพุทโธก็มันก็มีเหมือนจะบพร่อขึ้นมาว่าอใจมันเป็น ความว่างอ่นะไม่มีตัวไม่ตัวมันก็เลยเมือนกัเป็นท้องฟ้ามันก็เลยทําให้ตัวอ่าเป็นที่ให้สัญญาสังขารมันมันโผล่เข้าโผล่ออกมาอะไรเงี้ยครับนี้เราก็เลยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่พอดีกําลังกําหนดอยู่ก็เลยเอ่าก็คือมามาอยู่กับไอ้ไอ้ตามันไ ป, าา ม, ไปมีสัญญาแล้วก็ตามไปมันก็เลยมืนกับมาอยู่กับไอ้ตรงความแนแน่ไปความว่างก็เราก็ อะไรที่มันโผล่มาแล้วก็ใครดูว่ามันหมาแล้วมันก็หันอะมันก็ดูสมบดิถ้ใช้วิธีนั้นได้ไหมครับคือมันมันมันก็เป็นความคิดปรุงแต่งจินตนากายของเรามันยังไม่ได้เป็นของจริงถ้าเป็นของจริงเราไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องปรุงแันมันต้องให้เข้าถึงตัวจริงให้ได้คือให้มันเป็นอุเบกขันสงบหดึ่งแล้วมันก็จะเข้าถึงความว่างผู้ใจได้ใจก็จะเป็นเหมือนทองฟ้าไปแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อความ ความคิดสัญญาส า, างคามนิยานนี่ครัวิทยาก็เป็นเหมือนเมฆหมอกอะไรที่ที่อยู่ในท้อง า, าครับอ่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแยังไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวจริงถ้าเข้าให้มันสมบรมูมันเนื่งสักก็ว่ารู้เป็นรูเบคาไปแล้วก็จะมันก็จะรู้เองนไหครับผมได้ได้หมายว่าสติอาจจะยังไม่แต่ต้องพยายามทำทำจิตให้รวมไม่ได้รทำจิต ถ้ารู้นั่นก็จะถึงตัวจริงตอนนี้เรายังเป็นตัวตัวปรุงแต่งอย่างตัวจินจตนากา ร, ร, รมีสองคำถามแค่นี้ครับนะในทีค่คุณกิตศักดิ์ต่อคุณกิตศักดิ์ขอทํานนอนธรรมสการครับพระอาจารย์ครั บ, รรบเอ่อช่วงหลังนี้คือยึดตามคำสอนของพระอาจารย์ แบบเต็มเหนียวเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเอามาใช้ได้คือให้เจริญสติตั้งแต่ตื่นลืมตาเลยครับช่วอาทิตย์ที่แล้วประมาณ อ, อาทิตย์ที่แล้วครับแล้วก็แบบไม่ไปไหนเลยจะเอาใจพุโจยกเว้นมีคนมาคุยด้วยทํางานเราก็หยุดแล้วพอหมดปุ๊บเรากลับมาแล้วก็พอตอนเย็นกลับมาบ้านก็วิ่งวิ่งอออกกําลังกายครับ ก็พุโทโธพุโทโธตลอดสิบกิโ ล, ลวกากลับมานั่งก็รู้สึกว่าสงบสง บ, บครับพอใจงสงบง่ายสมบเร็วครัสบสงบง่ายสงบเร็วแล้วก็ได้มีนานนานขึ้นด้วยครับการายเป็นสองชั่วโมงครับสอนช่วงเช้าครับดีเนีคนนาในการศึกดิสิทิ์มันทำให้การนั่งสมาธิก้าวหน้าต่อไปก็พิจารณาถัดปัญญาแ้ครับคือ จะเป็นคำถามถามพระอาจารย์ว่าฟังผักเพื่อนๆนหลายท่านจะมีแบบมีความคิดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเดินปัญญาข้อนั้นข้อนี้แต่ทำไมองผมมันไม่ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาสงสัยมันแบบมันเฉยๆมันว่างมันถูกหรือเปล่าครับราอาจารย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปเข้าไปศึกษาเรื่องปัญญา ไปในขั้นสมาธิขั้นทำให้ใจเฉยเให้ไม่ไม่คิดอะไรคือในระหว่างวันที่ออกมาที่ที่เราไม่ได้อ่อกําหนดหรือว่าเราใช้ชีวิตปกติมันก็ไม่ได้มีจะต้องเอาเรื่องโนเรื่องนี้เอาปัญญามาแก้ไขมันอาจจะเป็นเรื่องปัญญาเราต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนกำหนดทำขึ้นมาแล้วเราต้องการศึกษาอะไรเช่นอ น, นิจ<อ>จ์โอจังละท่า สัตวสังขารแล้วเขาสิ่งทั้งหลายที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้เป็นของไม่เที่ยมเช่นอะไรต้นไม้ภูเขา<ม>ต้นไม้ร่างร่างกายของคนของสัตว์นี่ก็เป็นสังขารคือเราต้องเริ่มจากตัวเราเองต้องพิจารณาแล้วอมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วมันก็จะเรตัวแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย นียคือกามไม่เที่ยงของสัรมาตคือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่ง้็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ต้างเป็นการเรียนรู้เป็นการสั่งสอนจิตเราให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้ามีการเกิดแล้วมันจะต้องมีการดับเป็นธรรมดาอืมันจะไม่ได้ว่าเราสงบจากการนั่งสมาธิแล้วมันจะผุดให้เราคิดขึ้นมาไม่ไม่ก็จะเล่นไปครับเพราะฉะนั้นสมาธิให้เรานิ่งให้เราได้อมเบลค่ะ แตปัญญานี้เราต้องมันก็เรียนนักเสียโอเคครับฝากท่านี้นเราต้องศึกษ า, าธรรมชาติที่เราที่จิตเรามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นลาบยศสรเสิร์ตตอนนี้เรายังเกี่ยวข้องกับลาบยศสารเสริรอยู่ใช่ไหมใช่แล้วนักวิจนามันก็เป็นสังขารเหมือนกั น, นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันต้องดับไปไเวลาจเจริญเวลาเจริญก็ดีใจแต่เวลาเสื่อมก็เสียใจว่าเราลืมไปว่ามันต้องเสือ อะไรไม่มันมันเจริญหน้ามันก็ต้องเสื่มได้ธรรมดาไม่มีอะไรที่จะเจริญอย่างเดีย ว, ยวใน<ช>นี้ต้องสอนหร<ช>ือ <ๆ S 2> เผื่อบริษัทคุณอาจจะเจ๊งก็ได้เปิดกิจการขึ้นมาอันนี้นกร<ช>็รายหน้าก็ขาดไปหน<ช>้าก็เสื่มนะเสื่มหน้าตําแหน่งที่เคยมีในบริษัทก็หมดไปเสืยย่มย้อน อันนี้เราต้<ม>องคิดเองกันมาเองความทุกอย่างที่เราเมีตอนเนี้ยมันไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าเราไปพึ่งมันไปหวังให้มันสับพอเราตลอดเวลาแต่เวลามันมามันไม่สับพอเราจะทำยังไงเราก็ทุกข์อย่างนี้แต่ถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็ต้องหาวิธีอย่าไปพึ่งมันเพึ่งในสิ่งที่เราพึ่งได้ดีกว่าก็คือพึ่งสมาธิเพึ่งปัญญาให้เราอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้ แล้วแต่ร่างกายก็ขึ้นมันไม่ได้ร่างกายเราก็พึ่งมันไม่ได้ถ้ามันจะต้องตายก็ต้องให้ให้มันตายไปอถ้าเรามีสติมีปัญญามีสมาธิมีอยู่เบกขาเร า, เราก็ไม่ต้องพึ่งเลยจิตเราเป็นความสุขในตัวของมันเองไม่ต้องอาศัยเสิ่งอนมกระตุ้นมาสร้างความสุขให้กับจิต ดังนั้นตอ น, นี้ถ้าคุณยังพึ่ง่หน้าวิวสาะระเสื่ญยังอยู่ก็ต้องพยายามเลิกพึ่งมันได้ให้ได้ถ้าพึ่งก็พึ่งเท่านี่นจําเป็นเช่นให้มีเงินไว้สำหรับเรื่องต่างท้องพอปัจจัยสี่แล้วถ้าปัจจัยสี่พึ่งไม่ได้ก็ต้องยอมนะเพราะก็ต้องตายเนทะ่านั้นจะพยายามนําข้อคิดนี้มาฝังไปมาคิดมาสอนใจคจขอตัวอย่างใน้องที่เราไปหวังอะไรเพื่อพึ่งเขาไม่น่าตลอดไปยหรอก คนดีคนดีเขาก็จะหมดไปนะหายไปจากไปพระอาจารย์ครับแล้ว อ, อที่พระอาจารย์บอกว่า เ, เป็นการททําข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับความตายเราหรือว่าความกลัวอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูเรื่องศัพยนนานิยมนี้ใช่ไหมครับการนี้เรื่องอ น, นิจจังนนมันก็ก น, นี้ใช่ไหมครับก้อ น, นี้อนิจจังหน้าตานานกายนี้มันก็ไม่เที่ยง มันก็ต้องตายในวันใดวันหนึอนั้นตายมันไม่ใช่เรามันไม่ได้อยู่ในร่างกายเรอยู่ในจิตผู้คิดผู้รู้ซึ่งไม่ใช่เป็นร่านกายร่างกายเป็น้าสี่ดินหน้าลงไฟเหมือนนกยนตน์ก่อนที่เราจะพิจารณาเรื่องความตายนี้เราต้องพิจารณาเรื่องราบยศสรรเสริญสิ่งรอบตัวเราก่อนใช่ไหมครับอาจารย์แล้วแต่อันไหนที่มันเป็น เป็นสิ ท, ที่เราเยเรายังติดอยู่แล้วก็ต้องสอนให้เราอย่าไปติดอย่าไปขึ้นมันอาจารย์มันก็เกี่ยวข้องกันเนี่ยร่างกายเราก็ต้องไม่พึ่งมันตอนนี้เราจะพึ่งร่างยุทธสารเสด็จเราก็ต้องมีร่างกายเป็นตัวไปหรร่างยุทธสารเสด็จมาไม่ใช่ร่างกายทำร่างยุทธสารเสแสงก็พึ่งไม่ได้ร่างกายที่เป็นเครื่องมือไปหาร่างยุทธสารเสด็จก็พึ่งไม่ได้อือ ใช่ครับแต่ถาเกิดมันเป็นพิก่อนพิการขึ้นมาจะไปทํางานได้ไปหาเงินได้แล้วเราจะทํางานถ้าตานเกิดตอนนั้นขึ้นมาถ้าเราไม่มีวิธีหาความสุขด้วยวิธีอนล้วก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามีวิธีว่า เ, เราสามารถหาความสุขจากสมาธิได้จากสติแล้วเราก็ไม่เหลือดร้อนน่างกายจะเป็นอะไรก็ก็เป็นไปแต่เราไม่ต้องใช้่างกายเพื่อมาหาความสุข เออน้มนำคำสอนพระอาจตรงนี้ไปตั้งตั้งเริ่มต้นครับว่าทางสมาธิกับเรื่องปัญญาคนละเรื่องนะครับภราภราภาควิชานะครับครับสมาธิก็ให้จิตน่ยให้ให้สงบไม่ให้คิดปัญญานี่ต้องสอนใจด้วยด้วยด้วยความจิตด้วยจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีก่อแล้วต้องมีดับไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของธรรมาชาติ เป็นท้องที่เัฒนขึ้นจากดวงหน้าลุมไฟครับอาจารย์อาจารย์แล้วที่เขาบอกว่าสติอัตโนมัตินี่มันเกิดขึ้นตอนไหนครับมันเกิดขึ้นตอนที่เราตั้งแต่เรามันมีสองระดับรู้สึกระดับแรกก็คือตอนที่เราเข้าสมาธิได้จะเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วอาจารย์เรียกวเรื่องวันจริปัญญาออ มันจะไม่ต้องมาคับมันมันเริ่มคิดของมันเองมันมีสติคอยกับขับตามที่ท่านคิดไปทางปัญญาตลอดเวลาอ๋อครับอันนี้เราไม่ต้องไปเอาวันอ่ะแล้วปฏิบัติไปมันก็จะเห็นเองแต่เข้าใจเองวันนี้นทมันอก่อนสติดแล้วต้องคอยถับคอยดึงมันวันนี้ไม่ต้องถักมันดึงมันมาของมันเองมันตโนมันจะใช้พุทโธกํากับไป ทุกวันแบบนี้เลยครับพระอาจารย์มันนี่ยังต้องคอยต้องคอยรับเข้มันอยู่พอแม่รับคข้ามันก็แล้วมันก็หายไปเห็นไหมเห็นประโยชน์ของคํานี้มากๆเลยครับอย่างตอนที่นิ่งนิ่งสงบอยู่บางทีความคิดมันจะแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาก็เอาพุทโธตัดเข้าไปครับแบบพุทโธกลับมามันจะมันก็ให้ขยายเวลาเราไปอีกนะครับได้ พอหมสติแล้วเราต้องใช้พุทโธสร้างมันขึ้นมาใหม่ขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบพระุณทมาทแค่นี้ครับใช่คุณหมอเลยาพันอันนี้อยู่พิษโลกนะคุณหมอครัผมตอนอยู่พิดโลกครับอาจารย์ครับกลับมาทํางานสองวันแล้วครับอาจารย์ครับเขาก็เยังไมีคลินิกอยู่ใช่ไหยมีคลินิกตรวจเองอยู่สามวันครับอาจารย์สามวัน ตรแค่สวันครับอีกสี่วันก็เป็นพักแล้วครับก็พ่อนออนไลน์ให้คำนวดอาจาำนดี้ให้ทุกวันอีกอรใช่ไหมครับผมครับอาจารย์ครับก็ประมาณสักวันละยี่สิบนาทีเองครับอาจารย์ยี่บครับผมก็ทำประโยชน์เท่าที่ทำได้ครับมีมีแบบเปิดให้เข้ามาถามคุยอันนี้นะเอ่อมีเปิด ช่วงวันอาทิตย์ครับอาจารย์ครับวัที่จะเปิดชั่วโมงหนึ่งก็เข้ามาถามได้ครับถามได้ครับจะไหนก็จะให้คำนึกมันเรื่อมๆไปใช่ครับแล้วแต่คิดได้วันนั้นครับไม่มีบทมันกันครับอาจารย์ก็ตอนเช้านึกอะไรก็มาพูดอย่างนั้นเลยครับอ่าเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นฮอตตอนนี้ก็เรื่องนั้นมาพูดใช่ครับก็ตอนนี้ตอนเช้าก็ตื่นยังตื่นอยู่นะครับอาจารย์ครับ ยังตื่นมานั่งภาวนาอยู่ครับท่้ท่าตั้งสัจจะแล้วก็ต้องทำต่อไปแต่แต่ก็มีหลับไปบ้างนะครับีบางทีก็นั่งหลับหลับแล้วลุกขึ้นมาเดินอ๋อหลับแล้วลุกขึ้นมาเดินเลยใช่ไหมขึ้นมาเดินอ๋อเพราะนั่งนั่งหลับก็ไม่เกิดอะไรลยก็ขึ้นมาเดินแทนครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะตอนนี้จะใช้วิธีนี้แก้นะครับแล้วก็จะจะจะหายง่วงกลับมานั่งต่อกไป ถชายังไม่หมดเวลาครับผมครับแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มลองอดอาหารแลครับอาจารย์เห<อ>็นม่งง่วงเลยเลาเริ่มกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวมันได้สามสี่วันแล้วครับอแล้วสึกดีขึ้นไหมก็ อ, อย่างตอนเช้าก็ยังง่วงอยู่มนกัแต่ก็แต่ก็ตัวเบาขึ้นครับอาจารย์รอาจจะเป็นเพราะนอนอไม่ตอก็ได้ครับอ๋อนังการก็ต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อยคือนนี้ต้องสี่้าชั่วโมงเ ป, ป็นไป อ๋อแต่นี้เกินครับอาจารย์เกนก็ไม่ใช่นะทรายนอนผมนอนประมาครับครับผมเดี๋ยวจะลองไปฝึกดูเท่าที่ทําได้ครับอาจารย์ครับนะครับกลับกับคุณพระอาจารย์ครับ ค, คุณบางวันเจริญศรีรัชชาํานิทรการจะค่ะค่ะอ่าโนูมี่คาถามนิดนึงครับเมื่อวัวนอาทิตย์ที่ถามพระท่านพระอาจารย์ไปอะค่ะ แต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ได้ถามต่อค่ะก็คือเแก่นของพรษษษษษะพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่ส่วนสุญญาตาค่ะนั่นคือความว่างนั่นหมายความว่าสุสญญาตามันจะมาก่อนอริยสัจสี่หรือว่ า, าสสคนเงมันจะเรื่องกันค่ะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันทีทนี้ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องสุญญาตานี่มันคืออะไรเลยเถอะค่ะกว่างในว่างก่อนาจากตัวตนนี่ก็เป็นสุญญาตา ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน ว, ว่างแบบแบบอยู่ในอวากาศเมื่อจิตสงบนิ่งเวทานาสัญญาสังขารวิญญาหายไปมันเข้าว่างว่างแบบระดับปัญญาก็โลกป่วมันหายไป ม, มันมีมันมีมันมีว่างหลายระดับด้วยกันมากระดับสมาธิมากระดับปัญญาอือมๆันที่ที่หนูอ่านหนูเหมือ น, นอ่านมาจากที่ไหนไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าที่สุดก็คือศูน ญ, ญ์ตาผมก็เลยงงนิดนึง อนิพพานนี่คือความว่างว่างของจิตใจว่างจากโลกผมตรบนี้อ๋อคือนิพพานค่ะแล้วก็มีแจ้งพระอาจารย์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์หนูตามครอบครัวไปไปไปโบทคริสต์นะคะเมื่อก่อนที่เขาทำเขาเขาสวดมนต์กันนะคะหนูจะใช้วิธีการสวดการสวดในใจอะค่ะแล้วมันก็เป็นการเตีระหว่างระหว่างเขาร้องเพลงกับกับเราสวดแต่ว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็งัดวิชาที่พระอาจารย์สอนมาก็คือหนูหนูลองหนูลองเอาดูลมหายใจอ่ะแล้วหลับตามันมันก็มีช่วงหนึ่งที่มันที่มันดิ้งแล้วก็สงบแล้วก็เหมือนไม่ได้ยินเสียงอันนี้ก็อันนี้ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเราสามารถทำทำใช<ำ><ำ>ดูลมก็ได้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้เข้าได้ค่พะพะอาจารย์ขอบคุณค่ะอมีชี อาเาียต้องรู้กลับไม้ยังค่ะที่ค่ะพระอาจารย์ต้องพูดเสียงดังหนะ่อยะมันจะดีพระอาจารย์้ามามีดีมีอะไรไหมยืดถอดปลาของที่ป่า้อกขึ้นกลับราชการค่ะพระอาจารย์อ่ี่ดีกว่าชั้นหนึค่ะ อเด็กๆยังไม่กลับมาเลยคาาย่ะแม่จันโอ้องาม่จนเนี่ยมันตื่นพอดีนะตรงนี้ตื่นค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพอดีตอนนี้จะได้มีเวลาว่างจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขา้นค่ะนะพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆนะให้จิตอยู่ในปัจจุบันอย่างให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้ค่ะอโอเคเไปที่ปฏิบัติอีกต่อ เราอยูุฒกาครักกมมกบกรบหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อได้นหนูไหมคะ ไ, มได้ยินได้ยินพุธพุธที่แล้วหนูไม่ได้เข้ามาหนูไปไ ป, ไปอยู่วัดค่ะแตเป็นว่ๆี่นะค่ะดีค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปอะคะ่ะหลวงพ่อไปกี่วัเ่ยไปไปตั้งแต่วันพุธอะค่ะ่ อ, อไปช่วงสงการแล้วก็ คือวัดเนี้ยหนูไม่เคยไปมันเหมือนเหมือนจะไปอยู่แบบเป็นเขาเขาอะที่เขาก็เยอะค่ะหลวงพ่อสามร้อยเก้าสิบเก้าไรแล้วก็ปฏิคนคนเหมือนกุฏิเขาอ่ะมันก็ไม่ไม่พออย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูเลยได้ไปอยู่เขาเรียกกุดขาวสาราขาวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้มันไปอยู่ใกล้กับป่าช้าอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อ แล้วแล้วทีนี้ก็ไปอยู่มันก็มีคนอื่นเนะี่ยมันมีหลายห้องไงเงี้ยค่ะคนอื่นเขามาอยู่แต่ว่าลุ่งขึ้นเขากลับอะคะ่ะหลวงพ่อหนูก็ไม่รู้ว่าว่ามีอะไรยังไงพอตอนเช้าพระก็ถามว่าตอนกลางคืนนอนหลับดีไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกก็หลับดีก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าค่อนข้างที่จะไกลจาก จากสาราคือกุดที่พาทะมันไกลอะค่ะหลวงพ่อเหมือนเดินลงเขาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะค่ะหลวงพ่หนูรู้สึกว่ามันดีอะค่ะหลวงพ่อปฏิบัติปฏิบัติจนมีคนมาเรียกค่ะว่าทําไมไม่ไม่เลิกสักทีอะไรเงี้ยค่ะเขาจะปิดปิดห้องปิดสถานที่ที่ว่าแต่ละคนเลือกไปปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อดีกว่าอยู่ที่บ้านค่ะหลวงพ่ออยากไปอีกแต่ว่าเวลามัน ต้องหาเวลาไปเนี่ยค่ะได้ก็รอโอกะถ้ามีโอกาสไปไล่เขไปถ้ายัางไปไม่ได้ก็ตุทับที่ที่เราอย่างไปก่อนหนูหนูพอแต่ว่ามันถ้าพูดถึงความลําบากไหมึ่งสถานที่มันก็มันก็ไกลอยู่เนี้ยค่ะมันมืดเวลาตอนกลางคืนเนี้ยแล้วก็น้ําอ่ะเหมือนอยู่บนเขาน้นํามันน้อยมากเลยค่ะแต่ว่ า, าไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนก็อยู่ได้ค่ะแล้วก็แล้วแล้วพอตกกลางคืนก็ปฏิบัติ ต่อกับหลังจากที่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ปฏิบัติต่อจนถึงสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้หนูสงสัยว่าไอท้ที่เ อ, อพิจารณานะกายเวทนาจิตธรรมตรงเนี้ยมันเหมือนเราดูเราใช้ปัญญาใช่ไหมคะหลวงพ่อตรงตรงสี่อย่างตรงเนี้ยใช่ไมใช่ใช่แล้วก็ไม่ควรจะไม่ควรที่จะเมาหมดทีเดียวทั้งสามวันเอาเอาทีละตัว ศึกษาที่จะตัวเอาเอาร่างกายก่อนเพราะล่างกายที่เราต้องเข้าใจมันมีหลายมิติที่เราต้องเข้าใจล่างกายไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงคืมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆทันได้เกินน้ำนี่มันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนว่าตลอดเวลาไม่เชื่อเราถ่ายรูปหนงหน้าปีถ่ายรูปทีแล้วมาเปลี่ยนเทียบกันหนึงเปลหนูหนูเข้าใจว่าอย่างกายอย่างเงี้ย ที่หลวงพ่อสอนคือกายมันไม่ใช่ของเรามันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บต้องตาย<ม>อันนี้ก็คือเข้าใจค่ะแล้วแล้วเข้าใจไม่พอมันมันต้องเข้าใจแบบไม่ลืมเลยไม่อะไรนะคะเข้าใจแบบไม่ลืมตลอดเวลาค่ะหลว ง, งพ่อเห็นถ้าไม่ไม่ถ้ามันไม่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะลืมพอมาคิดถึงความตายอาจจะกลัวขึ้นมะ คิดถึงตาเจ็บข้าวได้ปวกปวดไม่ไ ห, หแสดงว่ามันมันเข้าใจจากมันลืมอ๋อคือคือต้องเข้าใจตลอดเวลา<ช>แล้วก็ไม่ลืมเข้าใจลตลอดไม่ไม่ลืมพอพ อ, อหมอบอกเป็นอะไรก็อ๋อดูไว้แล้วทั้งโลกดน้าตอนที่มาหาหมอแล้วมันต้องเปิดค่ะแล้วก็ต้องต้องเข้าใจเข้าใจจริงๆแล้วเข้าว่ามันต้องเป็ดค่ะเข้าใจเหมือน คือมันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ถึงเราจะดูแลรักษาคทำยังไงอย่างดีใช่ไหมคะหลวงพ่อมันก็ต้องเจ็บตายมันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันค่ะแล้วแล้วอย่างเวทนาอันนี้หนูก็เข้าใจว่ามันก็คือความเจ็บไงัก็คือความเจ็บเอาน้ำกายเจ็บไข้ในตัวมนั้งแต่เวทนาที่เราไม่ปรารถนาคือทุกทายเวทนาค่ะมันมันอยประมาณนี้ได้ อันนี้เวทนานี้หลวงพ่อจะหมายถึงแต่ว่าความเจ็บอย่างเดียวใช่ไหมคะหลวงพ่อเวทนาทางร่างกายก่อนตอนนี้เรืทางรา่างกายที่เราเรื่องเรียนที่เราวิชาอย่าเป็นปัญญานี่ยง่ายเป็นง่าจากกายขึ้นไปขึ้นไปสู่จิตอีกทีตนึ่งเลยเมื่อตอนนี้เอาเวทนาทางกายค่อนค่ะแล้วพอเวทนาตัวนี้หมายถึงความเจ็บปวดทางกายแล้วพอจิตนะคะหลวงพ่อจิตเราเราต้อง มันการมีคมเจ็บปวดทางแล้วก็มีความเจ็บปวดทางจิตก็ได้ว่าทุกเนีทุกที่เกิจดจากความสูงเฉยๆอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วมันมีที่มาสองที่มันมาจากร่างกายแล้วก็มันมาจากใจ<ภ>แหล่งที่มาของเวทนาทั้งสองหล่งแล้วตัวสุดท้ายคือธรรมตัวนี้หมายถึงว่าก็คือเข้าใจธรรมชาติของมันใช่ไหมธรรมก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการที่จะมาพิจารณากายเวทนาจิต คือสติมากอาเี้มากแปดพู้ชงอะไทำที่เราต้องต้องท่านขึ้นมาต้องรู้ว่าเรามีทํามเห่านี้หรือเปล่าภายในใจคแล้วแล้วคำคาพูดที่บอกว่าเมื่อถึงฝั่งแล้วอ่ะเราไม่มีใครเขาแบกเรือขึ้นไปอย่างเงี้ยความหมายคือไอไอตรงที่แบกก็ไม่พิจารณาแล้ว พอปล่อยว่างหมดแล้วก็ไม่ต้อพิจารณาร่างกายไม่ต้องพิจารณาเวทนาไม่ต้องพิจารณาพอปล่อยไปแล้วร่างกายจะแก่จะตายก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายม่ต้องพิจารณาเพื่อสอนใจว่าต้องเยอะต้องต้องไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายพอไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาคือถ้าไม่ทุกข์กับมันก็ไม่ต้องพิจารณา ยังทุกข์ก็เราพิจารณาต่ อ, อ, อตให้เห็นก่อนจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้เราไปเราไปห้ามมันไม่ได้ก็จะเข้าใจแล้วคะ่ะก็คือไม่จําเป็นต้องดูทั้งสี่เรื่องแต่เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเอาให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยถูกไหมคะให้เข้าใจจริงๆริงก็มันต้องเอาเป็นนักขั้นยากขึ้นไปสูขข่ ข, ขั้นละเอียขั้นขั้นง่ายก่อคือร่างกายแล้วขึงนไปขั้นละเอียดคือใจต่อไ ค่ะหลวงพ่อเออเข้าใจแล้วค่ะห ล, งลวหลงพ่อหลวงพ่อคะแล้วลบกวนถามแล้วทําไมวัดวัดป่าอันนี้ที่หนูไปเนี่ยเป็นวัดป่าวัด ป, ปฏบิบัติอย่างเงี้ยทําไมทําไมถึงไม่มีไม่มีโบสถ์แล้วก็ไม่มีที่เผาศพไม่อะไรอย่างเงี้ยครับว่า ก, กิจกรรมเหล่านี้มันมาทํารบกวนการภาวนาเหมือนไม่ไม่ได้ยอยากจะมีมีโบสถ์แล้วก็มาบวชกันมาอะไรกันทําพิธีในโบสถ์กัน อย่างเงไม่มีไม่ปฏิบัติจะไม่มีบวชเพราะมีบวชแล้วจะต้องมีการบวชนะก็คือจะไม่มีกิจกรรมบุญบางสังส่วนใชไหมใช่งานน้นงานนั้นใช่บุญบางสังส่วนงานศพงานบวชงานอะไรทั้งหลายไม่มีทั้งหมดไม่ได้กินที่หมนบางวันจำไม่ได้หรือจำได้คือที่ที่นี่จะฉันมื้อจะกินมื้อเดียวอย่างเงี้ยเขะหลวงพ่อหนูหนูมีความรู้สึกว่า แทนที่เราไปอยู่ป่าอยู่อย่างงี้ค่ะน่าจะเหนื่อยจะหิวทนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แต่มันสมดาลใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันเ ว, าวนลาภาวนามันต้องจากไม่ต้องใช้พลังงานว่านั่งนั่งส่วนใหญ่นั่งกอดอะไรค่ะหลวงพ่อหิวก็ไม่เป็นไรยิวส่วนใหญ่ก็มาจัดใจไม่ได้อยูจากทางร่างกายเห็้มยทางร่างกายก็ไม่เป็นปนัญหามีบ้าง ปวอาหารมันป็นหิวทางร่างกายแต่ความความทุกทางหิวทางร่างกายมันมน้อยกว่าความหิวทางใจ<ม>พอเราทำาจความหิวทางใจแล้วความหิวทางร่างกายมัไม่เป็นปัญหาอยู่มันได้ค่ะแล้วแล้วที่บอกว่าเอ่ออะไรนะให้ให้เราเขาเาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงเพราเหมือนความทุกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเวทนาเก่าอย่างเนี้ยค่ะหรือพรามันคือไอคือความหิว ทางกายของเราใช่ไหมคะเวทนาเก่าและไอเวทนาใหม่ที่เราจะไม่สร้างขึ้นเนี่ยมันคืออะไรอะคะหลวก็หนูฟังไม่ขับค่ะหลวงพ่อเราก็ไปดูเหมือนกันนะพูดถึงเนิ่นอะไรพูดอยู่มันมันต้องเป็นเหมือนเหมือนภาวนาเพื่อให้ให้ดับเวทนาเก่าแต่ไม่ต้องสร้างเวทนาดับไม่ได้เวทนามันเป็นธรรมชาติเั็นหน้าตาไม่ไม่ได้ดับค่ะหลวงพ่อขอโทษค่ะ คือเหมือนระ ง, งับระ ง, งับเวทนาเก่าไม่ระงับมันคือแต่ให้รู้ว่าให้อยู่กับมันให้ได้เวลามัเนมเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นอของมันเองเราไปวางขับไปสั่งให้มันหายไปไม่ได้เราก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปเหมันโควิดตอนเนี้ย เราทำให้มันหายไม่ได้เราก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปฮะเดียนยี้เขาไม่ไม่ไม่น้องดงร้องดาวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้หม่ๆคิดว่าจะเอาชนะมันให้ได้ม oh. าเอาชนะมันไม่ได้ก็ต้องยอมยอมอยู่กับมันยอมหยุดเย็ยนเนี้ยยอมอยู่กับไปใจก็อยู่ต่อสู้ต่อต้านเอาใจก็เย็ยนทุกคนก็สบายเราก็หาวิธีอยู่กับมันใช้ฉีดวัคซีนไปใส่ใส่แมสกไปมันก็อยู่กับมันไปได้ค ที่ทํางานหนูก็สามร้อยกว่าคนแล้วค่ะหลวงพ่อเป็นมวดแล้วที่ว่านี่ก็เป็นคนขับรถยืนดับบ่ายก็เป็นเด็กเด็กช่วยถ่ายบ่ายก็เป็นรอยยังไม่เป็นรออยู่เดียวเมื่อไหรกูจะเป็นทิ้งคิวลอยเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องแฟนเป็นมาเราก็ไม่รู้ในระดับเป็นใช่มาแล้วเรามันเป็นแค่วันเดียวแล้วหายแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาไมนได้เป็นตัวได้สหลวงพ่อคะอีกอีกนี้นะ่งค่ะหลวงพ่อเขาเล่าพอดีหนูกลับมาเนี่ยมีญาติ เสียชีวิตอะค่ะแต่ว่าก็ไปไปสวดงานศพทนนี้เป็นแบบคนจีนอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาต้องมาเผากระดาษอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นความเชื่อแทนเองไม่ใช่เป็นความจริงเลยเผาไม่เผามันก็ไม่ได้เป็นทําอะไรก็คืประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นคือคนตายก็ไม่ได้ต า, ตายไปแล้ว ค, คนตายจะรับ ไ, ได้ก็เพียงบุญที่เราทำค่ะแล้วก็ไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรเพี้ยแต่ ส่งกระแสจิตไปว่ามูลมันอยู่ในใจเราเแล้วตอนตอนที่สวดกุศลาทำมาตรงเนี้ค่ะหลวงพ่อในสวดคาสวดหรือเราสวดพระค่ะแล้วคนคนที่ตายเนี่ยเขาเขาจะได้หรือเปล่าไอ้นี่เป็นเรื่อที่ทพิธีโกโก้ท่านเองฮะอนี้ตายแล้วเผาเลยแล้วจบนเรื่องอยู่แค่ท่านเองเรื่องของเรื่องของคนตายเนี่ยเรื่องของตายมีหน้าทีเองเนี้ยเขเผาให้เข้ามันรลด แล้วคนฟังคนฟังก็ไม่ได้บุญได้อะไรใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ไม่ได้ฟังกันเนี่ยคุยเนี่ยเพราะมั น, น, <ค>นฟังไ ม, ไม่รู้เรื่องอย่างนี้คะ่ะอ่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เหมือนกับฟังแบบฟังชวนโมโนยังไงคือบางทีเราแค่เหยียดชวนให้าภาพมาชวนให้เราฟังแทนแต่เราถ้าไม่ฟังอย่างนั้นก็ต้องคุยนแล้วคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์แต่การประโยชน์ถ้าเ่อเราตั้งใจฟังท่านชวนกุศราแล้วก็ฟังไปฟังแไปฟังไปก็จะทําให้เราได้สติได้ความสงบมากไม่มากก็น้อย ค่ะหลวงพอ่อคนนี้หนูก็มีประมาณนี้ค่ะหลวงพอ่อโอเคนะสนใจเรื่องเราดีใจไปสนใจเรื่องคนอื่นมากค่ะหลวงพอ่อค่ะหลวงว พ, พ่อสวเองนี่นะขอบคุณค่ะหลตาถ้าบอกว่ากวดสวดตอนที่เรายัางเป็นอย่าไปร้อยคนเาตายแล้วให้คนอื่นเข้ามาสวดให้เรา หนูไม่เกิดประโยชน์อะไรนะของเราหนูก็นึกถึงที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าเราไม่ไม่ทางศีลไม่ภาวนาพอตายไปแล้วก็ไม่มีใครมาส่งบุญให้เราได้นอกจากเราต้องทําของเราเองใช่ส่งไปกันทิศเดียวเหมือนเหมือน น, น้าที่ติดค้างอยู่ในแก้วเราเทแก้วเ ท, ทน้ำในแก้วที้งั้งหมดก็ยังมีเศษน้ำติดในแก้วอันนั้นคือบุงอุทิ้แ ล, แล้แลวที่หลวงที่หลวงพ่อบอกว่าบุญอุทิศเนี่ยมันต้องมาจากถวายทานถวาย อทำทานเพราะเราเป็นสิ่งที่เราทําได้ยังมียังทําไม่ได้รักษาสี่งไม่ยังไม่บอยสุดนั่งสมาธิก็จิตยังไม่สงบมันก็เลยวุญยังไม่เกิดคะแนนนะค่ะหลวงพ่อเกิดแต่เวลาทําทานเนี่ยเกิดทันทีเพราเสียสละเงินน้อยบาทนี่ก็ได้บุญึ้นบาททันทีนะค่ะวอวันนี้หนูมีประมาณนี้ค่ะกะลับขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะพระเจ้าค่ะสาธุาธค่ะ คน้นะดาเชิญตอนน่อมีที่ไหนต้องไปเร็วหน่อยแล้วถึงจะสี่ทุ่มเพิ่มแล้นามสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ประมุการอ่าเมนูวส่งเนี่วันนี้ตรงนี้อากุงขอบุเส้นค่ะพระอาจารย์เส้นนี่ยแลไไแล้วก็ไ่ะอ่าตอนนี้ยองยองน้ำใก่อนพระอาจารย์เพราะว่ามาอยู่ที่เขาชิออนไงอ่อยากาศดีไหมอยน่ันเดียว ก็ดีค่ะพอดีว่าโยมเชิญเพื่อนมาคนนึงด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็อยู่แหลังกันก่อนต่างอยูใช่ค่ะแต่ว่าเชิญเขามาเข้าซูมกับอาจารย์ด้วยค่ะกราบอาจารย์ชื่ออะไรคือคิดค่ะอ๋อมาตรการเจ้าค่ะอ่าเดินตอนมีอะไรไหมอยากจะถามอย่างอะไรไหมสี่ทั้งเลยก็ได้ฟังจากที่พระอาจารย์บอกแล้วค่ะก็เหลืออย่างเดียวภาพเคลื่อปฏิบัติ อหอมันคงสมบัตเสมอเจ้าค่ะอช่วงนี้ก็พยายามจารใจสะติให้มากมากให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงมากคิดถึงคนนั้นคิดถึงันนี้ ใ, ให้อยู่ที่เขาจอนเจ้าค่ะให้นิ่งให้สงบอย่าคิดปรุงแต่งทำพุโทโธสวดมนต์ไปก็ได้เวลามีแบบว่าอายตนะเข้ามาเช่นเสียงความคิด ที่มันผุดขึ้นมาค่ะอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจให้กลับมาที่หลวอโจที่ลมหายใจพุทโธต่อใช่ไหมที่มันโผล่ขึ้นมาเพราะเราไม่มีพุทธโถเราไม่มีไม่ดูลงมันก็เลยผุดขึ้นมาต้องพยาให้ดูลงแล้วให้พุทธโถไว้วมันจะได้ไม่ผุดขึ้นมาอาจารย์จะได้สงบได้ตอนรู้สึกตรงเกี่ยวกับเวทนาค่ะพระอาจารย์ เรารู้สึกเหมือนว่ามีตัวมันจิตมันไปคิดนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นนาทีที่จะตายอ่ะคะ่ะ<ม>ถ้าเราหมายถึงเมื่อแยกคือเวทนาเกิดที่ขาเจ็บเนะะี่ยค่ะพระอาจารย์คือเรารู้แต่พอเหมือนแบบว่าฝึกทนไปเรื่อยๆใจมันเจ็บน้อยลงมันเกี่ยวน้อยลงอะคะ่ะเมืมีส่วยจะทํำที่ดีนั้นอันนั้นมันเป็นแต่ใช้ความอดทน ถ้าจะให้มันสบายจริงต้องข้ามองมันด้วยปัญญาว่ามันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมชาติน้ำดินฟ้าอากาศเนี่ยดินฟ้าอากาศถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่ทรมานแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่เราจะรู้สึกทรมานใจขึ้นมาเกิดความอยากไม่ฝนตกนี่เราก็จะไม่รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากฝนใหญ่งะตกกป่อมันตกไปแล้วก็สบายเฉยๆบางที เ, เหมือนกับ มันจะทนไม่ไหวด้วยนะคะพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องหยุดมันหยุดความความทรมารย์ในการทําพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ค่ะที่มัทําไม่ไหวเพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมความอยากความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากลุกขึ้นมาอยากจะหนี้จากมันไปไม่เลยทําให้เราทรมานใจแต่ถ้าเราบอกว่า้เราเกิดอยู่ในสภาพที่เราหนไีไม่ได้จะทําไงทำให้มันดับมันไม่ได้ เราก็ต้องเหมือนกับฝาดหลังชนฝาแล้วถ้าหลังชนฝาแล้วก็ต้องใช้สติช่วยใช้ปัญญาช่วยแทนเมามันาใชใช้สติก็ทําวุตโตวุตโตวุตโตไปไม่ต้องไปสนใจกับการเจ็บมันจะเจ็บก็่ไปมันเจ็บไปมันใช้ปัญญาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้ยังก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็อยู่หับไปให้ได้เหมือ้กับโควิดเนี่เราใเราหัดอยู่ของมันไปให้ได้ อยู่ด้วยมักอยู่ด้การฉีดวัคซีนอยู่ในการใช้หน้า ก, กากอันนี้เป็นการวิทยาแล้วก็ร้องผอยู่กับมันอยู่ด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะมาก็ต้องให้มันมามันจะไปก็ปว่อยมันไปอ่าเรก็จะอยู่เราก็จะอยู่กับมันได้จไม่ไมันก็จะไม่มาทําให้เราทรมาร์ตใจหนูพยายามจะปฏิบัติเรื่อยๆค่ะ เ้าลองทำไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆให้มันเจ็บเรื่อยๆแล้วก็ลซ้อมไปเรื่อยๆหรือว่าเราใช้วิธีใช้พุทโก่อนก็ได้มใช้ปัญญาก็ได้เราใช้ดูเดี๋ยวก็ได้เองมันเป็นเหมือนกันลองลองผิดลองถูกไปตอนเดี๋ยวพอมันเข้าใจป่ะ อ, อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ปล่อยพรปล่อยแล้วทำไมมันจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วก็อยู่ของเราไปต่างไปต่างอย้่ไป<ะ> อ, ยอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากให้มันหายอย่าง อยากไปนังเกลียดเขาอยากไปไปโกรธเขาเกลียดเขา ต, ตอนรับเขาตอนนั้นบยินดีตอนนับค่ะพระอาจารย์คะจิตสุดท้ายมันทําให้แบบนึกไปถึงตอนที่แบบว่าสุดท้ายจิต ท, ที่มันจะออกจากร่างเวลาตายอะค่ะมันรู้สึกจิตสุดท้ายมันเกิดจากการกระทำต่างๆของเราในปัจจุบันนี้นั่นเรา จิตสุดท้านี่เป็นเหมือนยอดยอดเอ ง, งินฝากยอดยอดยอดนี่ของเราเราไปเราไปเราไปแต่งยอดไม่ได้แล้วมันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรไว้มากน้อยเท่าไหร่แล้วจิตสุดท้ายมันก็จะเป็นผลเกิดจากการกระทําของเราไม่ใช่ว่าจิตสุดท้ายมันจะเบาๆทำให้ใจนิ่งสงบแล้ที่เราตอนที่เราตอนนี้เราไม่ไปทำอะไรไม่ได้ถ้าอยากให้จิตสุดท้าเราสงบเราก็ต้องมาปฏิบัติทําอยู่เรื่อยๆ มันนึกไปถึงว่าตอนสุดท้ายเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนตายแบบไหนหรือว่าเจือดทุกขเวทนามากขนาดไหนอะคะ่ะ<อ>คือถ้าเราพยายามมาฝึ ก, กจิตให้มันเราจนอยู่ในระดับที่เราควบคุมบางขั้มมันได้ให้มันสงบได้พอตายเวลาไหนเราก็ทำให้มันสงบได้แต่ถ้าเราไม่มาฝึกก่อนตอนนี้เราควบคุมมันไม่ได้ใช่ไหเจ้าค่ะอา่าแนลยเขใจจังอ ไม่ใช่มันจะมารอทําตอนจิตสุดท้ายมันทําไม่ได้ตอนนั้นมันสายแล้วนะ่เหมือนเข้าห้องสอบแล้วจะไปค่อยไปดูหนังสือว่าไม่ถัดการต้องดูหนังสือตอนนี้ต้องซ้อมใก่อนแล้วทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนพอทําได้แล้วเราพอไดจิตสุดท้ายมันก็จะทําตามที่เราสั่งได้ขอบพระคุณเจ้าพา่ะานันเราถึงต้องมาปฏิบัติทําอย่างะไรไม่ใช่เที่ยวเล่นกันให้สงบ เราหวังว่าวาจิตสุดท้ายเรามาทำจิตให้สงบมันไม่สงบแล้วนะพัจจแล้วน ะ, จะนะใจค่ะนะครับวัดวัดเชิญมีอะไรไหมวันนี้เขาหลวงพ่อวันนี้เขาสอบถามว่าทำไงให้กุศลกับเอ่ออะไรนะเอ่อความที่มีและโอตัปะแนบแน่นกับจิตให้มันมั่นคงมากที่สุดอะครับหลวงพ่อ ก็ต้องทำด้วยสติให้มีสติแล้วทุกอย่างมันจะตามไปมีสติแล้วก็จะสามารถทำผู้คิดไปทางผู้นได้คิดเป็นทางอุตปตะปาได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปทางกิเลสมันก็จะเป็นหน้าหน้ากิเลสมันจะทำให้เราได้หน้านต่อความไม่กลัวบา เราต้มีสติก่อนึกสติแล้วเราสามารถจะดึงสั่งให้จิตมันเข้าหาอุตตระเข้าหากุศมได้ถ้าไม่มีสติกิเลสมันก็ยังดึงให้ออกไปหาอกุศลต้องให้ดึงดึงจิตให้มันเหมือนแน่วแน่ในกุศลคือแบบทานศีลภาวนาะให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับหลวงพอ่อต้องมีสติก่อนต้องมีสติ เอาพุทโธให้มันรู้พุทโธหนึ่งจิตให้เนื่องก่ันหนึ่งจตให้เนืดแล้วต่อไปก็สั่งให้มันเข้าหากุศลได้เข้าหาให้แบบนั้นได้ก็เหมือนเวลาอกุศลเกิดขึ้นในใจปั๊บไปใช้กุศลที่สติกับกับอกุศลที่แบบความโกรธโลภโกดหลงอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้ามันไม่เกิดมันไม่ได้ต้องฝึกเลยจะอยู่ดีๆให้สติมันโผลขึ้นมาได้ ก่นจะพุโทโธได้แต่ละขั้นมันง่ายนช่ไหมเราพอถึงเวลามันไปทางอกษษษษุศลคุณยังเดินมันกลับมาได้ถ้าคุณไม่มีสติถ้าคุณไม่ฝึกสติไว้ก่อนนั่นต้องฝึกสติไว้ก่อนให้มีสติเรามีสติแล้วพอมันไปทางอกษษษุศลนั้นเดินมันกลับมาได้หนึ่งมันได้พุทโทพุโทโธพุโทโธมันก็หยุดแล้วมัก็หยุดไม่ไปทิศทางอกษษษุศล พยายามฝึกสติให้ม า, มากให้ได้ก่อนทำเรื่องการตื่นจารับให้ได้ก่อนเพราะอากุศลมัการหน้าตลอดเวลาตั้งตื่นจนหับช่วงไหนไม่มีสติมันก็อากุศลจะโผลขึ้นมาได้ถ้าม<อ>ีสติมันก็ผล่ขึ้นมาไม่ได้โอเคแลต้องรีบไปไหนแล้วสารทึ่งๆก่อนนะนี่ยเหลือยี่ห้านาทีคนยังเหลือเกือบสิบคน คุณสมชายจากอเมเพนซิลเวเนียมป็นยงไรวันนี้มีอะไรไหมครับกาทนามัสการท่านครับก็ก็กมันมีอะไรมากครับก็เพิ่งไป oh. บออปซีมาได้สองอาทิตย์ก็เลยไม่ได้เข้าท่านสองอาทิตย์เลยก็เลยก็เลยคิดถึงเรื่องมีมีบางท่านพูดว่า การเป็นการตายนะฮะผมก็เลยใช้ตอนที่ไปหาหมอเขาตัดเนื้อออกมาไปเช็คดูว่าเป็นอะไรไหมเป็นมะเร็งเป็นอะไรไหมผมก็เลยใช้ฟูดโทหมอก็ตัดไปเรื่อยผมก็ฟูดโทไปเรื่อยอันนี้ก็ใช้ได้ครับหลจากนั้นครับหลังจากก็เลยพักพื้นอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับก็เลยคิดว่า ก็เลยจําท่านได้บอกว่าที่ตั่งท่านท่านพูดว่ามีมีมีบุญไปด้วยอะไรที่ก็จะเข้าห้องสอบจะไปทําวันนี้มันไม่ทันแล้วอะไรเนี้ยก็ก็เหมือนผมก็เลยเออนี่ก็น่าคิดครับดีต้องทำการบ้านบ่อยขยันทำกันบ้านฝึกสติอยู่เรื่ อ, อยเนี่ยต่อไปเวลาเจอข้อสอบจะได้ทําได้ครับก็ผม ตอนนี้ที่ถ้าเคยได้รับปากกันเดือนก็กว่ามาแล้วว่าไม่ไม่ดื่มแล้าผมไม่ดื่มแล้วแลวอลกอฮอล์แบบอเลิกการแล้วก็พยาพยามจะพยายามจะอ่าทานข้าวไม่ทานข้าวตอนเย็นแล้วก็นอนที่พื้นผมก็พยายามทํากันอยู่ครับทำเล่นแลจะได้มีเวลามาท๊าอมาฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นมากขึ้น ครับก็อันนี้เป็นการสําคัญผมก็เลยมานลกได้แล้วเออท่านบอกว่าอ่าท่านบอกว่าถ้าตายไปแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้หลอกไม่ได้อะไรไปหรืออะไรนี้ก็ได้แต่กองทุนที่เอาไปด้ว ย, ยงเง้ยนะผมก็เลยเออในก็น่าจะเริ่มทำทำได้มากเท่าไหร่ก็เอาไปได้มากเท่านั้นทําได้น้อยก็เอาไปได้น้อย โอเคนะมีอะไรไหมครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับเป็นงานที่คนเซติพงศ์จัดเซติพงศ์ใช่รับน้อมสการระอาจารย์ครับอยู่อยู่ชนบุรีครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องเข้าประเด็นอะไครับถ้ามีอะไรก็ถามได้เลยครับผมขอขอกับโอกาสขอโอกาสพระอาจารย์ครับเรื่องเรื่องการเจริญอปัญญานะครับอาจารย์ เ บ, บืบ้องเื้องต้นนี้ปัญญานี่ก็เกิดเกิดขึ้นเบื้องต้นนี้คือเกิดจากการฟังใ่ใช่นะครับทีนี้พอการฟังแล้วก็ทีนี้เรามาพิจรารณามาไใส่ตรองจาก<อ>าจากทำที่ที่เราได้ได้ครับจะได้เข้าใจเลึกสิ่งมากขึ้นครั บ, รบก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการฝึกทีนี้ขั้นขั้นเนี้ยมันต้องอาศัยสัญญาคือคือความจำํำจำจำน่ราระคินไปหน่อยครับก็แล้วก็ความแก่ความเจ็บความตายที่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ทำมาแต่ดน้ำลงไปอะองเราเนี้ยเ็นทีจำไม่ให้ลืม<อ>ไม่ให้ลืม <c oughs> ทีนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เราจําเนี้ยมันมันมันจะรู้ว่ามันมันมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารสุดท้ายแล้วมันต้องวางวางสัญญาวางสังขารตรงนเนี้ยให้ให้มันรู้จริงเขียนจริรงโดยตามธรรมชาติ úc, าเวลามันเจ็บใครไรัไม่เลื่องแล้วบอกอ๋อมันเป็นธรรมดาความเจ็บไข้ แต่ถ้าเราเลยว่ไม่อยากไม่อยากให้มันเจ็บอบไรเนี่ยเพราไม่อยากให้มันเจ็บก็เลยทรมาร์ตใจก็เลยเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันทำมากขึ้นก็คือธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นก็อาศัยการพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ครับอาจารย์มันมีการพิจารณาแล้วก็ต้องมีการเสื่อมในการสิ้นสุดเนี่ยครับสุดท้ายให้ผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ยอมรับแล้วก็เข้าใจยอมรับแล้วก็ปล่อยวางอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไป ครับสุดท้ายมันก็ครับผู้รู้ใจมันก็จะว่างจะวางไปเลยในเมื่อสิ่งที่มันพบมาก็จะไม่ทุกับอร์เซ็นที่จะดับไปครับสาธุครับอาจารย์ครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมจะได้ไม่รบกวนท่านเดือนครับอตอนนี้ต้องไปเร็วหนแล้วะเพราะอยู่ในยที่นัคนตายเช่นอย่างอย้านกลน้อมกลับพระอาจารย์ค่ะก็ นั่งสมาธิบ้างไม่ได้นั่งบ้างคะ่ะพระอาจารย์สติอ่อนมากเวลานั่งสมาธิหลับตาปุ๊บจิตใจมันก็ไปทั่วเลยคะาา่ะพระอาจารย์พุทโธกม็มีสติเลค่ะแต่ก็พยายามนะคะก็คือดึงดึงมาอยู่กับลมหายใจแต่พอนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะใช้พุทโธหรือว่าดูลมเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์เออเอาอย่างใดอย่างหนึงง่ายกว่าเอาสองอย่าง ถ้าเอาสองอย่างได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราค่ะเพราะว่ามันจะมันตีกันนะครับราาอาจารย์ตีกันเ <ทร S 1> ขาอย่าง เ, เาดื่องเดียวอ่าแต่ว่าอา่าพอเราพอเราพอเราเอาอย่างเดียวปุ๊บเราก็จะมาคิดว่าเราจะเอาพูดโถให้ตรงไหนดีตรงทิ้นปีตรงใจต้อ ง, งไม่ต้องพี่ต้องที่ารณาต้องที่ความนะคิดอย่างนะี้ให้อยู่กับควาคิดค่ะอาจารย์ ไม่ต้องไปวางไว้ไม่ต้องไปวางไว้ที่น่ากายให้อยู่ให้ัให้มันอยู่ในใจให้มันถูกตัอยู่ในใจอ๋อค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุคุณโรเบิร์ตเชนต์ะคุณโรเบิร์ตนี่ไหนโรเบิร์ตคิโยซากิคิโยซากินวัการค่ะพระอาจารย์เข้ามาอยู่จังหวัดปทุมครับ S <S 2> <S 2> ชัดเจนนะครับชัดเจนมีอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีปิติสมมุติว่ากลับมาได้ปิติกันนะครับแล้วต้องตรงตรงนั้นไว้ตลอดทั้งวันให้เกิดแบบสมาธิรู้สึกตัวอย่างเราเกี้ยวข้า ห, หรือเราขยับร่างกายแล้วเรารู้สึกตัวครับเราต้อง ทำตรงนั้นไว้หรือว่าคือตอนนี้ไม่มีแล้วครับแล้วถ้าเกิดเรามาเข้าสมาธิอย่างเงี้ยให้เกิดอาการแบบนั้นหรือว่าเราก็เราเป็นสภาวะเแบบว่างๆอะไรแบบนี้ครับคือให้เราอยู่กับพุ้ยเธอแลอยู่กับลมไปส่นอะไรมันจะเกิดก็ปานมันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติมันเราเราอย่าเอาไปใจเราไปคิดถึงสภาพที่เคยเป็นในอดีตแล้วมา มาม า, มาสร้างมันขึ้นมามันไม่เกิดเราต้องอยู่กับวงแล้อยู่กับพุโทโธไปเคีอย่างเดียวเมื่ออยู่กับลมแล้วแล้วพอเราแบบว่าไม่มีตัดาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราแบบนิ่งนิ่ก็ให้นุชเฉให้มันนิ่งใก็พยามักษาความนิ่งให้มันนิ่งไปนื่ออยู่กับลมแล้วแล้วพอเราแบบว่าไม่มีตัดยาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราแบบนิ่งนิ่งท่นนินก็ให้นุเฉยๆให้มันนิ่งให้ก็พยายามรักษาความนิ่งให้มันนิ่งไปนานๆให้นาน ๆ, นานๆที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ทําอย่างนี้นะแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกคร แต่ให้มันถ้ามันถึงโมงเบิร์ขาแล้วปล่มันอยู่เฉยๆได้ถ้ามันอยู่เบรคขาแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมันก็จะอยู่ของมันางนั้นครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับกจนเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับเชิญคนกายพิตอนนี้เป็นอยู่บ้านจะวิ่งมาละท่านมาที่นี่เหละคุณกายพิษวิ่งไปแล้วครับอาจารย์ครับวิ่งไปแล้วนอาทิตย์ที่แล้วเลยกี่ับวี่งวันจันทรเนี้ครับอาจารย์ครับ ก็เป็นไปคําถามที่จะมาถามพระอาจารย์พอดีครับว่าเที่ยวนี้ อ, อผมผมวิ่งเวลาดีกว่าที่ควรจะเป็นเยอะมากเพราะว่าระหว่างวิ่งเจริญสติพุโทโธพุธโอเกือบตลอดเส้นทางครับมัจนจะไม่ยุ่งยำง่าไม่มีรนั่สตินั่นเปนจะไม่ป้ายเหอยอ่าใช่ครับพราะเมื่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผมวิ่งมาแล้วอนที่กุเทได้สี่ชั่วโมงสิบเก้า แต่เมื่อวันจันเนี่ยวิ่งทีบอลจันได้3ชั่วโมง44นาทีครับอาจารย์อาจจะเป็นพอากาศมันมันเย็นมันสบายกว่าอ่าใช่ครับใช่ครับ<ม>ก็ก็เรื่องเรื่องอยากจะเรียนถามอยาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าพลังสติมันจะช่วยสนับสนุนกําลังกายในใน ใ, ในโลกนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือใจเป็นใหญ่ท่านใจมีพลังมันกายก็ต้องทําตามกับพลังของของใจ แต่ท่านใจไม่มีพลังเนี่ยมันก็มันก็ไม่สามารถดึงดึงกายไปตามตายไดค้ครับครับแล้วส่วนานใหญไม่อยที่กำลังใจเป็นหักถ้ามีกำลังใจให้แม้คเราบาเทีมีกําลังใจสามารถทําะไรที่เราไม่คาดฝันได้เวลาใช่ครับใช่ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เอ่อพลังของกายเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพลังสมาธิเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่า ก่อนหน้าที่ผมจะทำไอมันมันบอสตันมันต้องคอลิฟายมันต้องเอ่อวิ่งแบบเร็วมากผมตอนนั้นผมทำได้สามชั่วโมงสิบสี่นาทีอะครับที่คอลิฟายเข้ามาแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ไม่ได้ฟิตซ้อมร่างกายผมก็อยากจะกลับเรียนถามว่ามันก็คล้ายๆกับสมาธิใช่ไหมครับว่าถ้าเผื่อเราทำจนนิ่งจนได้เบรกขาดอะไรต่างๆแล้วเราไม่ทำต่อมันก็จะสายได้ใช่ เมือนกันอือครับครับครับพระอาจารย์ครับก็วันนี้กับเท่านี้ครับพระอาจารย์เคยมาที่บอสตันบ้างไหมครับไม่เคยไปอยู่จต่ทางเวสต์คางแคลฟอร์เนียใช่ครับนี่มาไกลมากเหมือนกัต้องนั่งเครื่องวันต้องหกเจ็ดชั่วโมงครับพระอาจารย์ครับกลับนะบ๊าสการครับครับเมื่อไรจะกลับลไปไปเดือนครับพระอาจารย์ครับเอครับผมครับครับอทุครับ เพืน่นเกิดเชนเกิดปันเดตอันนี้เข้าประเด็นเลยนะครับกับนักรัชการครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินมาเลยก็เออเหมือนพุธที่แล้วอาจารย์บอกว่าเออเวลาแบบฟังเขาบ่นอะไรเงี้ยก็ใจพุโธเข้าช่วยครั บ, รบแต่ก็มีมีบางวันครับที่แบบทนไม่ไหวก็เลยแบบออกไปที่สงบสงบทาใจสบงบางบ กะ ไ, ได้อย่าไปตอบโต้เขาแล้วกันอย่าไปาไปหวเขาไหวในที่เราถ้าเราปิดร่างกายได้ก็ปิดร่างกายออกไปถ้าปิดร่างกายไม่ได้ก็ปิดใจอย่าให้ไปนสนใจพุโทโธพุธโทโธพุท่วนไปไปในใจนม<อ>จ<ะ>ีแต่แต่จะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โทจะโทสัจจริตสูงนะครับอย่างนี้นอกจากพุโทโธแล้วมีอย่างอื่นไหมครับ ก็ต mm ้องลดลดความอยากของเราอย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากเขามันก็จะไม่มันก็จะไม่โกรธเขาอย่าไปหวังว่าเขาต้องทำอย่างนันต้องทําอย่างนี้เราก็ไม่ทําตามที่เราหวังแล้วเราก็จะปโกรธเขาอย่าไปหวังมันจะได้เราจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธปล่อยเข้าไงอ่ะเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปเพราะหวังอะไรจากเขาไม่ได้ ก็พอดำทำหน้าอาจารย์ช่วยครับเดี๋ยวเดินหน้าครับมีเจ็ดแปดเก้าครับก็จะพาลูกไปเที่ยวแถวพัชยาครับว่าจะแวะไปกับอาจารย์นะครับ<ด>้ถ้าเป็นวันจันทร์นี่คืออาจารย์อยู่กี่โมงนะครับก็กลับจากีน้บางช่วงนี้ประมาณเจ็ดมงคึ่งอยู่ถึงสาราประมาณเก้ามงกว่าพิกสุด <3 S 1> ที่ <3 S 1> สาราที่วัดใช่ไหมวันธรรมดาครับใช่ครับ โอเคมีอะไรรหมไม่มีแล้วครับให้ท่านอื่นนะครับโอเคขอบคุณครับท่านใคงทารเลย่านเฉลยใช่ไหมเชิช่ค่ะอาจารย์่ที่ไหนจ้าอ่าข้างบ้านน้องฟังวะไรอารจิรชาแค่เข้ามากราบอาจารย์เฉยๆค่ะอาจารย์ท่านตอนนี้ร่างกายดีเป็นมใช่ไห ก็ <Banana. S 1> ปกติดีค่ะอาจารย์แล้วก็อยู่กับปัจจุบันค่ะพยายามรักษาใจสงบร่างกายจะเป็ดเแลก็ดูแลไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะเน้เคต่อเน้เคเชิญอยที่ไหนเน้เคอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะ มนมาสักการณ์าจารย์คะอยู่ญี่ปุ่นค่ะพอดีวันนี้มนันอะไร ก, ก็ยากค่ะโอเคมีอะไระมีคำถามค่ะพระอาจารย์คือเข้ามาฟังอย่างในห้องนี้นะคะก็เลยมีคำถามว่าการปฏริบัติธรามมีจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องคิสต์ดีหรือว่าคำศัพท์ต่างๆในพุทธศาสนาก่อนเพราะว่าบางคำศัพท์ ก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไรกันเหมือนกับฟังคุณหมอเขาคุยกันแล้วเราเป็นคนป่วยนะคะเราก็นั่งงงงเอ๊ะเราต้องไป น, นั่งอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นเราค่อยมาเจริญสติดีไหมหรือว่าสามารถทําได้พร้อมๆกันค่ะทําได้พร้อมๆกันทําไหนเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปค้นหาหรือถามทังคนที่ก็รู้ว่ า, มาหมายความว่อยมันมีไม่มากสักไปเฉพาะถ้ามาทําห้องปฏิบัติที่เราใช้ภาษาไทย แต่ถ้าไปคุยจากพ้องที่เขาใช้ภาษาบาลีทั้งหมดนี้ก็จะต้องต้องไปเรียนบาลีก่อนค่นนะเพราะบางทีฟังฟังเอ๊ะเหมือนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเหมือนเข้าไปแบบหรื อ, อหรือหรือเรากําลังทําดําเนินทนี่เราต้อมีบ้างมีภาษาที่มันเป็นภาษาที่มันไม่มีภาษาไทยแล้วเขาใช้ภาษาบาลีเช่นสังโยบอะไรอย่างเงี้ยกิเลสตัณหาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปปิดปิด ไปค้นหาตึงตึสงสามได้อ๋อ ไ, ไม่จําเป็นต้องไปหาตำรา อ, อะไร ม, มาอ่านก่อนไม่ต้องอ้าถ้าเราถ้าสมมุติถ้ามาที่นี่เราส่วนหจะใช้ภาษาไทยกันนอกจากว่าเป็นคำที่เรามันต้องมันต้องใช้ภาษาบาลีภาษาบาลีใช้คอนิทยาศาสตร์สี่อะไรเนี้ยพิธีบาศีเนีะยต้องเป็นภาษาบะไรแต่ก็แต่ถ้าเราฟังเราก็จะเข้าใจ เพราะว่ามันมันจะพูดถึงรายละเอียดของมันเป็นภาษาไทยอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังพยายามเจริญสติให้ได้อยู่อ่ะค่ะอ่แล้วติดรู้หลักสำคัญกว่ะไม่ต้รู้มากรู้สติตัวเดียวนี้ก็ได้กำไลเยอะแยะค่ะมีมีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคมันจะน่าพูด่ขอทอมอ กรับาารย์ครับอาจารย์ออยรตอนแรมีคาถามตอนนี้คำถามตกผลึกไปแล้วครับเข้าใจแล้วคุณตาอยรือล่าอยู่ครับอยู่ ใ, ใ, ใ, ใจจกล้ๆแต่ว่ามีติกสาอยู่โทรศัพท์อยู่ครับอย่างเวลาทานวิเชียรที่ว่าไปปิดเวรนี่นีครับครับก็คงจะเร็วๆนี้ครับโอเคมัคนสามารถจตัดจาก u เ a d a l l a ด a c c e s s กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณพ่อและลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะวันนี้อขอร้องความเชิงนะอ <c oughs> ปฏิบัติดีอยู่นะ <c oughs> ปฏิบัติดีปฏิบัติช่อบอยู่นะสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะพันโนความใจในบอกความใจให้ฉันอกว่าถือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติช่องนะความใจค <c oughs> ุณทายแสดงว่ายังไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอเคกลับมาคุณสาธุเจ้าค่ะ คุณจอยกลับมาหรืยังกลับมาพัทยายังกลับมาแล้วค่ะเอี่ยเปยังไงนุ่งลนอนกันหมดแล้วเหรอคะนอนคนละห้องกันค่นะแล้วพาเขาไปไไป่ า, าดูค่ะไปชายป่าเนี่ยสาวใช่ไหเดี๋ยวดูว่าถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ว่าจะเป็นพรุ่งนี้คือพาจานตอนนี้คือมาเร็วกว่าเดิมใช่ไหมค่ะใช่เลยเดี๋นี้วันนี้ ยังไม่ทันเจ็ดโมงก็เสร็จแล้วเรัมาชายังไม่ทันเจ็ดโมงาหนึ่งบาเสร็จแล้วอ๋องั้นต้องตื่นเร็วพอเดินเนี่ลนะมาถึงบ้านอำเภอประมาณหกมงวันหกโมนิดหน่อยมาทีอยู่ที่ว่าคนใจเยอะคนใจไม่เยอะถ้าไม่เยอะมันก็ยิ่งยิ่งเสร็จเร็วใหญ่ถ้าคนใจเยอะก็ช้าหน่อยไอเยอะไหมคะวันวันธรรมดาวันน้อยนะ อันนี้น้อยมากมื่เกิดเที่กับวันเสาร์ที่พอดีมันเป็นหลังหลังสองกลางไงช่วงสองกลางคนใส่กันเยอะพอพอมาวันหลังสองกลางมันก็เลยนนทรวออกมาเลยค่ะแล้วก็เลยเสร็จเดี๋ยวปิดจาเสร็จเลีวคนเราไม่ทันเงนเยอะอเดี๋ยวไปใส่ไว้ค่ะโอเคได้ถ้าเาที่นี้ก็ถึงคิวของคนร้าแล้วมี เป็น้องมีเท่าไหร่เนาะยูทูบมีเท่าไหร่ว่าอะไรมีคําถามจากทาง facebook และ u t u b e ทั้งหมดเต้าคำถามเช้ค่ะ <c oughs> คำถามแรกจากคุณโทรวธรรมวิธีปฏิบัติชาวพุทธกับปฏิบัติวิถีสมมุติเทพมันแตกต่างกันไหมครับในยุค2022ครับรแล้วทำไมไม่ทราบความหมายว่าสมมุติเทพยังไงมาทำอะไรอย่างไรต้องข อ, ไ, อไปเลยตอบไม่ได้เพไม่รู้ าารสม เ, เป็นยงไคำถามต่อไปจากคุณอ้อวันวารางกลาบนรมาสการพระอาจารย์ค่ะตื่นมาตอนเช้าที่ให้นั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนไหมคะหรือว่านั่งได้เลยกลาบนมัสการค่ะถ้านั่งไม่หลับก็นั่งได้เลยถ้านั่งหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ก, ก่อนคำถามต่อไปจากคุณเดือนภูษามีคําถามกลาบเรียนพระอาจารย์ค่ะ ถ้ายัดยาตแฟนไม่ให้แฟนกลับบ้านแต่ตอนนี้แม่แฟนป่วยหนะักเราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะนั่งรถจะถึงอยู่แล้วด้วยคะ่ะทำตัวไม่ถูกเลยจะดื้อดึงไปต่อหรือว่าจะหันหลังกลับดีหนูไม่รู้จะบอกแฟนอย่างไรให้เขาเข้าใจแต่เป็นหนูต่อให้รู้ว่าจะต้องถูกด่านหนักขนาดไหนหรือจะต้องถูกตีตายหนูก็ไปต่อรบกวนพระอาจารย์สอนสั่งเรื่องนี้ทีค่ะ เขาก็ฟังพระอาจารย์อยู่ตอนนี้ค่ะก็ดูซิว่าใครสำคัญคกับการการถูกทอด่านและการไปแสดงความกดตันเยอะกับพ่อแม่เราเนี่ยไดนสำคัญกับกนแล้วก็เลือกเราตัดสนใจค่ะคำถามต่อไปจากคุณเนตปนิตากราบเรียนสอบถามค่ะที่พระอาจารย์สอนอาจารย์สายทิพว่า ถ้าจะชนะความปวดแล้วพุทโธไม่อยู่ให้สวดอิติปิโสไม่ทราบว่าถ้าระหว่างนั่งสมาธิแล้วปวดมากหนูใช้วิธีระลึกรู้ความปวดตามความเป็นจริง b a r awareness โดยพยายามวางใจเป็นกลางๆางไม่ต้องการให้ความปวดหายไปเพราะก่อนหน้าหนูฝึกแนวพองหนอยุบหนอและใช้วิธีรับรู้ความปวดตามความเป็นจริงแล้วใช้ได้ดีมาตลอด ใจสงบดีมากทั้งทั้งที่ร่างกายปวดมากๆพอร ะ, ะลึกรู้สักพักความปวดทวีความรุนแรงหนักมากจนร่างกายแทบแตกจนสุดท้ายความปวดดับสนิทไปไม่ทราบว่าถ้าปวดหนักๆจะกลับไปใช้วิธีระลึกรู้ความปวดตามความเป็นจริง bare a w a r e n e s สลับกับดูลมจะผิดไหมคะใช้ได้ไหมคะถ้าเราเคยใช้ได้แลันก็งาจะใช้ได้ต่อ ไ, ไป ถ้าเลองทำเลยแล้วเป็นวนาจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองคำถามต่อไปจากคุณพิชัยขอเรียนถามครับทำบุญอย่างไรถึงจะส่งผลบุญถึงคนที่ตายไปแล้วได้ครับก็ทำทานเนีทำททานสังฆทานไม่ว่าวัดวัดถือทานหรือว่า อะไรก็ได้ที่เกิดจากการเสียสละของเราก็เราก็จะสามารถเอาบุญที่ได้จากการนำทานนี้อุทิศบุไปได้ใส่บานรไหว้สังฆทานโดยจัดเหมือนให้่าน้ำ้ำคาบไปวัดหรือจะไปทำบุญกับโรงพยาบาลหรือขอเต็งหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ท้านทำไปแล้วก็สามารถเอาบุญที่เราทำนี้แบ่งให้คนตายนะ คำถามต่อไปจากคุณยุทธศักดิ์วิธีปล่อยผู้รู้ควรทำอย่างไรครับผูร้รู้ไม่ต้องปล่อยให้ปล่อยสิ่งที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นปล่อยร่างกายปล่อยเวทนา้ไม่ต้องไปปล่อยคำถามต่อไปจากคุณซีเรียนลูกชายโยมเป็นลูกครึ่งอายุสามสิบแล้วเขากำลังนั่งฟังธรรมกับโยมในขณะนี้เขาฝากถามว่า หน้าที่ที่ลูกชายพึงกระทำต่อพ่อแม่ที่ดีที่สุดคืออย่างไรกราบขอบคุณค่ะก็เบือ้องต้นก็ให้ความเคารพกับพ่อแม่เทิดทูนพ่อแม่แล้วก็ข้อที่สองก็เชื่อฟังับสัง่งคำสอนขอพ่อแม่ยกเว้นว่าถ้าคําสอนนั้นมันผิดกับคําสอนของพระเจ้า ก, ก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้เช่นถ้าพ่อแม่บอกให้ไปกินเน่าไปเที่ยว เข้าบารเข้าผักนี้เข้าสังคมมากอันนี้ก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องเชื่อถ้าเราเช่าอยู่บ้านเราเข้าไม่ต้องไปว่าพอพ่อแม่ค้าบคัวเราจะไม่มีแฟนจะไม่มีสังคมเขม้าว่าจะบอกให้เราไปกินเหล้าไปเข้าบาร์เข้าผักบ้างอันนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าพ่อแม่เขาบอกให้เราทําสิ่งที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์เราก็เชื่อได้เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ พยายามนับใช่พ่อแม่ทํางานให้กับพ่อแม่เลี้ยงพ่อแ ม, ออแม่ถ้าพ่อแม่เลี้ยู่ตนนูตนเองไม่ได้ถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปก็ทำบุญที่ให้กับพ่อแม่ไป น, นี่ก็สิ่งต่ตางๆที่เราทําให้กับพ่อแม่ได้มีสองคำถามต่อเนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลามีชีวิตอยู่หากฝึกสมาธิหรือพุโทโธหรือดูลมหายใจเอาไว้แล้ว ตอนเราตายไปเรายังจําสิ่งเหล่านี้ได้อยู่ไหมคะไม่หรืที่ว่าเราทําได้มากได้น้อยถ้าทำน้อยบางทีมันอาจจำลือได้แต่ถ้าทํามากกจนมันเป็นนิสัยมันก็จะไม่เลืคนคำถามต่อเนื่องแล้วยังสามารถนํามากําจัดความทุกข์แบบชั่วคราวจากบาปที่เราเคยทําไว้ได้ไหมคะก็ถ้ามีสติมีปัญญามีธรรมะที่เราปฏิบัติ เวลาเรามีความรู้เราก็สามารถใช้อมานดับได้นี่จะดับได้มากไดน้อยไม่ช้าได้เรื่อก็อยู่ที่ธรรมะที่เราสุขัดปฏิบัติว่ามีมากมีน้อยคําถามต่อไปจากคุณอรณิชาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะช่วงก่อนในร้านท้าจะมีมดเยอะเจ้าคะ่ะและเวลาทําความสะอาดร้านจะโดนมด ทั้งๆ ท, ที่ระมัดระวังเพื่อจะไม่ให้โดนโยมเลยซื้อช็อคมาขีดตรงใกล้ๆของที่มดชอบมาเยอะๆเพื่อเวลาทำความสะอาดจะได้ไม่โดนตัวมดแต่พอมาดูอีกทีมดโดนช็อคตายเยอะเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นโยมเลยไม่ขีดช็อคอีกเลยเจ้าค่ะโยมจะบาปไหมคะที่เอาช็อคมาขีดเจ้าค่ะาาก็บาปนะทำให้มัตายาาก็บาป เห็นถ้ารูว่าทําให้เข้าตายแล้วก็อยากไปทำหาวิธีใหม่หาสิ่งที่มันมามามาสิ่งที่มันเบาหน่อยเนีที่มันไม่แรงหรือมันไม่แรงพยายามให้มันนั่้กิ่นแล้วมันถอยไปก็ได้แล้วราคอาหอย่างหนึ่งดูบางบางคนก็เขาใช้แป้งเรยบนหนังไม่รู้จัดการมันได้แป้งเลยเริ่อลังอั้แม่มันมันมันมันเดินผ่าน คำถามสุดท้ายจากคุณ The Multiversal r i t y อวิชากับสมุทยเหมือนกันไหมครับไม่เหมือน อ, อวิชามาว่าความความไม่รู้ความหลงไม่รู้อ ร, ริยสัจสิเรียกว่าอาวิชาจนสมุทยแปลว่าเหตุของความทุกข์ประเรื่องต่เขาย อ, อยากกันคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ เ, คเวลาก็หมดพอดีเลย กันเยมาสองนาทีได้กันก็นที่ว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้ท่านจเจานำาอาเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟนะังงานวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถอ